จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรยษัทผู้ฝ่ายธทุมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานสิภาวนาใครสนใจอยากจะเข้ามาถามก็เชิญเข้ามาได้ถ้าจะฟังเฉยดูเฉยๆก ดูผ่านทางขายทอดสดทาง f เฟซบ o ๊กหรือ u t u b e ก็ได้ไม่ต้องเข้ามาในห้องก็ได้วันนี้ท่านแรกเข้ามาฝ่ายก็คือคุณหมอพิเช่เชนคุณหมอพีเชนจากกอตมเปิดไมค์การคุณหมอยังไม่ได้เปิเปดไมค์ครับกรรมธรรมสถานอาจารย์ครับ วันนี้วันที่สองพฤศจิกายนส อ, องพันห้าร้อยกสิบห้าขอ้อกับพุทธิธาจิตพระอาจารย์เจราาิญอายุครบเจ็ดสิบปี 48, สี่สิบแปดพรรษาขอให้พระอาจารย์ยินทาดขันที่แข็งแรงและเป็นร่มโพลมใส่ให้กับญาโยมทุกท่านครับขอได้ขอได้ก็ดีเนี่ยฟังมันจะฟังเราหรือเปล่าเป็นหมอก็รู้อยู่นีมนนลามันจะเป็นอะไรมันก็เป็น มันไม่ฟังเราแล้วก็ก็ตามตามสภาพเนะี่ขอบคุณอยู่อนันโนมทนาแต่มันก็มองตามความเป็นปจริงแล้วก็ไม่ไปขอมันเด็ดัาดถ้าแต่มันจะให้เรามันจะให้อะไรอะไรเราเราก็รับมันเสียทั้งหมดนึงไปขอเดี๋ยวไม่ได้จะพินหมอนมาครับาวนี้มีข้อสงสัยมาให้อาจารย์อธิบายยมได้อ่าน สังสื อ, อ, อตบอบปัญหาคาใจเล่มที่หกครับพระอาจารย์ได้กล่าวถึงพระอนาคามีว่าท่านมีฌานโดยอัตโนมัติและเป็นฌานที่ไม่เสื่อมหายไปตรงนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับคือมันเป็นฌานที่เกิดจากการกําจัดการมาราคาพอจิตมันไม่มีการมาราคามันก็สงบในระดับของฌานมันไม่มีตัวที่จะ ผลักดนะันให้จิตออกมาทางตาอจะบุ๋มเนื้อ่ายไม่เหมือนกับการเช่าชาญโดยสติเราใช้สติกดกามบุมไปกดกามาชาญท่าไว้แล้วสติอ่อนกําลังมันก็ดีมันก็ดั น, นออกมาฮะรูปเสียงเกิดต่อแต่ถ้าปัญญานี้ปัญญามันทําลายให้ตัวกามม า, าค่าที่เป็นคอยดึงจิตให้ออกจากชาญ มันก็เลยอยู่ในชาดเลยธรรมชาติของมันอาจารย์นะชาลัตนมาตรยินดีแบบนี้มันถึงมันกลับมาเกินในการมาพบอีกต่อไปแต่มันยังติดอยู่ในชานอยี่ยติดในรูปประพบอันรูต่อเมื่อเดียวชาลัตโนมัตินะครับว่าพอท่านหลับตาปุ๊บก็เข้าชาดได้เลยใช่ไหมครับก็ไม่ต้องหลับตาลืมตามันก็มันก็เป็นชาดของมันมันเป็นอุเบกขาของมัน มันมันไม่ได้ไปมีอารมณ์ได้กับลดเสียงกินลดพนทามันก็เลยเข้าใจนะครับอาจารย์าจะเข้าฌานแบบสมาธิก็ต้องหลับตาแล้วก็าหนดแต่นี่มันฌานแบบปัญญาฌานแบบแว่ามันไม่มีมันเมนเข้าฌานแต่ว่าไม่ต้องเข้าฌานต้องอย่งนี้อนเช่นเช่นเงว่ามีเลมีโไงขาโดยที่ไม่ต้องเข้าฌาน เพื่อไปเอาเบลขาออกมาเบลขามันถูกถูกรักษาวไว้ด้วยปัญญาในตอนที่คอยทำลายเบลขาก็คือการมลาคาเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญ น, นะคุณหมออันนี้ปฏิบัติไปแล้วมันก็มันเป็นไปด้วยตนมัติคอยกำจัดการมลาคาได้กัน พอจิตมันมันไม่มีไม่มีกิเลสมันจะมันไม่ต้องเข้าชมเข้าชามไม่ต้องไปทําอะไรมันก็อยู่ตามตามปกติของมันอ่ะมันก็เบิกขาตลอดเวลามันไม่มีตัวอะไรที่จะมาดึงให้มันไปรักชามกลมัวหลงถ้ากำจัดตัวรักชามกิเลสคือกิเลสไปหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาดึงให้มันออกไปรักชามกลมัว แต่เข้าอาจ์แล้วไม่เข้าฌาห์มันก็ผลเท่ากันครับอาจารย์ขอค บ, คบคุณครับอาจารย์โอเคนะไปที่จ่าแมสกับแชทที่ต่อกลับน้มัสการพระอาจารย์ครับว่ายังไงมีอะไรไหมวันนี้วันนี้วันเกิดพระอาจารย์ใช่ไหมครับ ไม่เกิดมามั้งเจ็ดสิบห้าปีแล้ววันนี้เ <I> พ <'m alive> ิ <Peach Ko ala> ่งม oh ันเกิดที่ไหนห่ะเกิดโตเติบเกิดโตเกินอายุแค่นี่ได้เหรอถ้ามันเกิดตอนทัพวันนี้มันเกิดแล้วก็นอนแบบหัอยู่ในโรงพยาบาลแล้ววันนี้ใช่ไหมตอนนี้จชทที่เกิดมาอยู่ที่ไหนอยู่ในโรงพยาบาลหรือเ่าใช่ไหมวันนี้เราเกิดได้ไง วันเกิดมันเกิดวันเกิดมันตั้เจ็ดสิบห้าปีแล้ววันนี้ครบรอบวันเกิดนะเข้าใจไ้มไม่ใช่วันเกิดวันนี้ไม่ได้เกิดเกิดเมื่อเจ็ดสิบห้าปีที่แล้วจะพูดว่าวันคล้ายวันเกิดไหมวันค้ายวันเกิดแล้ววันครบรอบมันเกิดยังน่า แต่ไม่เป็นารก็พูดไปสนุกสนุกอย่างนี้นะพูดอยนี้ก็เข้าเ้าใจความหมายกันอยู่แล้วต้องร้องเพลงที่ป้าอาจารย์สอนไหมอะครับ Happy New Birthday ใช่ครับต้องรองให้ทำครับต้องร้องให้ฟังเลยครับเา <c oughs> อ, อใารจะเ้่ามาเ้่ามะ Happy New Birthday to you Happy New Birthday to you Happy no birthday. Happy no birthday. Happy no birthday to you. h n g n i o birth, no aging, no sickness, no death, c i a m g Không. Không. Không. k n g Không. n g k h g Không. Không. k n g k g Không. Không. Không. k g Không. Không. n g k h n g k g Không. n g g g g ไม่แกก็ต้องพยายาปฏิบัตินะนั่งสมาธิฝึกสติพุทโธพุทโธอย่าเล่นเกมเอี่ยชอบดูหนังนี่ยชอบกินชอบดื่มอะไรตัวเนี้ยตัวนี้มันเป็นตัวเดิมให้กลับมาเกิดตัวชอบดูหนังเล่นเกมชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มเนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวที่พลเดึงให้กลับมาเกิดอยู่เลยนั่นต้องกลับนั้นนะ อยกไปชอบดูหนังยังไม่ได้ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่เล่นชอบนั่งสมาธิอย่างเดียวพอทำได้ไหมถ้าไม่เกินนายสนใจแต่ตอนนี้อาจจะยังอนนี้ยังยังอยากจะเกินเลยเดี๋ยวอย่ามาบ่นนะเ๋ยวเวลาแก่ลงเวลาเจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วยอ่มาบ่นโอ้ทำไมทําไมเจ็บนั่นเกินทําไมปวดนั่นเกิน ครับโอเคมีอะไรไหมมีชาวถามอะไรไหมวันนี้จะจะมารายงานครับก็คือได้อธิษฐานว่าจะสวดมนต์จะสวดมนต์ทุกคืนครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีสัจจะทำอยู่ครับงทำอยู่ทุกคืนเหรอสวดอี่กี่นาทีสองนาทีหนึ่งนาทีด้ือว่าสวดอิทธิปิโสยี่สิบครั้งครับยี่สิบจบเลยครับควรได้แล้วยี่สิบครั้งได้ครับ สวด้อมกันหรือสวดต่างคนต่างสวดต่างคนต่างสวดส่วนในใจหรือส่วนออกเสียงนส่วนในใจครับอนี่เรารู้สึกดีไหมสวดแล้วใจเย็นใจสงบขึ้นนะมสงบขึ้นครับเข้่ะสวดตอนไหนสวดตอนก่อนนอนหรือสวดตอนไหนก่อนนอนครับแล้วพอนอนหลับก็ไม่ฝันได้เลยฝันดี่ลย ก็ฝันฝันดีครับบางคืนก็ไม่ฝันครับอ่าโอเคก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ ถ, ถ, ถ้าเพิ่มเพิ่มขึ้นไปได้มากเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเป็นยี่สิบเอยี่บสองยีคริบสามไปเนาะครับร้อยถึงร้อยไนดะ้ไหวไหมถึงร้อยไหวไหมน่าจะไหวครับ อี่สิบนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีอะครับมราไม่ถึงสิบนาทีถ้าร้อยหนึ่งก็ใช้บยย้างาก็ครึ่งชงั่วโมงนะครับอ่าหลังเวลาส่วนเรานั่งหลับตาเหมือ น, นั่งนั่งทําสมาธิรับสวดไปเลยไม่ต้องเงยตานั่งในนั่งในท่าขัดสมาธิแล้ก็สวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียง อันนี้เป็นการฝึกทาสมาธิเบืเ้บองต้นือ ว, ว่าถ้าสวดเสร็จแล้ว20รอบแล้วเราดูลองหายใจต่ออีกสัก5นาทีได้ไมไหนลองทำด บ, บดีไหมลองทําำดูนะอยาครู้เนอะสวดเสร็จนั่งนั่งหลับตาแล้วก็สวดไป20รอบเสร็จแล้วก็ดูลองหายใจได้รับ เราจะออกขี่กี่รอบ ด, ดีอีกค่าสิบรอบใช่ไหมบำมายใจใหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกสองครับคะลองทาดูนะได้ครับครับโอเคเรามารายงานให้ราอาทิหน้ารครั บ, รบวันนี้มีคาถามนะครับอาจารย์อมาเลยก็คือ เวลาที่เราเห็นคนบอกบอกว่าขอให้เห็นดวงตาเห็นธรรมะครับเขาอยากจะเห็นอะไรอ่ะครับก็เห็นอนิสัยสีไงเห็นเห็นแบบเห็นแบบจริงๆไม่ได้เห็นแบบอไม่ได้เห็นแบบนึกคิดเห็นแบบเช่นเวลาโดนเพื่อนเขาด่าเราเงนี้ยแล้วเราโมโหเราโกรธ เราทุกข์ไหมตอนนั้นเวลาที่เพือนด่าแล้วเราเราทุกข์ไหมเวลาที่เขาด่า <ขอ S 1> เราเแฮปปี้หรือเราทุกข์น้ำคนี้แฮปปี้ไหมเราทุกข์ใช่ไหมบางทีก็ทุกข์บางทีก็ไม่สนใจถ้าไม่สนใจก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมครับขอาถ้าไปสนใจก็ทุกข์ใช่ไหมใช่ครับทุกข์เพราะอะไรทไมทุกข์เพราะอะไร ทุเพราะว่ามันสะเทือนใจใช่ไหมไม่ใช่ทำไมถึงทุกทุกเพราะว่าเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาว่าเราใช่ไหมคับครับเราอยากให้เขาชมแเราอยากให้เขาว่าเราเราอยากให้เขาพูดดีแล้วพูดไม่ดีเราอยากให้เขาพูดดีใช่ไหมไม่อยากให้เขาพูดไม่ดีเคราะเขาไม่พูดดีแล้วก็เลยเราก็เลยทุกใช่ไหมเราก็เลยโกรธใช่ไหม ถ้วเราห้ามเขาได้เปบสั่งเขได้เปล่าไม่ได้ครับอนั่นแหละพอะไรก็เป็นอะไรก็เป็นอนัตตาใช่ไหมเก็ไม่หยู่ภายใต้คําสั่งของเราพอเห็นว่าห้ามก็ไม่ได้สั่งไม่ได้ก็อย่าไปสนใจใเฉยๆไปอย่าไปอยากให้เขาไม่ว่าเราอย่าไปอยากให้เขาพูดดี เพราะเราสั่งเขาไม่ได้ใช่ไหมข้าห น, นูข้าหนูทําใจได้อะอยากให้เขาไม่พูดไม่ไม่ว่าเราก็ไม่ได้อยากเราบอกเ้าว่าเราเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากให้เขาว่าเราก็ปล่อยเขาเขาอยากจะได้เราก็ได้เขาจะพูดยังไงก็ได้เราก็ไม่ทุกข์เหมือนตอนที่เราไม่สนใจครับครับนั่นแหละเห็นทำเห็นนริยาศาสตร์ครับ เห็นแล้วย่างเดี๋ยวเวลาไม่สบายใจเราถามตัวเองอยู่ให้เราไม่สบายใจเพราะอะไรขอแม่เล่นเกมแม่ไม่ให้เล่นเกมเราไปไงทุกแม่ทุกทุก<ๆ>ดีใจเอา แ, แ ม, ม่ให้เล่นเกมดีจะได้ทําการบ้านได้อยู่นเสียงนะขอแม่ขอเล่นเกมหน่อยแม่บอกอย่าเพิ่งเล่นเลยทําการบ้านเสร็จก่อน มือยิ่ก็ไม่สบายใจแล้วก็มไม่เคยครับก็ติบทํากันวันนี้เสร็จครับอ่าอ่เนี่ยเห็นมือโดนตายเห็นทำก็เห็นความทุกข์ความความทุกข์เกิดจากความอยากของเราอย่างในสิ่งที่เราเราสั่งให้สั่งให้มันมาไม่ได้สั่งให้มันเป็นไปไม่ได้สั่งให้แม่บอกให้ให้อนุญาตเราเล่นเกมไม่ได้ สแม่ได้ป่ะขออะไรกอนั่นก็สั่งแม่ทั้งบอดได้ได้นี้สั่งแม่ได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่แเนี่ยางทีแม่ก็ได้แางก็ไม่ได้ใช่ไครับครับเนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะผิดหวังแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับครับเข้าใจไหเข้าใจครับอ่าวิธีดับ ถ้าเข้าใจหลังนี้แล้วเวลาต่อไปวเวลาไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็จะับระดับมันได้ด้วยการเปลี่ยนใจเราอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่เที่ยวก็ได้อยู่บ้านก็ได้ครั บ, รบอยากเล่นเกมไม่ได้เล่นเกมก็ไม่ไเป็นไรไม่เล่นก็ได้อันนี้อยากจะได้เล ย, ยก็อยากจะอยากจะได้เล ย, ยใกล้คริสต์มาสนี่ ครับมีรายการอยู่ในใจได้ยังก็มีจริงนวครับอ่าแล้ถ้าเกิดไม่ได้ทําไงดีใจเสียใจเสียใจก็เสียใจอยู่ครับก็อย่าไปอยากถ้าถ้าไปอยากแล้วมันไม่ได้มันเสียใจแล้วก็อย่าไปอยากมไม่ดีป่าเนีแล้วแต่ปล่อยให้แล้วแต่ให้เขาจะให้อะไรเราก็เอาก็ไม่ให้ก็ไม่เอาครับใจยัง เข้าใจแลครับความอยากทำให้เราไปสู่ความทุกข์ถ้าเราไม่ได้ทางที่เราต้องการถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถสั่งสั่งได้เราก็อยากประหยัครันนี่แหละมีดวงตายังทำโอเคหมดแล้วยังหโอเค มาริตต์มาริตต์ก็ทำมารับกลบนมาตการครับก็ต้องกลาบเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อครับคนเยอะไหมครับเมื่อเช้าครับเอาเนื้มันถามก็ไล้เอาหนื่งทำถามปฏิบัติทำปฏิบัติดีครับก็ขอให้หลวงพ่อเป็นหลวงพ่อเป็นโลภุโรตอย่างนี้ก็คําถามก็อืมก็ไม่มีอะไรครับก็วันนี้แค่นี้ครับก็เห็นก็เห็นในก็เห็นโอก็แบบ ตรงใจไปแต่ตามภาไปเสร็ครับหลวงพ่อโอเคเนี่ยสาธุการุครับก็แคนี้ยครับคุณสาธุการจากจีน่าขอให้พระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงค่ะปฏิบัติทุกพระอาจารย์สาธุมาฝันทำตามมาคุณเนรพคุณวนราชธานีไม่ด้เพรอละพอละวียนพรแทนคนเดียวก็พอละ คดียวเ่ยพลังทั้งคืนนะนวัศ ก, การจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ได้ถามคำถามพระอาจารย์ในวิวสัชนาธรรมกับหมอวีเมื่อคืนมานาทิตย์อะค่ะที่จะดูว่าครบจะครบไขให้ดูว่าเขามาบัณฑทอนทางปฏิบัติธรรมเพื่อมาผลนิพพานหรือเปล่าแล้วก็ทําให้เราเศร้าหมองหรือเปล่าที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพระอาจารย์บอกว่าในแง่ของกิจกรรมด้วยใช่ไหมจ้าค่ะพระอาจารย์ผ้า เข้ามาทําให้บรณฑรทางทางทางปฏิบัติก็ก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันอย่างเช่นการไปกระถินพระป่าใช่มันเป็นบุญส่วนย่อยมันเปรีบเทียบการภาวนามันส่วนใหญ่เหมือ น, นเอาแบงเอาแบงพันไปได้แบงร้อยเลยเอาไหม <c oughs> ไปกรถินก็ได้แบงน้อยไปภาวนาก็ได้แบงพันจะเอาแบงไหนดี <c oughs> แต่ลูกก็ มีความจําเป็นต้องไปหนึ่งวัดเจ้าค่ะเป็นวัดที่ลูกและครอบครัวถวายที่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่วัดอื่นลูกใช้วิธีโอนเงินเอาเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ถ้ า, ถามันยัง<ะ>เกี่ยวข้ อ, ของกับสังคมอยู่ก็ต้องก็ย่อกต้องผ่อนต้องมีการผ่อนมาผ่อนช้นผ่อนอยาวไปตามเหตุผลแต่อย่าปล่อยให้มันเป็นไปตามความอยากของเรากัอ๋อก็คือดูที่ว่าเป็นเป็นไปเพื่อเพิ่มกิเลสเราหรือเปล่าใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ถ้าความาอากก็<ป>เพิ่มกิเลสแต่ถ้าเป็นด้วยเหตุด้วยผลว่ามันจะเป็น ค่ะก็ไม่ก็ไม่ไปกินเลยแต่มันก็ยังบันทอนการปฏิบัติมันก็ทําให้เราชนะไปใช่เจ่าค่รถที่วิ่งเร็วรถไฟจะ้ามาแวะจอดสถานีที่ไม่จาเป็นจะต้องจอดนี่ถ้ามันไม่จอดมันก็มันก็ไม่เสียเวลามันก็ไปใช่เลยเจ้าคะพระอาจารย์เพราะตอนนี้เพราะตอนนี้ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรชดเชยการปฏิบัติที่เสียไปเพราะว่าเอามันถึงศูนมันก็จะมาวันจาดวี่ศูนย์ แล้วก็นำมาเร่งเครื่องกันแบบใหม่ก่านจะกลับไปที่จื่นอืนเครื่องเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้เข้าสู่ภาสาคีเพราะว่าต้องปฏิบัติชดเชยอ่ะเจ้าข่าวพระอาจารย์เพราะว่าไปไ ป, ไปอย่างที่เรียนพระอาจารย์ว่าไปกรถิ่นมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าข่ามันทําให้เสียเวลาปฏิบัติไปอย่างเงี้ยเจ้าข่าวพระอาจารย์ก็เลยต้องมาปฏิบัติชดเชยยังไม่ครบเลยเจ้าข่าวพระอาจารย์เ <laughs> <laughs> จ้าข่าวพระอาจารย์ก็ไม่ไม่มีคําถามเจ้าข่าพระอาจารย์ก็ อ่ยังไงก็อืมพยายามปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะถ้ายังไม่ถึงก็อย่าหยุด น, นะเพราะมันหยุดก็ไปไม่ถึงมันจะหยุดต่เมื่อมันถึงแล้วเมื่อมันถึงมาเนี่ยบอกวุตสิตัง ร, รมาจารย์ยักินในพรมอาจารย์ได้เสียสิน้นหมดแล้วเจ้าค่ะกินอื่นที่เนือวัอนนี้ไม่มีนะไม่มีกินอะไรที่ต้องทานอีต่อไป พ่อลูกก็ก็คืออย่างที่ที่กับเด็กพระอาจารย์คือ ย, อยังอยู่กับคนทั่วไปคือพ่อแม่หรือว่าญาติอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบ่งรับแบ่งสู้บ้างแต่ก็จะพยายามมาชดเชย อ, อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอาจารย์มันมันก็เหมือนมาคับตัวเองด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ใช่พยายามทําทให้มากที่สุดในสภาวะที่เราเราอยู่ตามสภาพที่เราอยู่ได้มากเท่าไหร่ก็ทำเลยเท่านั้นเจ้าค่ะ มันก็เหมือนกับการลืใต้ทางด่วนบนทางด่วนนั่นไม่เหมือนกันค่ะืทานทางด่วนนี่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีรถติดไม่มีสีแยกไฟแดงไม่มีอะไรแต่ถ้าอยู่ข้างล่างใต้ทางด่วนเนี่ยเดี๋ยวยก็สีแยกเดี๋ยวลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวกับรถอะไรรถตัดหน้าเจ้าค่ะมันก็ช้าค่ะ ไปขึ้นทำเรือก็ต้องเสียค่าทำถูกใช่เจ้าค่ะโนเพนโนเกนใชต้องทุกข์กับการปฏิบัติเพราะถ้าต้องเก็บตัวควบคุมวิเลสไม่ให้มันออกไปหารูปเสียงกินนแล้วมันจะทุกเวลามันเกิดชาวมฉันทาันนะค่ะแต่แต่ลูกก็ไม่ไม่ได้แบบแบบติดไฟแดงบ่อยเท่าไหร่เจ้าค่ะผูอารย์ก็ ถือว่ายัางไม่ได้ทํางานก็ข้อส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดตรงนั้นขึ้นเท่าไหร่จร้ะก็ดีกว่ามื่อกอนเนี่ยเม่ดีกว่าตอนที่ทํางานใช่เจ้าค่ะเพราะตอนที่ทํางานนี่โอ้โหสุดยอดคือแบบเวลาส่วนตัวแทบไม่มีเลยต้องแล้วมันเห็นใจคนทํางานแล้วปฏิบัติไปด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันมถ้าถ้าเรามีงานทางโลกมันจะแบ่งมามาทำํำทำมันมันขัดกันนะ่จนนะจ้าค่ะพระอาจารย์ มันไปเนื้อกลใต้ย้อนย้อนมันใช่คนทางกันมันคนละทางแล้วมันจะทำให้เรามีความรู้สึกคือเราอยากปฏิบัติแต่เราไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะเกิดความแบบปฏิฆ้อาสาพระอาจารย์อีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาด้วยเจ้าค่ะความเยขึ้นมาโอเคค่ะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับไพระคุณเจ้าค่ะอ่าอาจารย์กมับไได้ ออกอธรรมกลับถึงกอธรรมเรีรแล้วเลยเรียบร้อยค่ะการนมัสการนัสการ์จางครับงานบ า, าราตีวันนี้สนุกหม <c oughs> ปีที่แล้วสนุกกว่ามากวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะเยอะค่ะก็ได้ไปสองวันวันนี้ก็ทําให้เติมเต็มชีวิตขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งคู่อ่ะทั้งคู่อ่าเนี่ เพราะครูก็ได้นั่งปฏิบัติทำด้วยค่ะรู้สึกก็กดีค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เรแบบบฟังค่ะอ่ากแพ้เพื่อนพระอาจารย์สาธุสาธุแพ้หลรอหลายรอบล อ, ลอค่ะโอเคอคุณดิษยาจากสงขายังไม่ได้ห า, ห, าหน้าไปนาเนี่ยดิษยานมันการค่ะพระอาจารย์ จากนราทิวาดค่ะนราทิวาดเป็นยังไงไหายต๋อมไปเลยก็แอบก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะร้มลูกคุกคานแต่ก็พยายามทำทุกวันค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เจ็บป่วยนะคะค่ ะ, ม, ะมาด้วยค่ะแค่จ้าน้องวัชการมาแสดงความยิดนดีเป็นยังไงบ้าง โยมฟังซูมอยู่เรื่อยๆอย่ะง่าแต่ว่าไม่ได้เข้าสูมวันนี้มาอาศัยลูกเข้าค่ะอ่าดีมีรายละเอีออยดถามได้พิตาจิตอาจารย์ค่ะยมไม่ได้ไปก็ชื่นชมที่คนได้ไปค่ะอ่าอ่ายมไม่มีอะไรค่ะอาจารย์แปลมีอ่าตอนนี้อาศัยนอนแล้วก็กําหนดลมหายใจฟังเสียงแต่ได้ยินเสียงตัวเองหายใจนะคะอาจารย์หลับแล้วก็ได้ยินหายใจค่ะอ่า่สวนยม จะหาโอกาสไปอยู่บนเขาอีกสักรอบก่อนนะคะจะหาโอกาสใครไปอยู่มาแล้วอ่ะไปแล้วค่ะไปเมื่อตอนที่อะไรนะตอนนั้นเดือนอะไรจําไม่ได้ไปด้วยกันใช่ใช่ค่ะไปกันสองที่โยมบอกอาจารย์ว่าเหมือนโยนโดนน็อกไงฮะลูกเป็นน้ำเปค่ะแต่ก็ชอบอยากจะไปอีกค่ะสาธุค่ะอาจารย์มีอะไรไหมมีอะไรไหมมีคำถามอะไรไหม ไม่ไม่มีคําถามค่ะเวลาฟังเทศวันพระหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ได้คําตอบได้ความรู้แล้วอะค่ะยัง <Okay. S 2> ไม่เพิ่มเติมค่ะพระอาจารย์ก็ <Okay. S 1> ยังปฏิบัตินะต้องปฏิบัตินะฟังอย่างเดียวไม่พ อ, อปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นเป็นเรื่อยสติสําคัญเอาปฏิบัติสติก่อนตัวแรกข้อสอบได้ก็คือสติอย่าให้ใจมันเผลอย่าให้มันไปอดีตไปอนาคตให้มันอยู่กับปัจจุบัน เอออีกเรื่องนะคะาการที่เรานอนแล้วก็ตอนโยมนอนตอนนั้นป่วยเป็นโควิดค่ะจารย์แล้วก็พอนอนใช่ไหมคะพยายามกําหนดลมหายใจตัวเองอะคะ่ะตอนนั้นคลายคลนแล้วก็ฟังเสียงอาจารย์เสียงเทศอาจารย์ธรรมนากุฏด้วยค่ะแล้วก็ฟังไปแล้วก็กําหนดลมหายใจไปมันก็ก็ดีค่ะเพอกลางคืนก็ใช้วิธีนี้เพราะเราไม่ไหวแต่ก็เราจะรู้สึกว่ามีเหมือนกับว่าเราฟังเสียงหายใจของเราเหมือนเราไม่หลับ แต่ความจริงเราหลับประมาณนั้นนะคะก็มันไม่หลับแบบเต็มที่มันเพรามันจะมีสติค้างค้างอยู่กับการดูมือถือแต่ก็ไม่เป็นไรอ่อ๋อค่ะได้ยินเหมือนเสียงหายใจแล้วก็เราก็ดูเอ๊เสียงหายใจแล้วอ้าปากหรือเปล่าก็ไม่เสียงหายใจมันอยู่ที่คอประมาณเหมือนไปตามว่ามันอยู่ตรงไหนประมาณนั้นนะคะอืมอาการอยู่ในช่วงนอนแล้วก็มันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปคำนวมณด้วยเรื่อง เ่ที่เราทำอะไรไม่ได้ตนั้นั่งไม่ได้ก็ใสนอนดูลมหายใจไปไปจนกว่าจะหลับไปใช่ค่ะใช่โอเคก็ดีก็ทำไปเรื่อยๆนะค่ะนวัตการค่ะอาจารย์สาธุมีคำถามอะไรแล้วซะ่ค่ะโอเคงั้นไปที่คุณหมอรัฐนวุตต่อคุณหมออยู่กอธรรมค่ะ การนมัสการพระอาจารย์แล้วก็มุทิตาจิตวันครบรอบวันเกิดพระอาจารย์ด้วครับอ่สาธุนะได้ไมมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรครับช่วงนี้ผมติดโควิดครับก็เลยเลยมันตัดตัวครับครับติดครั้งแรกก็ติดหลายครั้งแล้วครั้งแรกครับที่แล้ววันนี้ไปไปสอนแล้วก็ไปมีทํำไปเลกเชอร์แล้วก็ไปสาธิตนาฏการที่มาเลเซียครับใส่เต็มนะรุนแรงไหมสายพันธุ์ไหนนะผมไม่รู้เหมือนกันครับ มีไข้แล้วก็ปวหนักอยู่เหมือนกันฮะแล้วหมดหมดฉีดวัดฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้วฉีดไปสี่ครับอะาทีโนแวคสองแล้วก็ไฟเซอร์สองครับฮะครับทุกทีก็เลยมากักตัวก็ก็ก็อยู่ที่คอนโดครับคิดว่าจะต้องฉีดอีกเข็มหรือเปล่าอก็อันนี้ก็น่าจะเป็น natural immunity แล้วครับน่าจะได้แล้วก็ไม่ต้องนะของนายเด็ะ น่าจะน่าจะได้ผูมิดีเลยครับแครับมันี้วันที่เท่าไหร่นะขาเตะไรเ่งเป็นวันวันอาทิตย์เย็นแล้วก็แต่ตอนแรกเอทีเคมันเน็กอะแล้วก็แล้วก็มาวันจันไปไปทำพีซ r มันโพซิทีฟอะครับอือตอนแรกยังยังกังวลเว้ยมันรู้สึกมันร่างกายมันไม่ค่อยไหวตอนแรกวันนี้ต้องบินไปอเมริกาเวเล็กเชอร์ที่ประชุมแล้วก็บินกลับแก็ก็ก็ดีเลยได้ได้พัก รายการเซลไปไม่ต้องไปครัไม่ไปครับครับก็ดีครับก็เลยป่วยใจแต่สบายใจเพราะว่าได้มาได้เวลามานั่งปฏิบัติเยอะขึ้นครับไม่งั้นจะวุ่นวายก็ับครนี้ไม่มีใครมาอยู่กับเราะใช่ครับอยู่คนเดียวใช่ครับใช่ครับแล้วโทรศัพท์มาก็อ้างก็ได้ว่าโควิดกับตัวอยู่ก็ลดงานไปเยอะเลยครับก็เริ่มสงบขึ้นครับเพราะว่าตอนแรกๆก็ยังวุ่นวายแล้วก็ เออนี่อาการเริ่มกลับเข้าสู่ปกติอย่าง ใ, ใกล้ๆะก็ตอนนี้เสียงก็ยังอู้อุ้แล้วก็แล้วก็ยังปวดเมื่อยครับแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก็ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ค่อย ไ, <ข>ไม่ค่อยลำบากครับก็ใค่ใชไม่มีแล้วมีน้อยใช้ยังมีอยู่ครับยังต้องกินยาอยู่ครับแต่ว่ามันก็รักษาตมอาการไัว็คงเดี๋ยว <Okay. S 2> แล้วมันมาเราไปเองครับ น, นะเราเป็นโอกาสดีครับแล้วเราจะทำเอาสูตรรักษาใจไปด้วยใจเราก็อยากไปวุ่นวาย ไม่ไม่ไม่ไม่ทุกข์กับมันอยู่แล้ครับเพราะเพามันจะมันก็ผุ่มมันไม่ได้อยู่แล้วรได้ก็รักษาะครับแต่ก็จะดีใจได้ได้มาพักแล้วก็มีเวลาปฏิบัติธรรมแล้วก็เคลียร์งานที่ช้างอยู่ครับสําหรับคนปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นกําไรเลยใช่ครับไม่งั้นก็จะต้องบุญกับทั้งโลกเยอะเลยครับใช่ครับโอเคนะ้ายหายเร็วๆนะประทับครับนะยอยิงกลับมาบ้านเท่าเหรอกลับไปชิยใหม่แล้วเหรอ กลับมาแล้วเจ้าค่ะนรัช ก, การเจ้าค่ะ mm hmm. อา ม, ม่าเจ้าค่ะพระจามวันนั้นก็ไปด้วยเจ้าค่ะอา ม, ม่าใส่บาตรเข้าาวันนั้มมาานใส่บาตด้วยใช่ไหมใส่ค่ะเป็นไงมี อ, มมอะไรไหมก็ดีใจอ่ะเห็นเอะหลวงพ่อก็ยิมจิมเมตตาจังเลยอ่ะา ม, ม่าก็ชอบอ่ ะ, อะค่ะ a m m า, ามีอะไรอยากจะถามไหมมี m a ม m a จะมานมัสการพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ <pim. S 1> แล้วแล้วอะ mamma ลองฟังแล้วคนที่เสียไปเป็นใครนะป้าป้าเลป้า้าเจ้าค่ะไม่ไม่เสียเจ้าค่ะเพราะว่ามีพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะฮะหญิงไม่ได้เสียพอเจ้าค่ะหยิงมีพระอาจารย์อยู่ด้วยไม่อมมไอใช่แล้ว เจ้ค่ะพระอาจารย์หญิงขออนุญาตขอให้พระอาจารย์จบในชาตินี้แ้วค่ะโอเคอเอาคพบในช่างครูช้างเหลืองเจ้าค่ะเนี่ยเราให้หน้องจบชาตินี้เป็นกันนะอะดี <c oughs> ไปพร้อมกันเจ้าค่าะพระอาจารย์อ่มันต้องขับมาแล้วนะติดตัวไรเดียวมีตัวเชื่อเดียวมันเป็นทีเดาดมันเปเดอมันเวทีเกินนะขอบพระคุณเจ้าค่ะ <c oughs> อช่ทุกคนสุขสบายทำงานร่างกายทำงงานจิตใจสงบเียบนะแล้วค่ะมามาแสดงเจ้าค่ะคุณหมอภาสนาอ่ะหลงท่อก็ต้องค่ะกลับแล้วมาประการหาพระอาจารย์ค่ะก็กลับมาคือคนเรามีข้อสอบตลอดนะพระอาจารย์ก็มีข้อสอบไปตรวจตาพระอาจารย์เขานี้เห็นเลยค่ะว่ามันนิ่งมากๆเลยคือแสงสองตาสองข้างไม่มีอาการพระอาจารย์รู้สึกโอเคค่ะ อันนี้อันนี้แบตั้งใจไปทดสอบเลยเพรามันต้องตรวจทุกคนเป็นเลยนะคะผ้าจ่าเราภาพมันมันหลุดอันนี้รู้สึกดีคะแล้วเมื่อก่อนเป็นยังไตอนที่อ๋อสมัยก่อนนะโอ้สมัยก่อนเก็ีมากเลยเพราะมันเหมือนฮิตเลอร์เลยเหมือนต้องส่องตาทรมานมันแสบใช่ไหมะสมัยก่อนหนูเลยนะคะแล้วพอมาปฏิบัติทําหมืนพระอาจารย์นะมันรู้สึกว่าเออมันเราก็มองแสงไปเลยพระอาจารย์จ้องไปแล้วก็เออมันก็คือมันคือเวชนาไงมันก็คือแสงอ่ะมันมันคือแบบมันก็เหมือนนั่งเจ็บขาพระอาจารย์รู้สึกว่าเออมันไม่กระทบเราคะจารย์ คือแปลคือมันเปลี่ยนไปเลยค่ะพระอาจารย์คือไม่ไม่มีความรู้สึกกลัวแล้วเดี๋ยวนี้มันมองไดเลยพระอาจารย์มองแสงตรงๆได้เลยค่ะสองทั้งสองตรวจภาพตรวจจอภาพค่ะพรอาจารย์มันจะแสงจ้านะคะแสดงว่ามีโรเบค่ะค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นข้อสอใช่ไหมพระอาจารย์แล้วก็ทดสอบ ตอนนี้พระอาจารย์คะก็คือว่าตอนนี้วันนั้นที่พระอาจารย์เทศเรื่องหมายคีเรือนชอบมากเลยพระอาจารย์พระอาจารย์จ่ายยาที่ถูกมาเลยหายคันพระอาจารย์เทศลืรู้สึกโอ้โหแบบชอบมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราทําเรายังทําต่อคือเราก็ทําดูเรื่องใจเรื่องสัพเพธมานตาต่อไปใช่ไหมแบบยังต้องใส่ยาไปเรื่อยใช่ไหมก็นั่นแหละนัดจึงการเราจะไม่เดือดร้อนกับอะไรนะนอนทุกอย่าใ<ะ>ช้ได้กับทุกเรื่อง ใช้ได้กระทุกเรื่องแค่คือพอาจารย์คะถ้าคือ ถ, ถ้าไม่อยากอะไรเลยปุ๊บเนี่ยแค่ตรงนี้ก็คือมันก็คือมันยังไม่จบใช่ไหมคะอาจารย์มันต้องมันต้องบอกว่ามันต้องมากกว่า น, นี้อนิดนึงใช่ไหมคะอาจา <c oughs> รย <c oughs> ์ต้องรู้เหรอตรงคนควน้าอยู่ในใจของเรา <c oughs> ได้อาจารก็ <c oughs> ทําอันนี้ไปก่อนเลยอ <c oughs> าจค่ะ แต่รู้สึกว่าดีดีแบบว่ามันค่อนข้างสงบแล้วก็รู้สึกดีค่ะแต่ถ้ามีเวลามีอะไรก็จะชอบทดสอบเลยอ่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าใจมันเปลี่ยนมันนิ่งอ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนตอนที่แบบเจออะไรที่ไม่ชอบสมัยก่อนอ่ะตอนนี้มันดีขึ้นว่ะอาจารย์เหมือนยาเหมือนพระอาจารย์ให้ยาได้แบบถูกที่คันว่ะอาจารย์ก็ดูว่าใจมันทุกข์ใจมันเกามันคันหรือเปล่าแบบถ้าไม่คันก็ไม่ได้พระอาจารย์ก็ทําต่อค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเดือนนี้ ลาดูนะคะพระอาจารย์จะได้ไปกินเลยโอเคได้คนพัทลพงศ์แทนพัทธลพง์อยู่ที่ไหนอยู่คุเยมอนมอทำที่ใดใชตัวก่พระอาจารย์่าวพร้อมกันจะถ่าเห็นบว่าต้อรูปม่ายที่วัดเนี่ยถาที่ถาที่วัดถยที่บเอใช่ของที่ที่วัดกับ ตรงๆหน้าหน้ากิติอันดาใช่มีอะไรไหมวันนี้จเจ้าค่ะโยมมีคําถามเล็กน้อยสักครับอาจารย์ก็คือในเรื่องของอุเบกขาเจ้าฝ่าว่าเอุเบกขาเนี่ยเราต้องเ อ, อถ้าเป็นระดับเนี่ยมันต้องร้อเปอร์เซ็นหรือเปล่าเจ้าเพื่อที่จะพิจารณาทางปัญญาแล้วตัดได้เด็ดขาดนเจ้าค่ะอาจารย์ก็จะร้อยปร์เซ็นหรือไม่ก็เราพิจารณาไปก็ได้แล้วโดยที่ว่ามันมัน มันพิจารณาครับการพิจารณามันมีสองรูปแบบพิจารณาแบบทําการบ้านร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเรามีอาการฐานที่สองร่างกายของคนทุกคนมีอาการธาลิตสองไม่สวยไม่งามบองไปเข้าไปใต้ผิวน้ําก็เห็นแต่โครงกระโดกเห็นลาไส้อะไรตา่างๆอันนี้ก็เป็นการทําการบ้านอันี้ จะมาใช้ตามที่มันเกิดกิเลสเนนะี่ะสู้มันสู้กิเลสได้เปล่าเป็น ก, การอารมณ์นี่มองเห็นคู่ที่เราอยากจะร่วมร่วมด้วยนี่เห็ น, นกระดูกของเขาหรือเปล่าเห็นเหนอาการฐานที่สองของเขารือป่าถ้าเห็นการอารมณ์ก็จะลังเอาไฟนะอันนั้นก็แ้่มันมันอยู่ที่ แล้วบางทีเห็นแล้วแต่มันก็ยังไม่ยอมหยุดพัฒนาว่าโอเบคาเรามัน <IS> น <P os> ้อยไปทั้งๆรู้ก็รู้อยู่ว่ามีเป็นโครงกระดูแต่ก็ยังอยากจะอยู่ใกล้เขาอยู่แสดงว่าโอเบคาเราอาจจะน้อยไปเหมือนอาจจะขึ้นกับปัญหาใช่ไหมจ้างท้าวพรจารยร์ถ้ามันแรงกับเราเราก็อาจจะต้องอาศัยโอเบคาที่มันมากขึ้นในการมาก็ทํายังไงให้ใจเราเนี่ใจเราไม่ต้องถูก ความอยากกดดันให้ให้ไปทำในสิ่งต่างๆ่ค่ะแล้วก็มีคำถามก็ค่ะพระอาจารย์เหมือนฟังท่านเอ่อเอ่อย้อนหลังด้วยค่ะเหมือนกับว่าเรื่องเวทนาในขณะนั่งสมาธิมันจะเหมือนมีหนักๆประมาณสช่วงหลักๆที่เราอาจจะเหมือนประมาณว่าจะต้องผัดไปให้ได้ใช่คะก็ ก็เป okay. ็นอย่างนั้นอ่ะก็มันตามที่หลวงตาท่านเขียนไว้ในหนังเสือขั้นหนุ่ขั้นสุนัขแล้วก็ขั้นช้างอะไรเนี่ยควาหนักของเวทนาแต่ละขั้นแต่ช่วงช่วงแรกก็เป็นเหมือนหนุ่ช่วงต่อไปก็ใหญ่เลยเป็นเหมือนสุนัขอะไรขั้นสุดท้ายก็เป็นเหมือนช้างเหมือนว่าต้องนั่งไปแบบหลายช่วงใช่ไหมเจ้าค่พระอาจารย์ อันนี้ก็ก็ต้องหลายชั่วโมงมันต้องสามสี่ชั่วโมงก็ไปถึงยานเตอร์เจอตัวใหญ่นี่นะ่าบอกเจค่ะโดยที่เราก็ต้องเร็กขากับสองแต่ละขั้นไปเรื่อยๆก่อนเจาค่ะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าสามีคทาอะไรต่อก็จริงๆสามีเป็นกระยาณอมิตรของโยมที่นำพาโยมเข้าสู่ทางธรรมตะอาจารย์ก็แนะนำโยมมาตลอดเจ้าค่ะ โอกาสเจ้าค่ะครับพระสการจะสอบถามว่าเวลาที่ถ้าเรามีมานะมานะ ก, ก็คือเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นทั้งคนที่อ่าสูงกว่านากว่าหรือเสมอกันเนี่ยเราจะมีอุปายในการพิจนารณาให้จิตอย่างไรครับอ๋อแล้วเราที่เราเปรียบเทียบเพราะว่าเราไปเอาเอาสมมุติมาเปรียบเทียบกันเวลาจบปอตี 3, เขาจบมอหกนี้ อันนี้เราไปเอาสมุดมาเปรียบเทียบกันถ้าเราเอาของของจริงคือจิตมันไม่มีมันเหมือนกันหมดจิตเขาจิตเ้าก็ไปทุจรู้ผู้คิดเหมือนกันเป็นว่าตายเกิด อ, อยู่ในสังสารวัฏเหมือนกันก็สรุปแล้วก็เท่ากันเหมือนกันถ้าเราวิเศษจริงเราก็ไม่ต้องมากลับมาเว้นว่าตายเกิด แต่ถ้าเราไม่เสียจริงๆก็ไม่ต้องจะไปเปรียบเทียบกับใครทําไมเสียเวลากป่าๆแต่ส่วนใหญ่เราจะเปรียบเทียบกันในสังคมนะเขาขับรถเฟอร์ราี่เราขับรถโตโยต้าีา่าเห็นไหมเราด้อย่าบเขานะน้องเันเดือนแท้น้องเดือนน้อเดือนหมือ่อะไรมันมีสมมุติให้เปรียบเทียบกันไปแต่มันไม่ใช่ตัวตนของเราหรอกพวกนี้ใช่หไหม มันเป็นแต่ส่วนประกอบของของตัวเราที่เราได้มาจากจากการกรรทาอะไรต่างๆเราต้องมีมีปัญญาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นตัวตัววัดตัววัดแล้วคนเรามันอยู่ที่ถ้ามองเข้าไปเล็กๆก็ในกายกับใจเหมือนกันกายก็มีอาการทาที่สองเหมือนกันใจก็เป็นทุกข์รุนแิงเหมือนกัน ก็ถือว่าเท่ากันมแม้แต่สุนัขก็มีอาการสามสิสองอ่ะสุนัขก็มีกายกระเจิดเหมือนกันเห็นได้ ว, ว่าราละลับสติปัญญาของแต่ละคนนีไม่เหมือนกันการเรียนรู้มาในความมีสติมีปัญญาไม่เท่ากันแต่เรามักจะไปติดสมมุติ์ยัง เรนเป็นตำแหน่งเราเป็นหัวหน้าเราไม่รุ่งน้องนะก็เลยอ่าน้องมาต้องเชื่อฟังหัวหน้าอะไ้มาทำให้ฟังคงเท่ก็จัดการข่มเหงนั่งแกเขาอะไรกัอันนี้มาเนี่ยถูกไหมที่พูดมานี่แล้วก็มีอีกคําถามก็คืออย่างเโยมสงใส่ว่าว่าโอเคเรามีความเข้าใจแล้วว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่เราแน่นอน แต่ว่าเราจิตเนี่ยมันเป็นเราหรือเปล่าครับจิตมันก็เป็นผู้รู้ผู้คิดเนี่ยที่ให้ความหลงมันไปหลอกให้มันคิดว่ามันเป็นเรานนัเองเมันคนสมัยก่อนคิดว่าโลกนี้เป็นแบรนเนี่ยมันมันแบรนด์หรือเปล่าทั้งมันก็เชื่อมันคิดจนกระทั่งมันเชื่อเลยว่าโลกมันเปแบนด์รู้ไหมครั้งหนึ่งนี่มีคนคนเขาคิดว่าโลกที่แบนด์เนี่ยไม่มีใครเขาคิดว่ามันโกง ก็เป็นความเชื่อความคิดนีันจิตก็เหมือนกันจิตจิตก็เชื่อมันมัเป็นตัวตอนมันมีนตัวตอนมันเป็นเรามัเอางี้มันไม่ได้เป็นตัวเราเป็นตัวรู้ตัวคิดกันเนี่ยเรียกว่าธรรมชาติที่รู้ที่คิดกัน็ไอ้แสดงว่าก็คือสรุปง่ายๆอยู่เราไม่ใช่ทางกายแล้วก็ไม่ใช่ทางจิตใช่ไหมครับเราไม่มีแต่มันมีตัวคิดอยู่ตัวรู้อยู่มีอยู่แต่ไม่นแต่ธรรมะ ให้มันเป็นตัวรู้ตัวคิดไปอย่าไปอย่าให้มันเป็นตัวเราของเราเพอเป็นตัวเราแล้วมันก็จะเป็นการยึดติดถ้าไม่มีเรามันก็เฉยๆไปเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไปไม่ได้เราเห็นได้ยินใครก็สักแต่ว่าได้ยินไปใครก็าด่าเราก็เขาไม่ได้ด่าเราเราเพียงแต่ได้ยินเสียงด่าของเขาเท่านั้นเองเป็นการรับรู้เฉยๆ แต่ไม่มีตัวไม่มีเราเป็นไปไปรับหรือว่าเ้าด่าเราต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่แทนที่ว่ามีเราไปรับรับลูกต่กตางๆที่เขาส่งมาให้เรากลายเป็นเพ่งแต่ไปรับลูมเฉยๆเวลาลูกเฉยๆก็ไม่มีคการจาเป็นจะต้องไปตอบโต้อะไรเขาด่าก็รู้ว่าเ้าด่าพ่อชมม็รู้ว่าพ่อชมนั้นเอง ถ้าอย่างนมันก็ไปทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้ารู้แล้วมันไปเกิดความดีใจเสียใจเนี่ยมันก็ทุกข์ขึ้นมาก็ไปคิดว่าเขาว่าเราเขาชมเราไม่มีเรามันมีแต่เพียงแต่ตัวเราเรารู้มันกระจกเนี่ยกระจกมันไม่มีเราใช่ไหมเวลาเรากระจกเวลาเรามองมันมันมันมันก็มีแต่มันก็มันก็สะท้อนภาพอะไเอง่หนึ่งหน้าที่บางแบบ เวลายิ้มใส่กระจกกระจกมันก็ไม่มันก็ไม่กดแค้งกดเข็มเวลาเราแยกเคี้ยวใส่กระจกมันก็ไม่กดแค้งกดเข็มเราเลยมันก็เป็นแดดเป็นต no. <IS> ัวสะท้อนภาพที่ที่ที่ไปปรากฏที่ที่ในกระจกนั้นเองรูปเสียงจิรรถที่เข้าไปในใจมันก็แบบนั้นเปเหมือนสิ่งที่ไปปรากฏในในในกระจกใจเรานี่เป็นเหมือนกระจกแบบที่อะไรแบบ ตัวเสียงกินแล้วก็เป็นหนสิ่งที่ปรากฏในในใจในจอใจเนี่ย <c oughs> มันก็ปรากฏไปมันก็ปล่อยมันปรากฏไปขยิเต้นแรงยงเต้นแรงเต้นกาขยนชีน้หน้าขยนดาก็เพียงแต่เป็นเหมือนกระจกไปอตัวรอบรู้ไปเฉยๆนเอง อันนี้มัน อ, อกสุดต้องม่มีเบรคขามันถึงทําได้ถ้าไม่มีขามันก็เต้นทันทีว่ามันหนองมันหนองว่ามันเราเนี่หว่ามันดาเราเนี่ยหว่ามันชมเราเนี่หว่าแต่ถ้าฝึกมีขาเยอะๆก็เป็นแต่ว่าเขาชมเขาด่าแต่ไม่มีเรามีแต่ผู้รับรู้ทั้นั้นเองมีการรับรู้ทั้นั้นเองมันมีการด่ามีการชม ก็ไม่จเป็นที่จะต้องไปตอบโต้อะไรทั้งนั้นก็ปล่อยให้มันผ่านไปเกิดเท่ากาบดหบใช่ไหมนี้ต้องฝึกฝึกเบรค้าแล้วจะเข้าใจถ้ายังไม่รูเบรค้านี่มันมีเราอยู่ตลอดเวลาเวลาจิตสงบนี้ตัวเรามันจะหยุดตัวที่ผลิตเราคือสังขารมันหยุดทำงาน หยุดคิดหยุดคิดหยุดจําสัญญาณทางคานหยุดจําหยุดคิดมันก็เลยเราก็หายไปในะแต่รู้เฉยๆในะแต่ตัวรู้เฉยๆนะแล้วมันก็เนื้อเนี่ยตัวเนะี้่ยตัว ท, วที่ตัวที่เราต้องสอนมันให้รู้เฉยๆนพราะว่า ม, มันรู้เฉยๆมันสบายมันเย็นมันไม่วุ่นวาย ถ้ารู้ด้วยความรักรู้ด้วยความชา่านก็ร้อนขึ้นมาทันทีดูด้วยเราเป็นขึ้นมามันก็มันก็มีมต้องตอบโต้ทันทีเอให้มันว่าเราเนี่ยเขาก็น้องว่าไปบ้างเลยแต่ถ้าไม่มีเราถูกว่ามันก็ไม่มีไม่มีเราต้องไปตอบโต้ใช่ไหม อันนี้อธิบายงก็ไม่เข้าใจแล้วต้องปฏิบัติถึงจะเข้าใจทำไมถึงจุดยี่จิตมันวางเฉยรู้เฉยเฉยแล้วมันจะเข้าใจขอบคุณครับขอบคุณเจ้าค่ะคนคนยอมเยิงสายสองพุทธมนตนอ้าพระเอกนมอ้าปากหวาเลย กลับถึงบ้านแล้วเลยวันนี้กลับในมรดการพระอาจารย์เช้าค่ะพระอาจารย์คุยกับโยมหญิงปะคะเออกลับถึงานแล้วยังไม่เช้าใส่บาทใช่ไหมใส่บาทค่ะพระอาจารย์เมื่อเช้าดีใจมากค่ะดีใจพระอาจารย์ได้เจอได้ใส่บาทพระอาจารย์เพราปกติแล้วเนี่ยโยมจะใส่บาทที่แบบคุณเอ็มี่ตลอดจะส่องตามเฟสนะคะแล้วก็ส่งใจเพราะใจอยากไปใส่บาทพระอาจารย์มากแล้วเมื่อเช้าตั้งใจว่าจะพาหลานเลยนะคะไปให้พระอาจารย์เคาะหัวพอเจอหน้าพระอาจารย์ ดีใจลืมหมดทุกอย่างเลยค่ะลืมให้พระอาจารย์เข้อหัวหลานค่ะอุ้มหลานไปตั้งแต่ตีสามครึ่งอะค่ะพระอาจารย์ลืมเลยค่ะพระอาจารย์เอาไว้ไปรกาบพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เข้าหัวหลานใหม่อีกรอบนึงเจ้าสติหาหมดเลยหายหมดเลยพระอาจารย์ว่าดีใจอะเจ้าค่ะ <c oughs> คือแบบโยมจะรอแบบเวลาจะเห็นคนใส่บาตรพระอาจารย์อย่างอย่างคุณเกศใส่บาตรพระอาจารย์กับคุณแอมมี่อะค่ะยมก็จะมองก็ส่งใจแบบสาธุอนุโมทนาทุกครั้งทุกรอบอะค่ะ พระอาจารย์แล้วก็วันนี้ก็ตั้งใจแบบตั้งใจเกินร้อยเลยค่ะพระอาจารย์แต่พอไปถึงพระอาจารย์ดีใจหายหมดเลยค่ะพระอาจาค่ะโยมขอเรียนพระอาจารย์เรียนถามพระอาจารย์นิดนึงค่ะพระอาจารย์เออโยมไม่รู้ว่าโยมเออมันเป็นสังขารปรุงแต่งหรือเปล่าอะค่ะเหมือนกับเวลาทําสมาธิอะ่ะปกติเวลามีเวทนาเกิดนะคะพระอาจารย์โยมก็จะใช้ดูดมอย่างเดียวแต่พอตอนหลังอะ่ะมันเวทนามันหนักมากเพราโยมนั่งเกือบประมาณเกือบจะสามชั่วโมงได้ค่ะ แล้วโยมใช้ตูลมอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่โยมก็นึกถึงคาว่าพระอาจารย์ต้องว่าต้องพุทโธพุทโธพุทโธโยมการโยมใช้พุทโธครั้งแรกเลยค่ะพระอาจารย์โยมก็หยุดการดูลมแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพทธทโธวายวาววาวาจนพุทโธไปได้สักพักค่ะพระอาจารย์มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพุทโธมันยืดเหมือนหนังที่มันยืดค่ะพระอาจารย์แบบพุทโธจนโยนก็พยายามจะพุทโธพุทโธพุทโธต่อสักพักหนึ่งมันพุทโธไม่ออกพระอาจารย์ พอพุโทโธไม่ออกโยมก็ยมก็โยงก็โยง ก, ก็หยุดไปยมก็นิ่งไปแต่ยมคิดว่ามันคือสังขารปรุงแต่งหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติก็พุทโธก็เป็นการปรุงแต่งจะแต่ปรุงแต่งไปในทางมั่งปรุงแต่งขั้นดับความทุกข์ใจเราพอใจสงบมันก็หยุดพุโทโธได้ความทุกข์ใจก็หายไป อ, อยู่อยู่กับเวทนาได้ ค่ะโยมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเพราะตอนแรกโยมก็พยายามจะพูดโทให้เร็วแต่ว่ามันก็เหมือนหนังที่มันยืดนะคะอาจารย์ก็ <Job S 1> ไม่เป็นไรก็ถอยมันมีพูดโทรอยู่จะยืดจะไม่มยืดก็ไม่เป็นไรแล้วก็หายไปเลยแล้วพูดโทไม่บอกเลยพระอาจารย์พอมันหายไปเลยแล้วเราไม่เฉยได้ก็ก่ค่ะแต่สักพักหนึ่งโยมก็ถอนออกมาแล้วก็เดินจงกรมต่อเจ้ค่ะมันเหมือนกับเขาทําได้แค่นั้นแล้วเขาก็ถอนออกมาเองเจ้าค่ะเพราะว่ามันปวดมากมากปวดค่ะ กราบพระอาจารย์ค่ะไมโยมไปกราบพระอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะเจ้าค่ะเอพระอาจารย์รักษาธาตุนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแบบอวิน <c oughs> นมส ก, การค่ะพระอาจารย์ถ่ค <c oughs> ่ะหา้าทัานวาก็ครบสองปีที่มาเรียนกับพระ <c oughs> อาจารย์สองปีแลเอใช่ค่ะการเดินทางที่ก็ดีค่ะเริ่มต้นจาก ไปทำบุญที่หน้ากุฏิเฉยๆยังยังไม่ได้ฟังพระอาจารย์เทศแต่ว่าได้หนังสือเปิดใจเปิดธรรมมาอ่านที่บ้านแล้วก็สนใจเราก็เลยไปฟังทำหน้ากุฏิกับพระอาจารย์ตลอดแล้วก็มีการได้ USB ที่พระอาจารย์แจกแล้วก็มาฟังที่บ้านแล้วก็จดโน้ตแบบเหมือนเรียนแล้วก็ค่ะเราก็ลองปฏิบัติตามก็ค่ะ ก็ก็ดีค่ะก็การวัดผลก็ให้แฟนประเมินให้ค่ะใ่ภาวดีขึ้นไม่อารมณ์น้อยลง ป, ปีแรกแฟนให้เอดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นพอเข้าปีที่สองแฟนบอกว่าเพิ่มสิบเปอร์เซ็นแล้วกันก็เลยเป็นหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีให้หัวหน้างานประเมินให้ด้วยอนอกจากแฟนที่อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็ให้ที่ทํางานนะคะ ที่เป็น <Okay. S 2> หัวหน้างานจะเป็นอินเดียค่ะคนอินเดีย mm hmm. เขาก็บอกว่าเออก็ดีขึ้นก็ให้หกสิบปอร์เซ็นตก็ก็ดีค่ะ <laughs> ก็ให้คนอื่นวัดผลให้ค่ะค่ะ mm hmm. ก็สิ่งที่ได้ก็ได้เรียนรู้การป้องกันทุกขเข้ามา mm hmm. โดยการใช้เครื่องมือก็คือสติกับปัญญา แล้วก็ในระหว่างที่มีทุกข์เข้ามาแล้วคือเหมือนทะลุเข้ามาแล้วเราก็ใช้เครื่องมือคือสมาธิกับปัญญาหลักๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการกําจัดเราก็รู้วิธีแล้วก็คือใช้สติกับปัญญาก็ตอนนี้ก็คือที่ต้องเพิ่มเยอะๆเลยก็คือตัวอุเบกขาที่ได้จากสมาธิอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพลังมันมันมันไม่ได้แบบเต็มร้อยเพราะว่าเรายัง เหมือนนั่งสมาธิก็ยังไม่ได้เข้าที่ฐานนะคะแต่ว่าก่อนไปทำงานตอนเช้าเราก็จะพยายามเหมือนคาลิเบตกับสแตนด์ดที่เป็นที่เป็นฐานนะคะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนเบี่ยงเบนออกจากฐานเยอะหน่อยอะคะ่ะอาจารย์ <c oughs> มันเพราะว่าเราเรายังเหมือนจิตใจเรายังไม่ได้ถึงฐานระดับฐา น, นะคะ่ะ ได้ต้องพยายามฝึกสตินั่สมาธิให้มากแล้วแล้วก็ต้องการให้ปัญญาเป็นแบบออโตเจนเลตเป็นแบบบ๊อบอัพขึ้นมาเลยอะค่ะพร้อมกับสติอย่างเงี้ยจะดีมากเลยค่ะก็ต้องพยายามพิจารณาไม่ได้เข้าสมาธิไม่ต้องมาพิจารณาทางปัญญาบ้าง ก, ก็ได้ค่ะจะจะต้องเพิ่มตัวจินตนาการแบบเหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยไว้ก่อนด้วย พ่อพ่อปกติเป็นคนไม่ชอบคิดไม่ไม่ค่อยคิดอะไรค่ะเหมือนโรงงานนี้ก็มีสซ่อมไฟไหม้กันใช่ไหมถึงไฟไหม้เลยอะด้ว่าต้องทําอะไรกันบ้างออกไปทำอะไรอะไรค่ะค่ะก็ไม่ซ่อมแล้เดี๋ยวมงไปทางไหนดีใช่ค่ะถ้าวางถ้าเราทําอะไรแล้วางแผนไปก่อนนี้คือจะดีมากเลยเหมือนรับมือมันได้ดีค่ะค่ะอยู่ที่ว่าเราสามารถวางแผนครอบคุมทุกเหตุการณ์ได้หรือเปล่าอ่าใช่ค่ะค่ะ ก็ด so ีค anyway> ่ะมีแต่คนบอกว่าเออก็ดีกว่าสองปีก่อนหน้านี้เยอะค่ะโอเคทำต่อไปค่ะก็เรียนต่อไปค่ะพระอาจารย์ฟังทำพระอาจารย์ทุกวันในรถค่ะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณชันนี่บางขอบอันนี้อยู่ที่ไหนกรุงเทพนะอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์อ่ามีเยอะมีอะไรบ้า ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์มาร่วมฟังธรรมค่ะโอเคยังไปที่ ค, คนคอมเมนต์จากจากแฟนจากญี่ปุ่นกลับกัม่มาสการพระอาจารย์ค่ะอ่าเป็นงไงเด็กก็นนะที่นั่นสี่ทุ่งว่ไหม Happy Birth No Happy No Birthday ค่ะอ่า Happy No Birthday อขอให้พระอาจารย์ท่านแ ข, นขนน็งแรงวันนี้เข้ามาและฟังค่ะโอเค ไปปฏิบัติด้กรรมะอ่หรือบปล่ก็ปฏิบัติบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกับจไงดีคะเหมือนกับบางวันก็สับก้ากลัวเลยก้ากกลัวค่ะก็ให้ให้ลูกอะค่ะเป็นเป็นครูสอนทุกวันค่ะพระอาจารย์ก็ยังอยู่กับครอบครัวตอนนี้ลูกปิดเทอมค่ะมาต่างจังหวัดค่ะทาให้พยายามทำให้มากถ้าพี่จะทำได้นะ สาธุค่ะ ค, คุณมาริการางดาราที่ว่ากลับนัมาตการเจ้าขาผ้าจานก็เข้ามาฟังธรรมนคะคะผ้าจาย์แต่ในเรื่องของการปฏิบัตินั้นก็คือในเรื่องของแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีจแบบทําให้เรากรูดบ้างอะไรบ้างอะไรขึ้นมาแล้วก็ทํทาําทาให้เราทันว่า เราจะต้องมีจมิตเมตตาเหมือนว่าคนทำงสค่ายอาจารย์เมื่อวันอาทิตย์นี้ถ่ะอาจารย์ก็เรื่องของการเมตตาเ้อะเพคาะจะคค่ะการให้อภัยนะ้วบางทีก็ก็ไม่ทันแวบใจเราแวบไปแล้วแต่พอคนนึกถึงเอ่อหลับตาเห็นหน้าอาจารยแล้วก็นึกว่าอาบอกแล้วนะบอกว่ามี เพื่อนิตาต้องให้อภัยนะก็เลยว่าจะให้เราเรียนรู้ตรงนี้ว่าการที่เราท่าใหมูฟังธรรมของพระอาจารย์บ่อยๆนั้นทาให้จิตใ จ, จของเรามสงบแล้วก็เยน็นเย็นขึ้นค่ะพระอาจารย์สาธอเจ้าค่ะที่เชียงรายคนเ อ, อนกการมาเล่าชุดเก่าน้องการนมัสการพระอาจารย์ครับผ ม, ม, มก็ขอร่วมบุทิตาจิตกับพระอาจารย์ด้วยครับอสาธุ ครับผมผมเองก็ปฏิบัติเ อ, อทุกวันนะครับอ า, าจารย์เหมือนเดิมครับอ า, าจารย์ครับถือใีสันสิทธิ์ในวันพระนะครับอ า, าจารย์เมื่อวานก็ถือครับอาจารย์วันอวันนย์ที่ผ่านมานี่ก็มีครับใจก็เย็นลงนิ่งนิ่งลงมากครับอ า, าจารย์ครับผม ว, ว่าเ อ, อทดสอบใ จ, ใจิตใจได้มากแล้วแบบจำลองเหตุการณ์เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอะไร ก็ก็พี่นานอยู่ครับอาจารย์ครับครับก็ทุกวันนี้ก็เจ็บบ่าเจ็บไหล่เจ็บแข้งเจ็บขาก็ไม่ได้ทานพลาไม่ได้ทานอะไรครับก็ดูดูวันไปครับอาจารย์ดูความเจ็บไปครับอาจารย์ครับก็เราควดเผื่อไว้เผื่อเป็นมะงมาเร็งขึ้นมามะเร็งต่องลูกมากหรืออครับผมครับทำยังไงก็ครับผมไปคิด พิจารณ์ร้งานนะครับอาจารย์ครับคิดตไว้ก่อนพอมันเป็นเลยหรือว่ากควรรู้แล้วมันต้องเป็นนั่นก็เป็นนั่นก็เป็นรักษาได้ก็รักษาไปครับกษาไม่ได้ก็เตรียมจองสาราไว้ครับผมแต่แต่ก่อนเดไปก็ยังไงก็อยากจะให้มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันนะครับพะอาจารย์ไม่ใหรือครับถ้าเตรียมจองสาราแสดงมาเห็นนะ ครับผมก็มเรื่องตายเด้เลยอนาคตห้ามมันไม่ได้ครับผมครับผมห้ามันไม่ได้ครับเพราะมันเกิดมาตายครับอาจารย์ครับเออเราประสบการณ์วันอาทิตย์ตอนเช้ามีแสงเข้ามาเล่นก็ก็ไม่ได้ตามไปครับอาจารย์ก็แค่รับรู้ครับอาจารย์เอป็นแสงสีม่วงสีแดงเข้ามาครับอาจารย์ช่วงตอนเช้าครับอย่าไปสนใจให้มัน กลับมาที่นมนุพุทโธนีกว่าครับผมมันเป็นในมิตรใช่ไหมารครับอมันก็เลยวันนี้มิตรกได้นะว่าอ๋อครับสปาร์ว่าทำกได้ครับแต่ก็ไม่ได้ตามไปนะครับก็ก็รับรู้ไว้นะครับมันไม่มีสารประโยชน์อะไรมันเป็นอุปสารต่อการเข้าสือความในบาครับถ้าไม่สนใจมันก็จะไม่ไปต่อมันอยู่ตรงนั้นครับอาจต้องไปต่อแล้วก็คํับมาพุทโธพุทโธแล้วดูนมต่อครับผม กลัมาพูดโทรแล้วก็บางบางวันก็ไม่เข้าก็ผมก็เพง่งเพ่งที่จมกูกไปครับ<อ>ที่ทลมเข้าอ่ะครับก็ใส่เพ่งยิ<ล>ย่งอยากเข้ามาันยิ่ไม่เข้าใหญ่ครับเขาเพ่งไปแบบไม่ดูลมบางทีดูลมมันก็มันไม่เข้าก็เพ่งเพ่งไปก็มันก็นิ่งอยู่ครับอาจารย์ครับก็ใส่เพ่งไปไม่ไม่ไม่ดูลมไม่นับลมนะครับไม่พูดโทรางดีไม่เข้าก็เออเพ่งไปมันมันเข้าอยู่ครับอาจารย์ครับโอเคครับผมอ๋อ ปฏิบัติอยูครับอาจารย์ก็แบบพอพูดพระอาจารย์ครับพี่ได้สั่งสอนนะครับอได้ก็เป็นเท่าหน้าที่นะครับก็ปฏิบัติไปนะครับจนกว่าจนกว่าจะจนกว่าจะไม่มีวันเกินจนกว่าจะไม่มีควันเกินก็จนกว่าที่แปลว่าแม่น้ํามันไหลไปรวมกันเป็นมหาสมุทรไปเลยก็เรียกอันเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับอก็เป็นแม่น้ําไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําสายไหนเหีือนกับที่ตาเขียนไว้ ครับผมครับผมก็ <Okay. S 2> ปฏิบัติไปครับอาจารย <Yeah. S 2> ์แต่ทายที่ยังมีลมหายใจอยู่ครับอาจารย์ครับโอเคครับท้ายนี้ขอถ้าผ่านอาจารย์แข็งแรงนะครับ uh, s <S สาธุครับสาธุกาแฟจากโซล่าไม่ยุ่งโซล่เยอะมานา้ำถวายมูริตาครับก็ uh. มีมีความสุข ขึ้นมากครับแต่ว่ามันเป็นความสุขในความยินดีพอใจครับคือได้อะไรมาแล้วก็เหมือนผ่านอุปสรรคที่หายไปก็คือทําธุรกิจแล้วก็แบบไปเจอสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ธรรมะของพระอาจารย์เอาตัวรอดมาอยู่ได้ครับผมอยู่ตั้งแต่สมัยที่เป็นอัดเทปธรรมะบุญเข่าที่แบบอัดแล้วก็ถามตอบตั้งแต่สมัยก่อนนะครับแล้วก็<ม>ชีวิตก็คือมีความสุขขึ้นเรื่อยๆครับ แต่ว่าตอนนี้มันพันจะไปทางโลกนิดหนึ่งครับอาจารย์ก็รเ ม, มืนงเรืมกาับมาองมเสี ย, ย้าไ ป, ไปทางโลกกัรอนทางโล ก, กัก็ทุกข์นครับแต่ว่าเวลาพระอาจารย์เทศหรือพูดอะไรผมจะรู้สึกว่าจะเข้าใจดีในทุกๆอย่างครับแต่ก็ยังไม่สามารถเดี๋ยวล้างมันไว้ได้ผมก็อยากทำงานให้มันประสบควสำเรแล้วผมจะได้ แบบว่าไปทําที่สิ่งที่ผมอยากทํานะครับถ้ามันไม่สาเร็จก็ก็จะทําไปก็ยังไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําเนี่ยคือเราแช่ไม่ได้คิดด้วยทํามันก็สำเร็จด้วยตายไปก็อะไรไปไม่ได้อาจารย์แต่ผมนี้ผมเริ่มคัดผมเริ่มแบบบอกสั่งโกดแล้วก็แบบว่า พยายามแบบว่าเออว่าผมยังไงตอนตายเนี้ยผมก็คิดอยู่ทุกวันแล้วผมก็รู้สึกว่าพอตอนคิดแล้วแล้วผมมีความสุขนะครับว่าแบบว่าเออเอเอโกรธยังไงอะไรเนี้ยครับคือพอคิดถึงความตายแล้วรู้สึกว่าคติเราอะเที่ยงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ายังมีความสุขครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ออกไปปฏิบัติคำตามที่เราหวังไว้ไหมครับอาจารย์ตก็ครับทําไปพยายามทําไปอย่าไป คาดกันมากกันไปทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก็แล้วกันครับขอกราบขอพระคุณครับขออาจารย์ทัดขันแข็งไรงครับหมอสาธุคุณชนะเดชธนาชัยได้ยินไหมสวันดีครับคุณอาจารย์ครับเออก็เพลินปิดไฟครับคุณแม่มาด้วยแล้วคุณแม่นอนก็ปิดไฟแล้วก็เห็นเห็นแม่ตายแม่ตายสงวนอะไรนะครับเห็นแม่ตายู่ นะสายแว่นใช่ไหมใช่ครับใส่แว่นอยู่ <c oughs> ครับก็มครับว่ามามีอะไรก็ว่าวันนี้ไม่มีอะไรครับท้าจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ครับผมปฏิบัติอยู่ทุกวันครับอยู่ที่ไหนอยู่ประทุมธานีครับโอเคทําไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ครับท้าจารย์ครับโอเคมันธัญพรพักดีอยู่ที่ไหนมันมันธัญพร กล่าวนากรค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินไหมนคะอพัชลุงนี่แมใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์มาทั้งพี่ทั้งน้องเลยะใช่ค่ะพ่อด้วยค่ะมพ่อด้วยเลยค่ะตอนนี้เป็นโรเมีกันที่บ้านนะค่ะอนี้ไม่มีคถามของพระอาจารย์แต่ว่าเข้ามากล่าวแล้วก็ฟังคำของอาจารย์โอเคค่นดีค่ะ ถ้ามีโอกาสก็จะไปปฏิบัติอีกคับพอาจารย์โอเคค่ะแต่ว่าก็ปฏิบัติคุณแจ็คกี้เขาเขาเางเขาเอาของฝากมาให้แล้วนะใช่ค่ะพระอาจารย์ได้ฝากไปให้ค่พอาจารย์พอาจารย์ได้อ่านแล้วใช่ไหมคะเออเห็นนะขอบพะอาจารย์ขอพระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะคะเดาทูกจ้ก ค่ะพาาระอาจารย์านำคำสั่งของพระอาจารย์ไปปฏิบัติดีตลอดค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ลงลึกทุกคันเรือาาร่อยๆค่ะพระอาจารย์ายมเตืน<ล>สติอยู่านสีภาวนาทานสินภะาวนพ า, าพยายามนะครับพระอาจ่พระอาจารย์โอเคคคุณสุภัทนาจา ก, จากบ่อวินก่ามาสการพระอาจารย์แล้วค่ะวันนี้ก็ขอกราบอุทาร มุตาจิตกับพระอาจารย์นั้นนะคะอ <Yeah. S 2> วันนี้พระอาจารย์เทศเมื่อตอนบ่ายสองคือในใจมันก็ก็ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆเหมือนกันที่ว่าพระอาจารย์บอกว่าฟังมาเยอะฟังธรรมมาเยอะแล้วเมื่อไหร่จะปฏิบัติอันนี้ก็โดนใจโดนใจอยู่เจ้าขาพระอาจารย์ mm hmm. สุนเรเมื่อสักพักหนึ่งนี่ที่ที่ที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีเราแล้วเนี่ยอะไรมากระทบมันก็จะไม่กระเทือน ก็ก็เข้าใจมากขึ้นเจ้าค่ะพอพอไม่มีเราที่ที่พระอาจารย์บอกว่ามันก็มันก็จะมีแต่รู้แต่จิตใจเราก็จะไม่หวั่นไหวอันนี้ก็จะกลับไปกลับไปทําต่อเจ้าค่ะพอาจารย์ที่หวั่นไหวเพราะเพราะไปคิว่าร่างกายเป็นเราที่หวั่นไหวเพราะกลัวกลัวมันจะไปทําให้ร่างกายเราเป็นอะไรถ้ารู้ว่าร่างกายเขาไม่ใช่เราก็ มันยิไปวันไวทไมมันเป็นมันไม่ได้เป็นรแต่ถ้าอะไรเป็นเราเราวมันหวั่นไหวขึ้นไปโอเคนะไม่มีอะไรนะก็คือเขาแต่ไม่เนคโอเคผมไปเวีจากเดลัสเท็กซตอนจรไม่ได้อยู่ในนาลัสเนี่ยอยู่ข้างนอกวันนี้วันก่อนไม่ยุคลาบครับการมัธการครับผูจารย์ได้ยินไหมครับ คล้ายๆเหมือนปฐุมธานีอย่างนี้ใช่ไหมกับปฐมวโรกามัดกกามวิปลาจิตครับป้าจางเขาได้ตาเห็นคำอย่างะ้าจารย์เห็นนะครับอต้องลืมตาขึ้นรลยลืมตาก็เห็นหลับตาก็ไม่เห็นตาในไงให้ลืมตาในปิดตานอกหลับหับตานอกแล้วก็ตาในก็จะเปิดขึ้นมาอย่างสมาธิไง อ๋อทำทุกคนครับแปีนี้ เ, เป็นปีแรกในรอบเจ็ดสิบปีครับที่ว่าได้ปฏิบัติธรรมขา้าพรนศาที่บ้านตัวเองครับได้สําเร็จครับอ่าดีสาธุยินดีด้วยแล้วได้ผลอะไบ้างไหมก็ดีขึ้นครับก็ยังมีอันเดียวที่ว่าวาัดปิดวาจายังไม่ดีครับอืมก็อยู่ก่าแฟนก็ยังหวัดคุยกันไม่ได้นะยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับ เดี๋ยวไม่คุยนะคว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับก็ปฏิบัติดีขึ้นครับการการการทำสมาธิการเดินจงกรมอะไรก็พอใจในตัวเองครับแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่ต้องอินพู้เยอะขึ้นครับอาจารย์เนื้อ รูปที่ถ่ายคู่กับหลงพ่อพียามที่ถ่ายที่ไหนถ่ายที่ที่อเมริกาหรือถ่าที่แคนาดาครับผมไปที่แคนาดาท่านจะไปอยู่ที่แคนาดาส่วนใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่ครับผมไปกระถินที่แคนาดาแล้วก็ไปกราบท่านอยู่อยู่กับท่านสามวันครับอืได้อยู่ใกล้ชิดสามวันพอดีครับก็เลยท่านก็เรียกทุกเช้าทุกตลางวันเย็นมานั่งคุยนั่งฟังธรรมครับ เ่ีก็ได้มีโอกาสได้เดินจงกรมนั่งสมาธิที่หน้าห้องท่านแล้วก็ท่านก็แนะนําให้เยอะมากครับก็เป็นบุญของผมและครอบครัวครับอการเรียนกับครูบอาอาจารย์ระดับนี้นะหายากนะครับผ ม, มก็มากาบพระอาจารย์ครับขอบุญด้วยครับโอเคอ่ขอให้นํามาปฏิบัตินะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือบุญครับผมครับ ขอใหนะ้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับพอาจารย์อ่าถือ่าถือคุณบอนพัทยาแก่ในวัส ก, การพระอาจารย์ครับวันนี้มาส่งกันบ้านจากอาทิตย์ที่แล้วครับอ่าส่งมาเลยอ่าคือจากอาทิตย์ที่แล้วก็ถามพระอาจารย์ว่าผมคนแรกสวดมนต์หรืออะไรไหมเพราะ เพราะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สามที่เราเข้าสู่พุทธศาสนาเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าจะมีเหตุให้บวชตามประเพณีเราเรียนจบปริญญาก็ขับบวชให้ให้ให้ครอบครัวทีนี้พอเดือนแรกมาแล้วก็นักอ่านนักศึกษาถูกจริีกับกับการศึกษาหลวงพ่อก็บอกว่าให้ให้หยุดก่อนแล้วมาฝึกสติสมาธิเรื่องที่อ่านพุทธธรรมอะไรทั้งหลายก็ก็วลมลงก่อน พอหลวงพ่อทักอาทิตย์ที่แล้วก็ทำตามครับก็หยุดหยุดสวดมนต์กับพระตอนเช้ามืดเลยปกติจะตื่นมา ส, สวดในขับเ้าก็นั่งสมาธิแทนนั่งก็นั่งมีมีหลุดไปสองวันนะแล้วก็มีวันหนึ่งที่ที่ผมจะจะถามพระอาจารย์ครั บ, ค, รบคือผมนั่งไปสี่ชั่วโมงแล้ว ตอนเวทนานเกิดเยอะๆเยอะๆเข้านีคือสมัยก่อนครับก่อนที่จะฟังธรรมพระอาจารย์เราเราก็ดูเวทนาโดยโดยไม่ได้สนใจลมหายใจครับทีนี้พอฟังธรรมพระอาจารย์แล้วเราก็ฝึกอานาปามากขึ้นดูลมหายใจมากขึ้นหรือเอาพุทโธมาคั่วค่ะตอนเวทนามันขึ้นแรงๆผมผมไม่รู้ว่าผมควรดูดูที่เวทนาหรือว่าดูที่ลม โฟกัสแค่อาจะ ม, มูกดูที่ลมเดีกว่าอย่าไปดูที่เวทนาลองดูเวทนานะมันจะเกิดความอยากให้มันหายอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจเวทนาปล่อยมันอยู่ไปตามองมันต้องอยู่กับลมแล้วอยู่กับคําบริรมันนะอืมใแล้วอีกเรื่องครับของของพ่ะคือโยม ยอมเรียงลําดับที่หลวงพ่อบอกไว้ในเนอาทิตที่แล้วห ร, หรือเวลาหลวงพ่อเปิดซูมให้ถามหรือพิมพ์ถามเนี่ยคือเวลาหลวงพ่อจะให้พาราลิตี้แรกกับสมาธิสติติก่อนสติก่อนแล้วให้สมาธิสติก่อนแล้วสมาธิอ่าเปิดเรื่องฟังธรรมาผมยุดไปเกือบเกิดหมดเลยมีแค่หลวงพ่อที่ที่เราฟังธรรม ฟังฟั ง, งเกี่ยวเรื่องวิธีปฏิบัติได้เรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปฟังไม่ไม่สำคัญฟังแตเรื่องวิธีฝึกสติฝึกสมาธิในท้องฟ้าพรตอนนี้เราทําอยู่แค่นี้อย่างอื่นยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ต้องไปไปเรียนด้วครับ <Okay. S 2> ก็เท่า <Okay. S 2> นี้ครับกลับหาตอนนี้ก่อนน ะ, ะคุณน้องดาวบุ หถามน้องส ก, การค่ะพอดีไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าพระอาจารย์เตือนว่าไม่ควรเล่าสภาวะทําหนูให้คนทั่วไปได้ยินหนูก็เลยไม่กล้าเข้ามาคราวนี้หนูจะพยายามพูดสภาวะทําตัวเองน้อ ย, น, อยน้อยที่สุดแต่ว่าหนูมีคําถามในการปฏิบัติจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูพิจารณาฐานเวทนาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ ที่หนูเพิ่งเริ่มจริงๆเริ่มจริงๆจรจังๆเมื่อวานนี้เองแต่ปัญหาของหนูคือมันไม่ค่อยเกิดเวทนาค่ะเพราะว่าเวลาหนูนั่งไปเนี่ยปกติเดิมทีต้องต้องต้องท้าวความก่อนว่าเดิมทีหนูนั่งสมาธิเนื่องจากหนูมีปัญหาเข่าที่ที่รุนแรง ได้จะได้ผ่าเปลี่ยนเข่าแล้วอะค่ะก็เลยได้แต่นั่งสมาธิฝึกกับโซฟามาตลอดทําให้ไม่ค่อยเจอเวทนาในการนั่งสมาธิเลยพอหนูไปลองนั่งที่ที่วัดไม่มีเก้าอี้โซฟาหนูนั่งได้แค่สามสิบนาทีหนูก็เหมือนจะตายเพราะมันปวดมากแต่วันที่หนูตัดสินใจสู้เวทนาตั้งแต่ฝึกแรกๆแล้นะคะหนูไม่ยอมหนูจะสู้ให้ได้เพราะหนูฟังเทพหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าให้เป็นนักนักลบ หนูก็เลยตายเป็นตายว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายพอพอหนูสู้จนเหงื่อแตกตัวสั่นไปหมดแล้วจิตมันก็เข้าสู่สมาธิจนไม่ไม่มีความรู้สึกทางกายอะไรเลยอันนั้นคือครั้งแรกค่ะหลังจากนั้นก็ทําไม่เคยได้หนูก็เลยเลิกเลิกสู้เวทนาจนจนมาลองเมื่อคือนเนี้ยค่ะพอกําลังสมาธิเราเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี้ยปัญหามันก็คือเวลาหนูเข้าสมาธิไปพอหนูพุดโทไปเรื่อยๆประมาณไม่รู้ไม่รู้นานเท่าไหร่แต่พอเริ่มมีอาการปวดปุ๊บเนี้ย หนูก็เริ่มพิจารณาดูคือดูว่ามันปวดที่ตรงไหนแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นตัวปวดกายมันปวดได้จริงๆหรือเปล่าเพราะเวลาตายมันก็มันก็ไม่ได้ปวดแล้วนะทําไมมันต้องปวดด้วยแล้วทาไมอะไรกันแน่ที่มันเป็นคนที่ปวดกันแน่ตอนนี้คือมันมันจะแยกเป็นสามส่วนนะค่ะกายหนึ่งอีกเลเยอร์หนึ่งมันก็คือหนูเริ่มจับได้แล้วว่ามันคือตัวเวทนาที่มันเป็นตัวที่มันปวดตัวที่มันไม่ชอบตัวที่มันทุกข์เนี่ยคราวนี้ยไอ จิตเราเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้ดูเหมือนผู้ดูว่ามันแยกระหว่างกายกับเวทนาพอเราเริ่มเห็นนะคะพระเจมันมันไม่นานนะแล้วคราวนี้ยหนูงงมากว่าหนูกําลังพิจารณาอยู่ดีๆว่าเวทนาเนี่ยเดี๋ยวมันเบาเดี๋ยวมันหนักแล้วมันย้ายที่ไปเรื่อยๆมันไม่อยู่คงที่เลยหนูก็กําลังเริ่มเห็นอยู่ดีๆสักพักหนึ่งจิตมันเข้าสมาธิไปเฉยเลยเข้าแบบเวทนาหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะหนูก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยว เพราะปกติเวลาห น, หนูเจอเวทนาในการนั่งสมาธิที่เคยเจอเนี่ยเวลาหนูออกจากสมาธิแล้วนี่มันจะเป็นเหน็บหนักมากหนูก็เลยว่าอ่ะงั้นรอแล้วกันรอให้เขาอิ่มก่อนแล้วพอถอยออกมาเราจะได้พิจารณาเวทนาหลังหลังนั่งสมาธิปรากฏว่ามันไม่มีอาการคือเข้าไปนานมาก น, นะคะแช่ในสมาธิประมาณเกือบเป็นชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเลยค่ะพอหนูออกจากสมาธิมาคือลักษณะสมาธิมันก็จะเป็นเหมือนที่หนูเคยเป็นอยู่คือสว่างโน่นนี่ พอหนูออกมามันไม่มีอาการเน็บสักนิดเลยค่ะมันไม่มีเน็บมันเดินได้เหมือนคนปกติหนูก็เลยเอ๊ะแล้วแบบนี้จะพิจารณาอย่างไงเพราะว่าเวลาเราเข้าสมาธิแล้วเหมือนมันจิตมันจะชอบหนีความเจ็บปวดเข้าสมาธิหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่รู้จะพิจารณาอย่างไงอะค่ะอาจารย์ก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวเมื่อกี้มันเกิดตนนี้มันดับไปแล้วเดี๋ยวเมื่อกลับมาใหม่ได้ อ๋อแสดงว่าให้หนูนั่งนานกว่าเดิมเหรอคะก็แล้วแต่หนูถ้าหนูอยากจะพิจารณาความเจ็บมันแล้วต้องให้มีความเจ็บถูกให้มาเพราะเวลาหนูเพราะหนูเวลาหนูพิจารณาแล้จิตมันชอบเข้าสมาธิระดับลึกไปจนมันไม่มีกายให้ใ ห, ให้รู้สึกเจ็บนี่หนูจะพิจารณาให้มันเจ็บได้ไงคะเพรา็ไม่ต้องพิจารณา แ, แสดงว่าถ้านท า, าหนูเวลาเจอความเจ็บแล้วหนูเข้าสมาธิได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร อ๋อแต่ว่าเราก็จะได้เห็นแค่ช่วงแรกของการทํางานของเบธนาในช่วงแรกเอาใช่ไหมคะว่าว่าก่องว่ามันค่อยๆแต่หนูไม่ไม่เคยผ่านการเจ็บปวดแบบรุนแรงเหมือนสมัยนั่งแรกๆที่สามสิบนาทีตอนนั้นเหมือนจะตายแต่ไอ้ไอ้ครั้งที่ทําเมื่อวานนี้รู้สึกว่าเจ็บยังไม่เท่าไหร่เลยทําไมเราดูไปดูมาแล้วมันเข้าสมาธิไปเลยหนูก็เลยไม่รู้จะแก้ยังไงก็ไว้ต้องแก้นั่งสงบก็ใช้ได้ปฏิบัตเพื่อมนมาสงบ ออแต่เวทนามันจะจะเป็นยังไงก็ไม่ไปยุ่งกับมันอ๋อค่ะหนูเข้าใจว่ามันต้องแบบเวทนาแบบรุนแรงมากอะไรเงี้ยแล้วพอหนูทําซ้ําๆมันก็เป็นแบบนี้ทุกรอบเลยพอหนูพิจารณาเข้าไปถึงว่าตกลงใครเจ็บกันแน่พอมันพอมันได้คําตอบหรือยังไงก็ไม่รู้หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็เข้าสมาธิไปเลยค่ะหนูก็เลยงงมไม่รู้จะยังไงต่อค่ะแต่ก็แสดงว่าทําแบบนี้ก็ถูกแล้วทาต่อ ไม่ขอให้เราไม่ไปทุกข์กับเวทนากระชัยได้อ๋อค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งค่ะว่าอาจารย์หนูสงสัยคำถามนี้ตั้งแต่ปฏิบัติแรกๆเลยคือสติปฐานสี่มันมีกายเวทนาจิตธรรมฐานจิตเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับขันห้าที่เป็นมโนวิญญาณที่ เ, เรียกว่าใจค่ะคือฐานเนี่ยความจริงราไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ฐานหรอกมันเป็น มันเป็นอะไรกันะเป็นเหมือนกับอข้อสอบนี้ดีกว่ร่างกายก็เป็นข้อสอบข้อหนึ่งมีทางาก็เป็นข้อสอบข้อหนึ่งจิตก็เป็นข้อสอบที่เราจะต้องสอบและทําให้ผ่านได้ค่ะร่างกายก็คือเราก็ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของมันว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเราอย่าไปทุกข์กับมันถ้าเราสอบผ่านแเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคือเราเข้าใจว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราไปห้ามันไม่ได้มันไม่สวยไม่งามเราต้องเห็นว่าร่างกายมันไม่สวยไม่งามมันถึงยังดักการมาราคาได้อันนี้เป็นข้อสอบทางด้านร่างกายเวตนาก็อย่างที่ไม่ไดี้คุยกนะันเนี่ยเมตนาญมันก็มีมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุก ข, ข์มันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็อย่าไปทุกข์กับมัน จิตก็คืออารมณ์ที่มีในจิตเราเนี่ยเรียกว่าจิต <ฮะ S 1> อารมณ์<น>ขุนมัวอารมณ์ทุ่งซาอะไรก็ได้ว่า <ฮะ S 1> วเราก็ลองเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตค่<ฮ>ะที่มันจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเรื่องมันเราก็อยากไปทุกข์กับมันได้เข้าใจไหมค ะ, <ฮ>ะแต่ว่าแต่ว่ามโนวิ ญ, ญญาณที่ว่าที่ว่ารูปเวทนาสังขาร เอ่สัญญาสังขารวิญญาณแต่วิญญาณมันจะมีตัวหนึ่งคือมโนวิญญาณคือใจอะค่ะหนูก็เลยสงสัยว่าเอ้ใจตัวเนี้ยมันต่างยังไงกับจิตที่คิดอกุศลอไม่อกุศลไอ้ตัวในสติปัฏฐานก็ต่อต่อมโนวิญญาณก็คือการรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจดูเรื่องอารมณ์ูเรื่อ ง, งความทเป็น<ด>เป็นภาตรู้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นความคิดที่ว่าอากุศลไม่ ไ ม, ไ, มไม่เอากูสอเป็นตัวรับรู้เป็นตัวรับรู้รับรู้เฉยๆตัวรับเนเดียว ก, กับดวงทิพพุทธะไหมคะอาจารย์ไม่ล่ะมันเป็นตัวเดียวกับพวกรูปเสียงกลิ่ น, นรสเนี่ยอตัวหนึ่งก็รับรู้รับรู้เรื่รูปตัวหนึ่งก็รับรู้เสียงตัวหนึ่งก็รั บ, บ ok ร, รู้สิ่งอยู่หกตัว <อ Jar. S 1> วิญญาณหกจักรโควิญญาณโสตวิญญาณเนี่ยจักรโก็รับรู้ทางตา รับรู้สิ่งที่มาทางตาสิ่งที่มาทางหูสิ่งที่เกิดในใจและตัวที่หกนี่มโนวิญญาณอ่าก็คือการรับรู้ทางใจเท่านั้นโดยที่คนละตัวกับจิตผู้รู้พุทธะตัวรู้ก็รู้รู้รู้ไอตัววิญญาณนี่อีกทีนึงอ๋อตัวรู้ก็รู้วิญญาณอีกทีนึงไอตัววิญญาณเปเหมือนเป็นบุญบุญบุญเลยช่เอาต้นม้มาให้ให้ตัวรู้ตัวรู้ก็เปิดอ่านเ อ, อิญญาณเป็นเป็นเลเซนเจอร์วิญญาณมันรับรูปเสียงกินรสหัวตะขาแล้วทำอารมมาให้จดด้วยทีมอืมค่ะโอเคค่ะไม่ต้องไป<น>รู้หรอกพ่อมันมันรู้ไม่รู้ไม่สําคัญรู้อยู่ <c oughs> ที่ว่าเราเราเราป่อยวางมันได้หรือเปล่า <c oughs> เราอย่าไปอยากเราอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ค่ะ หนูพอเข้าใจแล้วคะ่ะเพราะว่าปฏิบัติมาก็ใกล้จะสองปีแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมากแล้วก็รู้สึกว่ า, าให้ปล่อยวางร่างกายจะเปไะ็นยัง ไ, ไงก็ช่างมันใจนานจะเป็นยังไงก็ช่างมันจิตจะมีอารมณ์อะไรก็ช่างมันให้รู้เใช้ไปค่ะค่ะขอบคุณ อ, อาจารย์ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปจะไปตรวจหลวงปู่โบเกต ปลเดอนนี้ล่ะค่ะท่านไปอยู่พัทยาแล้วท่านไม่ฝั น, นจะไปเชียงใหอ่ท่านไปอยู่ที่ทวัดป่าดาราพี่ดำแล้อง่ะใช่ค่ะค่ะกล่าวนาัสการนะคะโอเคอาจารย์สายทิพย์เห็นว่าเสียงดูถไปคนหนึ่งเกล่าวนาัสการพระอาจารย์จเจ้าค่ะของมหาลัยล่ะคะพระอาจารย์ ใช่ไหมที่มาอะไรที่เรนอยู่ใช่หมใช่ใช่ค่ะเห็นเห็นข่าวใช่ค่ะเป็นเป็นสิทธ์เก่าภาษาสาสตร์มีภาษาภาษาเกาหลีค่ะใช่ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะฟ้าสารไปเที่ยวแล้วไม่ได้กลับเลยค่ะส่วนนังสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิยังกลับได้ ค่ะพระอาจารย์นั่งสมาธิไปเลยมีไหมคะพระอาจารย์ก็ถ้าถึงเวลาร่านกามันจะไปก็มันก็ไปเลยเหมือนกันค่ะก็วันนี้ตอนแรกมีคำถามค่ะพระอาจารย์คือมีคำถามในใจมานานมากสงสัยคำว่าเข้าสู่พระนิพพานแล้วมันก็ขัดขัดแย้งกับคำว่าแต่ไม่มีเราแล้วอะไรมันเข้าสู่พระนิพพานแต่วันนี้ฟังพระอาจารย์แล้วเข้าใจแล้วค่ะ ว่าก็คือผู้รู้สักแล้ว่ารู้ค่ะรู้ฉเฉยไม่ต้องอยากก็ปล่อยปล่อยมันอะไรย่างเ้ม่รบกวนหนูรู้แล้วก็ไม่รบกวนหนูรู้แล้วเฉยเฉยไัใครจะชมเราว่าใครจะชมว่าเราสวยก็ไม่ไปที่มาดีใจไปกับคาชมของเขาเหมือนสักแต่ว่าใช่ไหมคะพอจ์สักตวาอะไรจะมากระทบก็เฉยยโาไเบกาไก็คือไม่อยาก จบที่คําว่าไม่อยากใช่ไหมครับไม่อยากไม่รักชังกลัวหลงไม่อยากให้ไม่รักไม่ชัอพอพอมันรักเขาก็อยากได้พอชังก็อยากทิ้งถําไม่รักไม่ชังกลัวหลงก็มันก็ไม่มีความอยากก็เหมือนให้ผู้รู้เขากลับไปเป็นผู้รู้เฉยเฉยเหมือนเดิมอย่าให้เขามาเป็นตัวตนค่ะถ้าเราทําใจให้ได้อย่างนี้ก็ก็ สบายขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์พระพุทธเจ้าสอนเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้เห็นแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าสักแต่ว่าพอสักแต่ว่าทุกก็ถ้าสักแต่ว่าได้จริงๆก็คือไม่ไม่มีทุกเลยนะคะพระอาจารย์ม่ก็ไมันอยาค่ะตอนนี้ก็เลยเข้าใจแล้วค่ะแต่ก่อนเอ้ไม่มีเราแล้วเราจะเข้าพระนิพพานได้ยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เราไม่มีเราไม่มีเราไปสมมุติขึ้นมาเอง นึกเก็บแต่งนี่ยายเนี่ยสมมุติว่าเรามีเราสมมุติว่าเราเป็นเราะ่มันก็ไม่แค่มีความคิดคิดไปขึ้นไปเองเนี่ยความคิดทั้งนั้นพอหยุดคิดพอนั่งสมาธิจิตรวมเนื่องสงบอยู่คิดไอเรานี่ก็หายไปอืมค่ะมันก็เป็นการให้ได้อืให้ให้เหมือนเราเป็นการฝึกใช่ไหมคะพระอาจารย์ ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เข้าถึงถ้ามันไม่เข้าถึงสมาธิมันก็ยังเป็นตัวมันก็ยังเป็นเพียงแต่ไปคิดเฉยๆคิดว่าไม่มีเราเองค่ะซับซ้อนก็ไปคิดเข้าข้างตัวเองว่าต้องหยุดคิดแล้วถึงจะรู้จริงๆอ๋อพอหยุดคิดแล้วถึงรู้ว่าเราไม่มีที่ไม่มีจริงๆในสภาวะนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ต้องไปค่ะแต่แต่ก็ ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้นะคะอาจารย์นั่ก็ยังคิดอยู่ตอนนี้ก็ยังคิดนั่นก็คิดเอาค่ะแต่ว่าเขเข้าใจว่าอ๋อแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้ค่ะแต่ว่าเข้าใจแล้วอ๋เป็นอย่างนี้เข้าใจในในหลักการในคอนเซ็ปต์เข้าใจในหลักการค่ะแต่ยังไม่เข้าถึงตัวจริงยังไม่เข้าถึงตัวจริงใช่ค่ะค่ะเาต้องปฏิบัติสติให้มากๆให้จิตว่างเป็นสมาธิค่ะ ค่ะรอาจารย์นี่ขอกราบมุนทิฏิตาจิตพระอาจารย์ด้วยค่ะโอเคเบา้วครั้งเดียวก็พอมาค่ะโอเคสาธุพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะสาทุค่าไม่ไม่ศักจะว่ารู้เนี่ยนี่ขอละทิยาต้เลยยังทาไม่ได้ค่ะจะพยายามค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคสาธุ น้าโมกับคุณแม่เลยน้าคุณยายมาสการะพระอาจารย์ผมวันนี้พาคุณยายมาได้สำเร็จแล้วครับเหออาจาย์ที่เกี้ยกลมกันอยู่นะเออไม่เชิงเกี้ยกลมด้วยครับอาจารย์คือยายมาตามให้คนไปช่วยดูอะไรก็ไม่รู้ที่ห้องนอนผมเลยจับยายมานั่งเลยครับไม่ยอมไม่ยาย ครับอาจารย์ uh, Happy November นะครับ Happy n e m b e r Thank you ครับอาจารย์ขอให้ธาตุการอาจารย์แข็งแรงครับโอเคม่เปนไรวันนี้มาส่งการบ้านครับอาจารย์ mm hmm. ก็ในเรื่องของการเจริญสติแล้วก็คงกระดูกก็ได้ฝึกบ้างไม่ได้ฝึกบ้างครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องของการเรียนที่ยังต้องโฟกัสอยู่ครับอาจารย์ mm hmm. แล้วก็พยายามเวลาที่มีโอกาสครับอาจารย์แล้วก็จะชวน คุณยายมานั่งฟังธรรมมาครับถ้าสมมติยังนอนได้ยังมังคับนะมังครับไม่ได้เชื้อเชิ่อน้าอยู่ได้ด้วยการมาด้วยการขาอยู่แล้วค่ะอดียายเจ็บขาแล้วค่ะก็เลยนอนสายกลางคืนเป็นขาเจ็บมาตั้งนานแล้วค่ะเป็นขาเนี่ยหายเร็วนะ อาจารย์ครับคุณยายฝากคําถามมาครับว่าคือคุณยายเวลานั่งสมาธิชอบเผลอหลับครับอาจารย์ต้องผลักสติไม่มีพอสติไม่มีมันก็หลับต้องพยายามพุทโธพุทโธประกองสติไว้พุทโธพุทโธพุทโยายก็บอกตลอดนะคะแต่ไม่รู้หลับไปตอนไหนก็นั่งนั่ดหนึ่นะคะก็ต้องฝึกสติก่อนก่อนที่มานั่งด้วยตอนที่เรา ยังไม่ได้นั่งเราก็ลองฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนพุทโธไปเรื่อย อ, อทําอะไรก็พุทโธพุทโธอี่ยครับดิฉันก็นั่งนับอยู่นั่นนะคะหึ่งแล้วถึงเวลาก็ทําทไมถึงหลับเราไม่รู้อะไร<น>นเพราะว่ามันครับพระอาจารย์วันก่อนเดินไปตรงอาห้องคุณยายครับไปหาคุณยายเสร็จแล้วตกใจมากนึกว่ายายเป็นอะไรคุณยายนั่งหลับคอเอีว ยังไปซ้ายมากเลยครับแบบมองมองตกใจก็เลยบอกคุณยายว่าเดี๋ยวต้องมาถามพระอาจารย์แล้วนะอันนี้ไม่ไหวคนที่บ้านเขาตกใจกันหมดครับอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามครับพระอาจารย์มาร่วงหน้ฟังถามครับค่ะคุณพงพันธ์ครับคุณพงพันธ์คบะจากนมัสการพระอาจารย์ครับ คอนแกนครับคอนแกนครับวันนี้ก็ขอร่วมแสดงมุติตาจิตแล้วก็แฮปปี้อ๋อโนว์เบิร์เดย์นะครับอาจารย์ครับออยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆครับตามอัตภาพตามความสามารถครับสม่ำเสมอครับอ่าด็ครับไม่มีอะไรนะออมีเรื่องกับราย ง, งานหนึ่งเรื่องครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยพยายามลองชวนออแฟนแล้วแล้วก็ญาติญาต แล้วก็คุณแม่ให้ร่วมปฏิบัติธรรมครับแต่ว่าก็ไม่เคยชวนสําเร็จครับทีนี้ก็เลยพอละก็เลยทําเองดีกว่าครับอช่แล้วก็ทำเรื่อที่ของเราแล้วเราเชินเขาก็จบแล้วเขจะทําให้ทําก็เรื่องของเขาครับแทีนี้พอทําไปได้สักประมาณสองเดือนนะครับพระอาจารย์ก็ปรากฏว่าก็แห่ทําตามกันหมดแล้วครับตอนนี้ครับพระอาจารย์ครับ เอาเอาตัวอย่างดีกว่าหรือเอาการกระทําของเราเป็นตัวตัวอย่างดีกว่าพอาเห็นตัวอย่างดีเขาก็ทําตามเองก็เลยได้ข้อธรรมข้อนึงว่าการปฏิบัติหรือว่าการกระทําเนี่ยมันเสียงดังกว่าคำพูดครับพระอาจารย์ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็เราให้โอเคดีครับแบบนามสการครับอยากฟป็นังมืไหร่อยากสื่ระชากแบบนมัสการค่ะพระอาจารย์ วันนี้หนูก่อนอื่นหนูขอกราบแจ้งพระอาจารย์ก่อนนะคะคุณแม่เขาฝากกราบนมัส ก, การพระอาจารย์มาค่ะแล้วก็ขอให้ธาตุขันแข็งแรงเจ้าค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ต่อเนื่องด้วยจัดที่พาแม่แม่ที่ต่างจังหวัดที่ปักกิ่งนะคะไปทําที่หนุกพาแม่ไปทําบุญกระถิ่นนะคะจริงๆก็ถือโอกาสไปไปเยี่ยมแม่ด้วยในรอบสี่เดือนแล้วก็แม่เขาไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยบอกว่าแม่ไปแม่ไปทําทําบุญกระถิ่นกัน แต่ตัวหนูว่าหนูไม่ชอบไปเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคนมันเยอะมีเสียงดนตรีมีคนลํากันคนเยอะมากมายหนูไม่ค่อยชอบที่ผ่านมาหนูก็จะหงดหงิดมากเวลาไปแม่ก็ชวนไปหนูก็จะรู้สึกหงุดกิดแล้วก็จะแบบอารมณ์เสียเมื่อคราวที่ผ่านมานะคะหนูก็รู้สึกว่าไอ้เงินที่หนูใส่ซองทําบุญนะคะหนูมีความแต่ว่าหนูถ้าหนูเปรียบเทียบกับที่แม่ที่หนูพาแม่ไปแล้วหนูไม่ไม่อารมณ์เสียใส่แม่เขาจะคอยถามหนูว่า กลับก็ได้นะกลับก็ได้นะจะได้กลับชลบุรีไปหนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เอาแบบเอาให้สุ ด, สดเลยอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้ปรากฏว่าพอหนูเห็นว่าแม่เขาทําบุญแล้วเขาแฮปปี้หนูรู้สึกว่าบุญกระถิ่นที่หนูทําเนี่ยที่หนูพาแม่ไปน่ะมันเหมือนกับหนูได้เยอะเยอะมากๆเลยตัวค่ะใช่อยู่ที่อยู่ที่ความศรัทธานะเป็นตอววันบุญค่ะ เราเสียงดังๆคนรำอะไรกันหนูก็ไม่หนูก็ไม่รู้สึกรำคาญเพราะควจริงเราไม่ได้ทำให้กับว่าน่ะทําให้กับแม่ทําให้กับแม่แล้วเราเพิ่มไปติเพราะแม่มีพระคุณกับเราทําให้แม่มีความสุขนี่เราก็กลายความสุขมากขึ้นควันวันวันวันนี้ก็หลอกแม่ครับบอกแม่แม่แม่มเกิดเป็นเดียวกับพระอาจารย์เลยนะแม่ก็เลยบอกเอออออย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ส่งลิงก์มาแม่หน่อยนะเดี๋ยวแม่จะฟังอะไรอย่างนี้คะหนูก็ค่อยๆหลอกไปเรื่อยๆโอเค มีอีกตัวหนึ่งเจ้าค่ะพอดีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านที่อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะหนูหนูหนหนฟังญาติธรรมท่านหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องของการเผาร่างกายอ่ะคะ่ะแล้วก็ใช้เครื่องบดบดบดกระดูกให้มันไม่เหลืออะไรอันอันนี้หมายถึงว่าให้ให้เราละละจิตออกจากกายถูกต้องไหมเจ้าคะ่ะก็เราเป็นคนบดนะถ้าเราเป็นคนบด เ, เ, เราจะเป็นร่างกายได้ไหก็ก็ไม่ใช่ใ ช, ใช่ไหม อันอันนี้ทําเพื่อเพื่อให้ให้ให้มันแยกใจเพื่ อ, อ, ยพ อ, อยากใจออกจากร่างกายอ๋อแหนูนเหมือนูเคยได้ยินว่าไอ้การแยกใจกักร่างกายนต้องไปให้ถึงฌาน เ, เจ็ดเลยใช่ไหมะก็มันใช้ความคิดแยกก็ได้ใช้ใช้ฌานแยกขนาด้ทออุอย่างอืมค่ะทีนี้เวลาเวลาใช้ตัวเนี้ยจะไม่เกี่ยวกับตอนที่เรานั่งสมาธิเพื่อให้เราเอตอนที่เรามีสติหรือสมาธิใช่ไหมเจ้าคะก็คือคิป มันก็มันก็ต้องมีสติสสอยู่กับความคิดอยู่กับการบทนั่งกายให้มันกลายเป็นหลังจากที่นสมาธิแล้วใ ช, ใช่ใช่ไหมเจ้าคะ่ะถ้าออกจากสมาธิน้นมันก็จะมันจะทําได้ไ ด, ได้ได้ง่ายกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้สมาธิใจมันกิเลสมันจะต่อต้านไม่ยอมให้บทก็ได้อืมอันนี้เป็นขั้นปัญญาไหมเจ้าค่ะอ่าขั้นปัญญาอ๋อโอค่ะยังไเดี๋ยวหนูขออนุญาตปฏิบัติตามเจ้าค่ะอืม มีเจ้าหญิงเจ้าักะขอบพระคุณเจ้าค่ะอเคอ่ันเกันเดได้ยินไหมอ๋อได้ยินครับอาจารย์อาจารย์ได้ยินไครับได้ยินอ๋อพอดีว่าช่วยลูกลูกกิงของนล่ครับกลับกลับท่านอาจารย์ก่อนดูครับขอบุณอาจารย์ถึงข้ออาจครับครับอาจารย์ครับ อ่าอาจารย์ครับเ พ, พรพอดีว่าเมื่อเมื่อเร็วๆนี้มันมีคนส่งเรื่องความหมายของคําว่าสาธุแปลว่าดีแล้วแล้วก็คําว่าขออนุโมทนาครับทีเนี้ยเหมือนในโค้ดเขาบอกว่าเวลาจะอนุโมทนาไม่ใช่แบบพูดแค่อนุโมทนาอย่างเดียวนะให้พูดคําว่าขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอย่างเงี้ยอันไหนมันถูกต้องครับอาจารย์มันก็ไม่ใเรื่องของภาษาไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เรื่องของธํามะเกิดการ การพูดมันก็เป็นเรื่องของภาษาล่ะเรื่องวัฒนาเรื่องขอเรื่องวัฒนธรรถ้าคนฟ<ช>ั<า>งเข้าใจก็โอเคแต่ถ้าทจะพูดไปหลักไวยากรระหว่างหลักของการการพูดมันาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แต่เข้าใจกินหรือแดกนี่มันก็เข้าใจไหมกินหรือยังแดกก็ยังแต่เขาบอกาแดกพูดไม่ได้ต้องพูดกินใช่ไหมอะไรต่างๆเนี่ ก็คือภาษาสมมติถูกไหมครับอาจารย์ออคอยเข้าใจใช่ไหมครับอ่าม่เข้าใจแล้วกันครับก็ก็วันนี้ที่ที่อาจารย์บอกว่าอ่าไปกรถิ่นก็เหมือนกับแค่กระถิ่นกับภาวนาใช่ไหมครับเแบเลีวแบ่งน้อยหรือไแบ่งร้อยโอเห็นภาพเลยครับก็เมื่อวานที่ก็ไปทําแบ่งร้อยมาครับแต่ว่าก็มีก็มีความสุขดีครับคือเหมือนจะ เ, เป็นสตาฟ์รถบัสของวัดพระบาทอภูวะครับพาคนไปประมาณ หลายร้อยอยู่ครับแต่ก็เพราะเรายังยังไปทําแบงค์ร้อยไม่ได้แลครับแบงค์ไปไปทําแบงค์พันไม่ได้ก็แบงค์ร้อยไปก่อนครับเพราะแบงค์พันมันยากกว่าอาจะได้เหงื่อแตกเลยลินท่อยเลยกลับมาก็เหนื่อยหมดแรงเหมือนกันครับแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็เลยจะมาเหมือนหลายๆลาท่านมาชะใช้กรรมครับเพราะว่าต้องปฏิบัติเพิ่มครับกลับมาแล้วก็เหนื่อยแต่ก็ คุ้มครับเพราะว่าเหมือนของนาถาก็ได้สี่สิบกว่าล้านนะครับที่ไปกระถิ่นครับแล้วก็หลวงพ่อลงกดก็จะไปทําโรงเรียนนาถาครับบอกผมก็จ <laughs> <c oughs> นไปครับก็เลยดึกโอเค้วเราก็ต้องแบ่งเวลาว่า <c oughs> เ, เดี๋ยววันนี้ไปทําประโยชน์เสร็จเดี๋ยวเราต้องมาทําประโยชน์ให้ตัวเองด้วยครับอาจารย์ใช่ทําทั้งสองส่วนให้สมบูรณ์ประโยชน์ท่านและประโยชน์เราประโยชน์ท่านและประโยชน์ตน ครับก็จะน้อมทำคำสันของพระอาจารย์ต่อไปครับวันนี้ก็ได้รู้ที่มาของพระอาจารย์ที่หนึ่งหนึ่งสองแล้วครับสิบ <11 S 1> เดือนสิบเอ็ดวันที่สองครับครับขอท่านแข็งแข็งแข็งขอท้าแข็ ง, ขขงพระอาจารย์แข็งแรงครับามาด<ะ>ูครับมาดูครับอคุณในจากศสีรารช า, าการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ เเมื่อกี้ที่ได้ฟังพระอาจารย์สอนแล้วก็แนะนําหลายๆท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องอุเบกขาคือสักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆแล้วก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอันนี้ลูกๆพอเข้าใจแล้วค่ะแต่คราวนี้อีกกรณีหนึ่งนะเจ้าค่ะเวลาเราเกิดเ อ, อในวันตายขึ้นมาใช่ไหมเจ้าค่ะจิตดวงเดิมของเราเนี่ยที่เราอาจจะมีกรรมมีทําอะไรต่างๆเนี่ มันไปเกิดในภพในชาติใหม่ๆอันนี้มันแยกกันยังไงเจ้าค่ะว่าเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องอุเบกขาคือไม่มีตัวเราแต่พอจิตมันจะไปเกิดใหม่มันจะเป็นตัวเราไหมอย่างนี้เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์แนะนําเจ้าค่ะมันก็เป็นตัวเดิมอลยมันจะเป็นเราไม่เราก็อยู่ที่จิตมันรู้ว่ามันเป็นเราหรือไม่เป็นเราเลถ้ามันรู้ไม่เป็นเราเราไม่เป็นเราไปตลอดอย่อันนี้คนสมายก่อนที่เขาตอนต้นคิดว่าโลกมันแปลง อพราะรู้ว่าโลกมันไม่แ บ, บนนะ ม, มันก็มันก็มันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนทัศนคติไปเปลี่ยนทัศนะค ต, ติเป็นความเข้าใจครับค่ะบางทก็มางีนคนชื่อลีนเนี่ยวันดีคืนดีแม่บอกให้มึงไม่ได้ชื่อดีแม่ตั้น <c oughs> ชื่อดําะไงี้ยชื่อใหม่อ่าก็เป็นแค่สมมุติฮะตต้นมัน ข, ขึ้นมาแล้วก็ชื่อขึ้นมาว่าฉันชื่อลีอืมอืมอืมอืมอืมโอเคค่ะ เาจะเข้าใจนะคะเพราะเรารู้ว่าเราเพราะเรารู้ว่าอจิตไม่ใช่เรามันก็มันก็จะรูไ้ไปตลอดอืมการรู้จกักเาาจกการปฏิบัติไม่ใช่รู้จักการคิดนะตอนนี้มันคิดได้แต่พอถึงเวลาปฏิบัติมันปฏิบัติไม่ได้มันคนละเรื่องกันพอกันก็น่าเราก็ <c oughs> เราออกมาแนละ้วเจค่ะเจ้าค่ะพอใครชมเราก็ดีใจจิตน่าเต้นขึ้นไปนะค่ะ <c oughs> มันต้องเหมือนเดิมก่อนก็าด่าเราก่อนก็าชมเราตอนที่เ้าชมเราตอนที่เราด่าเราติดต้องเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงยากเหมือนกันนะเจ้าค่ะต้องฝึกสมาธินะต้องฝึกอุเบกขาเยอะ ถาอยู่เบคารนะอ่าแจะบอกให้มันทำอะไรมันให้มันเฉยมันก็เฉยได้ค่ะคุเบคคานี่ยากเหมือนกันนะเจ้าคะ <laughs> ใช่ง่า <laughs> ยก็มาดูกันหมดนะ <laughs> เบคคาร์นี่มันสุดๆเลยบางทีออชมแล้วก็ยิ้มอันนี้เรื่องจริงพอบ่นหน่อยเราก็รู้สึกเอ๊ะทําไมถึงเป็นอย่างนี้อ ะ, อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะขึ้นมาค่ะจะนําไปปฏิบัตินะคะตัดสาทุค่ะ คุณตนคุณตนนยังทำงานอยู่แล้วโอ้ทำงานแต่ก็ได้ได้อยู่บ้านยังไม่ได้เปิดเสียงเลยเปิดไหมอ่าเปิดนะพูดนะักฌานดดวันนี้มาร่วมฟังธรรมค่ะแล้วก็ข อ, อ, อร่วมมุทิตาจิตกับพระอาจารย์ด้วยนะคะจ่าสาธุจา แงแรงค่ะ yeah. อันนี้<อ>เข้าเวรอยู่แล อ, อ่พอดีพอดีทำทาเคลียร์งานนิดนึงค่ะพระอาจารย์ก็เลยรือากาศฟังทำมกของพระอาจารย์ด้วยค่ะโ <Okay. S 2> อเคก็จะตั้งใจปฏิบัติค่ะแล้วก็วันนี้ปฏิบัติบูชาให้พระอาจารย์ไว้นะเจ้าค่ะโอเคสาธุอาจารย์อมา์ส ก, การเจ้าค่ะอาอาไปที่คุณชายานิด ีนีามมา้ก่านมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างท ำ, ทำได้เจ้าค่ะอาทิตย์นี้ <ทำ S 2> แต่กออ็อดอข้า ว, วได้เจ้าค่ ะ, ะแล้วก็แต่ก็ดูเรื่อยนะเจ้าค่ะเนี่ยจะสั่งพิซซ่าแล้วแต่ก็อดทนอดทนแต่ที่จริงไม่ดีเลยเจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนว่าเราแบบ คิดอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มีความรู้สึกว่าไม่ไม่เหมือนหลอกหลอกไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเขาไม่เป็นไรหลอกในทางที่ดีก็ใช้นะหลอกไม่กินม่เป็นไรหรือก็ทุบหลอกแล้วกิน <laughs> ใชค่ะไม่มีอะไรจ้ะค่ะวันนี้อ้อหน่อยจะขออ่าอย่างหนึ่งจ้ะค่ะหลักพอดี วันเกิดพระอาจารย์แล้วทีนี้พระอาจารย์เจ็ดสิบห้าแล้วเราก็เลยอยากขอหลักการใช้ชีวิตของพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่ธสรมเรียบง่ายมังน้อยสันโดษไงเนหลัการใช้ชีวิตเจ้าค่ะเป็นยากเย็นตรงไหนเลยสองคำนี้เทานั้นสักน้อยเอาน้อยๆกินข้าวมื้อเดียวนอนน้อยๆนอยแค่สี่ห้าชั่วโมงก็พอเจ้าค่ะ เห็น <The end> พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงไงเจ้าคา่ะก็เลยต้องต้องเอาหลักพระอาจารย์มาใช้เดินโยกเย่าๆเดินสบายเดินโยกงเนี้ย จ, ลลจาค่ะเอาออกกำลังกายของบ้าหนยไม่ต้องแล้ว น, นั่งสมาธิก็ร่างกายก็จะแข็งแรงจิตใจก็เข้มแข็งจิตใจก็สงบเงย็นสบายเจะค่ะที่จริงอืม หน่อยเคยออกกําลังกายหนักมากเลยนะเจ้าค่ะเพื่อที่แบบว่ามองว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วจิตใจเราจะแข็งแรงแต่ที่จริงไม่ใช่แล้เ<ช> <นะ S 1> จ้าค่ะพระว่าจะอ้าวสีหรือเก้าวันคิดว่าคว่า <c oughs> จะแข็งแรงทางจิตใจจิตใจก็ยังอ่อนแนอใช่ค่ะก็ตอนแรกก็คิดว่าร่างกายเราก็จะแข็งแรงเหมือนเฮอร์คิวลิสอะไรอย่างนี้แต่ก็สุดท้ายมันก็แรงผู้หญิงนะเจ้าค่ะเราก็ได้แค่แค่นั้น แต่จิตใจมันก็ไม่ได้แข็งแรงขึ้นอืมอย่างที่ยังงานก็ทำเมื่อมีสมาธิ ย, ายิ่งสงบยิ่งมีอะไ้ขามากเท่าไรยิ่งแข็งแรงม า, ากขจ้นค่ะก็เนี่ยค่ะวันนี้ได้เจ็ดข้อเจา้าค่ะสีลเจ็ดก็มีมไม่ได้ตรงที่ว่าไปทาครีมมาเจ้าค่ะาทาครีมยันรักสวยน่า ง, งามอยู่เจา้าค่ะก็เลยไม่ได้เดี๋ยวย ว, วันนี้นอนปูปูผ้านอนพื้นเลยจา้าค่ะวันนี้อเ พยายามไปก่อนเยอก็ได้หมดเองนะค่อยๆทำไปแกไปทีละข้อทีละข้อจาา้าค่ะปฏิบัติปูชานะเจ้าค่ะยาสาวาาาุูตยาจ้าค่ะโมทนาอ่าไอ้ที่คุณคุณตายปณิสาพระเอ่ัทิยาน้องกาบข้าพระอาจารย์วันนี้ <ยา S 2> ข อ, อถวายมุติตาพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์มีธาตุฐนแข็งแรงนะคะ ขอได้ก็ดีนะจะพูดแต่เช้าแล้วเห็นพ่อาจารย์ที่แล้วตื่นเต้นพูดไม่ออใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรครับพ่อาจารยัเขาปฏิบัติไปนะยามรักษาค่ะก็พยายามมีศีลนะคะศีลแปดทุกวันพักนะใช่ค่ะโอเคศีลของพ่อาจารย์คุ้งคลองหนุกค่ะศีลหน้าทุกวันนะใครมาชวนหน้าก็ไม่ดื่มนะ ค่ะก็มีศีลห้าพายามค่ะก็ไม่ค่อยผิดอะไรมากนะคะพ่อจย์นอกจากว่าเสียงจะดังแค่นั้นเองเวลาลูกน้องแค่นั้นเองค่ะพ่อจันก็จะหลุดมีโทสะนิดหน่อยก็แต่เบาลงเยอะเลยค่ะว่าอจันจากที่เป็นนางยากนี่เดี๋ยวนี้ก็เรามเป็นนางฟ้าแล้วนะเรเป็นลางฟ้าก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วค่ะไม่ค่อยวินเหวียงแล้วค่ะ กล่าวค่ว่าคุณมากค่ะอา จ, จารย์ดีใจที่ทุกคนมีการพัฒนาหลังจากที่ได้มาศึกษาในห้องนี้ใช่ค่ะอาจารย์หนูขอบคุณคทำให้คนสอน<อ>มีกำลังใจนะทำให้เทรนเนอร์มีกำลังใจนะแต่จริงๆนะคะอาจารย์เพราะว่าพอหนูจะทำอะไรสักอย่างที่มันผิดศีลผิดธรรมรู้ว่าผิดหนูก็จะ นึกถึงครูบาอาจารย์ที่หนูเป็นลูกศิษย์อยู่หนูก็จะบอกไม่นะเราเก้าวมาตั้งไกลแล้วเราทำไมต้องถอยลงไปอีกรามริเฮริความอายนะคะมีเฮริโอตาปะความอายความกลัวกลัวบางแต่พระอาจารย์คะพวกนี้มันขึ้นมาเองเหรอคะพระอาจารย์เพราะว่าหนูไม่ได้ฝืนตัวเองไม่ไม่ได้อะไรมันก็จะ ลดไปเองแล้วก็ถอยพวกนี้มันก็ถอยถอยถอยไปเองอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็อยู่ที่เราได้ฟังได้ยินแล้วเราอยู่ในกลุ่มคนที่ปฏิบัติเหมือนกันมันก็เลยทําให้เราออยากจะเป็นเหมือนกันทําเหมือนกันค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์โอเคนะนี้ค่ะค่ะต่างซนจีบจีบยังไงอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้ามานี่นะ กลับแม่สกราร<ป>พระไปขึ้นศาลเนะี่ยที่เล่าไปขึ้นศาลนะใช่เจ้าค่ะใช่พระอาจารยไ์ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนได้ยินค่ะพระอาจารย์กับถวายมุทิตาจิตให้พระอาจารย์มีธาตขันแข็งแรงนะคะาสาุอาพระาจารย์อุเท่าเขาเลีกพรรษาใช่ไหมเท่ากับ เ, เท่าพ่อโยมพ่อโยมอ่อนกว่าพระอาจารย์ปีสองปีเลเจดสิสามเลย อ, อ 71, คุณพ่อเจ็ด <74. S 1> สิบหนึ่งเก้าสี่องปีสอสี่เจ็ดสองพั น, 47, นสี่เจ็ดอ๋อค่ะสองปีค่ะพระอาจาอาทิตย์ที่แล้วยมไปขึ้นศาลมาก็นั่งนิ่งๆเกินถึงพระอาจานะคะยอมหยุดเย็นยอหยุดเย็นแต่เขาไม่ให้ยมขึ้นไม่พูดอะไรเลยยมก็กนั่งนิ่งๆฟังทั้งวันเลยก็ก็ดีค่ะพระอาจามันก็มันก็สงบดีอะค่ะก็ พรของพระอาจารย์ก็ทําให้ประสาทให้ประสาทพรให้โยมมันอาทิตย์ที่แล้วก็สำลีผลตามของพระคุณนะเจ้าค่าะอาจารย์ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็ใจมันก็สงบขึ้นนะคะตอนชนะคดีก็ไม่ได้ดีใจจริงๆนะคะมันก็นั่งเฉยๆพอ ร, รู้สึก mm hmm. ว่าเออมันเป็นธรรมดาของมันเนาะ mm hmm. เดี๋ยวมันมันก็มีอีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ถ้าเกิดจิตใจคนเขาไม่หยุดเราก็ทําอะไรไม่ได้มัน คือวันนี้โยมก็มีเอาวันนี้เพื่อโรงงานก็มาบอกเออเราทํางานพลาดโยมก็ไม่ได้โกรธคือทําแทนเขาค่ะแต่เราไม่เคยทำํำพอเราทําแทนเขาเราไม่เคยทํามันก็มันก็ลืมลืมส่งให้อีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> พอเขาพอเขาไม่ได้บอกก็เลยแบบเออพอเขามาบอกหรอกเขาก็มางุดเหงยดใส่โยมก็เฉยเฉย อ, อ, อุเบกขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่อคนหน้านี้บอกว่าเออ คำส อ, องค่ะว่าอาจารย์อยู่ในห้องนี้มันได้ผลจริงๆนะคะก็คือคําว่ายอมหยุดยินของพระอาจารย์จะอยู่ในใจโยมไปตลอดเลยอะคะ่ะแต่บางอย่างมันก็ได้บางอย่างมันก็ไม่ได้ก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆอะคะอ่ะพระอาจารย์ถ้าอยากจะเย็นก็ต้องยอมถ้าไม่ยอมก็ร้อน ใช่ทำยมก็ร้อนแต่พอยอมบางทีมันก็ไม่หยุดเนี่ยเขาก็ไม่หยุดเราก็ไม่อยุดพยมไม่หยุ ด, เ, ยดเลย เ, ออ เ, ออเราไม่เราไม่ได้ไปหยุดเขาเราหยุดเราเขาจะหยุดไม่หยุดเป็นไม่ใช่เรื่องของเราขอให้เราหยุดก็พอค่ะค่ะตอนนี้ยมก็ก็เลยแบบถือศีลมายามแบบปฏิญาณสอนนะคะทานศีลสมาธิภาวนาก็สติอย่าให้ขาดอะไรเงี้ยค่ะออค่ะโอเคทําต่อไปค่ะ ค่ะพระอาจารย์รักษาทักขันนะคะข อ, อพระอาจารย์ใจถึ ง, 100ถงถร้อยทีอเอาเข้ามาแล้วนะค ะ, ะพระอาจารย์หวังว่าโยมจะได้มีโอกาสมาถวายมุทิตาจิตพระอาจารย์ถึงร้อยร้อยพรรษาค่ะโอ้ยอย่าไปพิจารณนอนนะไร เ, เ อ, อวาวันต่อวนันไปเราจะไปได้วยกันไงคะเราจะเดินไปด้วยกันโยมเกาะเกาะชายพระเหลืองพระอาจารย์ไปไปเมรุน่ะ ไปก็ไปพระจานทร์ไปไหนผมไปด้วยโอเคก็ไปในด้วยกันทุกคนจ้ะก้าก็ขอบคุณค่ะสานรนมัสการก้าครับคุณธนภนคุณป่าก้าสกานครับแล้วก็กราบแฮปปี้โนเวอร์เดย์ด้วยนะครับ thank you thank you นะมีกันครับ มีอันเหนือครับอาจารย์คือปัจจุบันเนี้แบบว่าบาทีอะไรที่มันกระทบมาในระหว่างวันเนี่ยพอมันผ่านไปแล้วแล้วเหมือนกับว่าเราทิ้งมันไปเลยโดยมันโดยไม่นี่มันไม่ย้อนกลับมาได้ว่าก็เลยไม่แน่ใจป้าเอ๊ะจริงๆริงเลยมันก็สติเนีไยสติเราอยู่ปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นมันก็มันก็ไม่ไปคิดถึงอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตครับเหมือนเหมือนกับมันผ่านผ่านแล้วก็ผ่านทิ้งไปเลยวางเลย เหมือนดังเนียมันเทมที่มันไหลมาแล้วก็มันก็หมดมันก็ไปแล้วเราอย่าไปรีวมันไปมันไปครับอก็ก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงจริงมันเป็นปความก้าวหน้าหรือว่าใช่ก้าวหน้าเพราะจิตเราแล้วอยู่ในปัจจุบันนะครับหยุดหยุดที่จะไปอดีตอยู่ที่จะไปอนาคตเมื่อก่อนนี้ก็ด่าแล้วตั้งแต่เช้าเย็นที่ยังนั่งยังนั่งคิดถึงมันน้ำกอดมันอยู่ไม่มีสติใช่ไหมใครับ ไอ้ไอ้คนนอกเนี่ยวางวางง่ายนะครับกดนะค้างๆคนข้างๆเนี่ยวางยากนะใชแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยรู้สึกแล้วครับก็คืออก็ก็อะไรนะครับยอมหยุดเย็นครับพีอาจารย์แต่ว่าเวลาเวลาที่เรามีภาษามากระทบอะค่ะมันเหมือนกับว่าเหมือนเราสติเราตามทันแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นเป็นเป็นก้อนทุกข์เราก็เห็นว่ามันก็มีเกิดมีดับอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ พอเห็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเรารู้ทันความทุกข์มันก็เลยความทุกข์มันน้อยลงมันมีความความรู้สึกว่ามันมีความสุขขึ้นน่ะพระอาจารย์มันเย็นขึ้นพ็เราไม่ไปอยากเขามือนเมื่อก่อนเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราอยากมากมันมันมันมันเป็นไปของมันเองมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะแล้วก็เวลาที่คุยกับใครก็แล้วแต่เมื่อก่อนเราจะเหมือนกับว่า เอาคอยตามอารมณ์ที่มาค่ะแต่ตอนนี้เหมือนเราฟังไปเรื่อยๆค่ะเรารู้เฉยๆฟังไปเฉยๆไม่ไปไม่ไปอินกับเขาแล้วไม่ไปอินกับมันนะค่ะนัะ่นเวลาเวลาที่ลูกหรือลูกน้องมาคุยด้วยเนี่ยเราจะไม่ได้มีความรู้สึกโกรธแล้วค่ะพระอาจารย์เชิญมาอุเบกามีมากขึ้นค่ะยิ่งมากยิ่งใครจะมาเล่าอะไรเฉยๆไปเอาไปอินน้อยลงค่ ะ, ะค่ะแต่ว่าบางทีก็ยังมีเหมือนกับว่า เอาจะลูกน้องหรืออับริวารอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ยังมีความไม่เท่าเทียมกันน่ะค่ะไม่ถูกว่าทาสมมติมันทางสมมติมันก็ไม่เท่าเทียมกันหรอกเพราะคนเรามันมีความรู้ความสามารถมันไม่เท่าเทียมกันแต่ถ้าพูดทางทางปรมาทางที่ไม่ใช่สมมติมันร่างกายกระจายมันเหมือนกันทุกคนนะ น่างกายกมาจากดินน้ำลมไฟใจก็เป็นทุเรศรู้ทุกข์คิดเหมือนกันทุกคนเหมือนเหมือนปลาเป็นคนไม่ค่อยยุติธรรมอะค่ะอาจารย์ก็เลยมานั่งมองใจตัวเองว่าเป็นเพราะเรายังยึดในความว่าเออคนเนี้ยเรามีความเอนดูมากกว่าอีกคนหนึ่งอะค่ะไม่ได้ดูตามเนื้อความแต่ดูว่าเออคนเนี้ยเราเอนดูอะไรเงี้ยถ้ดูตามอารมณ์ถือว่าเป็นอคติรักชาตยังยังมีอคติอยู่ใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ถ้า ม, มีความ อามินดูเพราะว่าด้วยเหตุด้วยผลถ้าคนนีดีนะคนนี้ทางานได้ประโยชน์มากกับคนนี้อามินดูคนนี้มากกับคนนี้นย่างี้ถือว่าเป็นเรื่องของเหตุผลอืมค่ะค่ะบางทีก็ยังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าแบบกับคนนี้เหมือนเคยทคําบุญด้วยกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็เลยอันนี้เมตตาไหวกันเดิ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวอาจารย์ก็เป็นไปได้นอะจะเคยเป็นแบบเป็นทีมกันมาก่อนอืมค่ะ ่เข้ากันได้นั่นอีกคนนึงมันเข้ากันไม่ได้มันก็อะไรแตจริงๆเราจะรู้เองนะครับว่าว่ามันเกิดจากอะไรเกิดว่ามันมันมีความบุญสัมพันธ์หรือว่ามันเกิดจากว่าไอความรู้สึกที่ชอบรักทังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันมันมันเราจะรู้แหละฮะว่ามันเป็นยังไงก็ปกติเราจะมีสามอย่างรักชังนึกเฉยๆกับสิ่งที่เราพบเห็น บางสิ่งเราเจอปั๊บรักเลยบางสิ่งเราเห็นปั๊บชังเลยนั่นก็เพราะอดีตเราเคยรักเคยชังแบบนี้มาก่อนครับพระอาจารย์แล้วถ้าเ่อท่านเราปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจนความรู้สึกความรู้สึกทางด้านอารมณ์เราลดลงอ่ะเราจะหมดมันก็จะเฉยๆมันก็จะเฉยๆไปอืความอยุที่ทำมันจะลดลงใช้อคติมันก็จะหมดไปถ้าเราอยู่เบาก็ค่ะ เราก็ใช้ใช้หลักเหตุผลเป็นตัววดัดความความยุติธรรมค่ะเพราะตอนนี้ยังเห็นเห็นใจตัวเองว่ายังยังไม่นิ่งอาา่ะค่ะพระอาจารย์ยังยังมียังมีอารมณ์ว่ า, าชอบคนนี้มากกว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยให้ความพิเศษอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ใช่ก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็ฝึกปัญญาด้วยว่าถ้าเราจะมองคนเราต้องมองสอง สองสองสองคติคติทางสมมุติคติทางทางวิมุตต์ทางคือ <c oughs> ถ้ามองสมมุติแล้วก็มันก็มีสูง ม, มีต่ำมีดีมีชั่วถ้า ม, มองทางวิมุตต์ทางที่ไม่มีสมมุติที่มันกาจะไม่มีมันก็มีแค่กายกับใจนั่นเองค่ะแล้วแต่เราจะมองมองในแง่ไหน เจ้าค่ะอาจารย์ชยาอยากจะไม่ให้มีอคติก็ต้องฝึกสติให้มากๆยั่งสมาธิมีเบรคขามากๆแล้วอคติมันก็จะน้อยลงไปซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็มันมันดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานะคะอาจารย์แต่พอมมองเห็นตัวเองแล้วเนี่ยตรงนี้แปลว่ามันมันละเอียดอะคะ่ะความอาคติอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเป็น ทั้งที่เราพยายามที่จะไม่ตัดสินใครนะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาแล้วแต่เราพยายามจะไม่เอาอารมณ์ในการตัดสินนะคะแต่ว่าเวลาเราตัดสินว่าคนนี้ดีไม่ดีเงี้ยมันเหมือนมันเป็นไปโดยอัตโนมัติมหะพระอาจารย์อืมใช่มันนฟังเล่นไหมรับชังกลัวหลงเนี่นันเป็นของที่ฟังเล่นอยู่ในใจเราค่ะแล้วบางครั้งเราก็ตัดสินเขาด้วยแค่เขาพูดไม่กี่ประโยคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ใช้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใช่ นีก็ะจะตัดสินคนคนค น, คนมีสุภาษิตในเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะา<ะ>ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนใช้เวลเขาไปนานเวลาเราที่ไปตัดสินเขาด้วยอารมณ์เราเนี้ยจริงๆแล้วตรงเนี้ยก็เท่ากับว่าเราเราใช้สังขารปรุงแต่งใช่ไหมคะใช่ใช้ใช้อารมณ์ใช้สัญญ า, า, าใช้อาใช้หคติค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมาเนี่ยเรามีปัญญาอบรมจิตเนี่ย พอเรารู้ตัวว่าเราไปปรุงแต่งเราไปไปไปตัดสินเขาเด้ยวยความรู้สึกเนี่ยเราต้องหยุดใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เราต้องใช้ปัญญาคนเราจะจะรู้ว่าเขาดีไม่ดีก็ต้องรอ ด, ดูใช้เวลาแล้วดูข้อสอบที่เขาต้องทอําเวลาเขาเจอข้อสอบแล้ว เ, เขาจะทําได้หรือเปล่าเขาจะซื่อสัตย์สดชื่นหรือเปล่าทั้งวันเราอาจจะล่อเขาให้แก้งว้ไว้ใจเขากับเงินทองสักก้อนอย่างเงี้ย เม่ใช่ปะเขาจะออกไปหรือเปล่าถ้าอยากจะลองใจคนมันก็ต้องมีของขนอนหรือหรือแกล้งขัดใจเขาดูที่ว่าดูเก็จะโกรธเราหรือเลัล <c oughs> อืมค่ะวันนี้เขาีอันุญายัางวุ่นอย่างนี้แล้วพอเราแกล้งขัดใจนักเทนดูที่ยังจะดีอยู่หรือเปล่า <c oughs> อืมค่ะ พี <spr> wow, ่แต่การเอาของรอดนี่มันมันมันก็เป็นมันเป็นเจตนาก็มีก็มีบางทีบางบริษัทเขาจะจ้างคนมาก็จะไว้ใจไดยแล้วแบให้เขามาดูได้เงินทองบริษัทนี้ก็ก็เลยต้องยอมยอมเอาเหยื่อไปล่อดูะยอมครับเอาฟังกันไปเอาเงินไปเข้าธนาคารถ้าห้ามอื่นดูที่ดูมันหายไปหรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่า ไปมีขายไปแล้วขายไปแล้วจบเอาไปยังไงก็อย่างนั้นจะไปเสียเงินแสงเงินนานใช่ค่ะอย่างนี้ก็เราก็ไม่มีอะไรเนาะก็ก็เป็นท่านอื่นบ้างโอเคนะครับคุณรับคนกิตติกาเลยคนกิติกาใช่ไหมเจนอยู่ที่ไหนอยู่นครศรีธรรมราชค่ะ ครั้งแรกหรือเปล่าเคยเข้ามาหลายครั้งค่ะไปห่างไปหลายเดือนนะคะเนื่องจากว่ามีภารกิจเพิ่มมาค่ะใช่จังก็เลยไม่ค่อย ไ, ได้ว่างเข้าศูนย์เท่าไหร่อ่ะ ค, ะค่ะที น, นี้ก็วันนี้ก็ไม่รู้นึกยังไงขึ้นมาอยากเข้าซูมขึ้นมาค่ะแล้วก็ก็กราบนาสการและแสดงมุทิทาจิตกับอาจารย์ด้วยนะคะ Happy Mother's Day สาธุพระอาจแล้วก็ มีคำถามหน่อยเนืงนะคะอค่ะหนูเองรู้สึกว่าเป็นคนขา ด, ดวินัยอะคะ่ะก็คือมีก็ปฏิ บ, บัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างหรืออย่างอื่นอย่างเช่นอย่างตอนนี้แบบกําลังสมมติว่าอัพสกิลภาษาอังกฤษเนี่ยทําบ้างไม่ทําบ้างเนี้ยคะ่ะหรือว่าการควบคุมน้ําหนักเนี่ยทําได้บ้างไม่ทําได้บ้างเนี้ยทีเนี้ยก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ว่ายัางยังเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงอ่ะคะ่ะทีนี้หนูเองก็ไม่รู้ว่า เอวินัยเนี่ยมันจะทํายังไงให้มันเป็นความเพียรที่สม่ําเสมอค่ะบางทีมันก็ชอบหลุดอยู่เป็นประจํำเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าจะแก้เริ่มจะแก้ตรงไหนก่อนดีก็ อ, อยู่ที่สิ่งเป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่ามันยากหรือ ง, ง่ายถ้ามันยากเกินไปไมันกล้าจะทําไม่ได้ก็ลดเป้าหมายมันให้มันง่ายลงมาก่อนเอวิไนกับของที่มันง่ายก่อนแล้วค่อยเพิ่มไปกับของที่มันยากขึ้นไปตามลำดับ ทำง่ายๆก่อนแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอนะคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องบังคับใจเราคิดว่าเหมันก็เวลาเรากินข้าวอย่างเวลาเราก็ต้องกินเพราะรู้ว่าถ้าไม่กินนเดี๋ยวมันจะหิวอันนี้ก็เหมือนกันความดีต่างๆถ้าเราไม่ทำต่อไปมันก็จะไม่มีความดีเราก็จะมีแต่ความไม่ดีในตัวเรา มันก็มีแต่เรื่องทุกข์ร้อนให้กับเราแต่ถ้าทําทำความดีไปเดี๋ยวความความทุกข์ร้อนมันจะหายไปความเย็นความสบายก็จะมีมากขึ้นไปต้องมาคิดถึงผลที่เกิดจากการกระทําของเราด้วยมันถึงจะมีกําลังใจคิดคิดถึงโทษจากการที่เราไม่ทําคิดถึงบุญคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นผลดีที่จะเกิดขึ้นกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นถ้าเราทําหรือไม่ทํา ใช้การชัางลำดับแบบนี้ใช้เหตุผล <A point. S 2> ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะบางทีเวลาที่ตัวเองเครียดอะค่ะก็จะรู้สึกว่าแน่นแบบมีลมอัดอยู่ในร่างกายเยอะค่ะที่พยายามคิดว่ตัวเองไม่เครียดแต่พอพอเวลานั่งปฏิบัติธรรมจรู้เลยว่าอ๋อนั่นคือความเครียดอะค่ะก็ไม่รู้ว่า มันเกิดจากอะไรแล้วแล้วจะต้องแบบทำยังไงด้วยความอยากของเราอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้ในนั้นเป็นนี้พอไม่เป็นก็เครียดขึ้นม า, าต้องต้องลดละความอยากให้ใช้คำ ว, ว่าสันโดษแทนยินดีตามมีตามเกิดอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นได้ทั้งนั้นอย่าไปจูจจจจ้จี้จุกจิกการจู้จี้จุกจิกมันจะทําให้เราเครียด อ่ะเข้าใจ ไ, ไ, ไมอันนี้ฝนจะตกก็ได้แดดจะออกก็ได้น้ําจะท่วมก็ได้มันก็จะไม่เครียดแตถ้าไปอยากว่าไม่อยากให้น้นําท่วมพอดีครมอุตุเวะจะมีพายุเข้าอย่าเงี่ยมันก็เครียดขึ้นมาค่ะแล้วแล้วก็อีกอันเนี้ค่ะคือภาวะที่ว่าไม่ซุกอ่อไม่ไม่ทุกข์ไม่สุกอ่ะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉยเฉอยอะ มันเป็นมันเป็นยังไงนะคะคือภาวะของจิตนี่มันเป็น <c oughs> เป็นต่างกับภาวะทางทางสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางร่างกายร่างกายมันมีสุขไม่ทุกข <c oughs> ์มีมีสุขเวลากินข้าวอิ่มก็สุขเวลาหิวข้าวมาทุกเวลาที่ไม่หิวไม่อิ่มก็ไม่สุขไม่ทุกข์ใช่ไหมอ่ะ <c oughs> แล้วไงล่ะ มคือคำว่าไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือไม่ใช่คำว่าเฉยเฉยใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันจะไปเฉยเฉยได้ยังไงมันก็แปลว่าไม่สุขไม่ทุกข์คำว่าเฉยเฉยก็คือกายด่าเราก็เฉยกายชมเราก็เฉยอย่างนั้นก็จยังไม่เหมือนกันแต่บางคนเข้าไปใช้คําแปลว่าคําเดียวกันคําว่าเฉยเฉยว่ามันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่ ไม่ใช่กคือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจนั้นค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงค่ะอาจารย์ก็เวลาเวลาเวลาใครเขาด่าเราก็เฉยอราไม่ทุกไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับการด่าของเขาเวลาเขาชมเราก็ไม่สุบของคำชมของเขาเราก็เฉยเฉย่างนไหมนะ แส่ควใส่ความรู้สึกของร่างกายนี่มันมีเวลาหิวข้าวก็ทุกใช่ไหมเวลาอิ่มก็สุกเวลาไม่หิวไม่ไม่อิ่มก็ใช้ก็ไม่สุกไม่ทุกอโอเคนะอ ะ, อะไรไปที่ด้านต่อไปขอบคุณค่ะโอเคคุณทรนด์ทอนเชิญ ภากพากรรมวัชการพระอาจารย์แล้วค่ะอันนี้ยมก็ต้องเข้ามาข อ, อน้องบุติจารย์จิตขอให้พระอาจารย์เป็นหมื่นหมื่นปีค่ะเอาเลยขอได้ก็ดี <c oughs> วันนี้ยมตั้งใจฟังธรรมนะคะพระอาจารย์วันนี้ยมจดจดแผนภูมิการใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเท่าที่ฟังธรรมแล้วก็ได้ใช้ธรรมะ ข, ของพระอาจารย์มาเป็นหลักใจในการ ปฏิบัติธรรมมาตลอดเหมือนมันมีความคิดว่าเอออันนี้ต้องทำอย่างนี้ทำนี้ทาอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้เราไปถึงตรงนี้ตรงนี้แต่บแผนค่ะโยมคิดว่ามันอยู่ในใจแล้วมันไม่ออกมาให้เป็นแผนภาพเราจะไม่สามารถก้าวไปได้อย่างมั่นคงก็เลยต้องการสร้างแผนที่การใช้ดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโยมก็เลยจดขึ้นมาว่าต้องทาอะไรบ้างเป็นแผนระยะยาว เป็นแผนระยะสั้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราทําได้นี่มันจะต้องมันจะต้องดีมากๆแล้วก็จะเอาภาพของพระอาจารย์มาติดเอาไว้เพื่อที่จะเป็นเอแรงบันดาลใจแล้วก็เตือนใจให้โยมคอยปฏิบัติไม่ขี้เกียจนะค่ะพระอาจารย์อืมเป้ามายขลงเราคือเราต้องออกจากทางโลกให้ได้เ ข, ข, ข้าสู่ทางธรรมได้ด้เป้าหมายแน่ที่ใี้ก็าง<ะ>แผนอาจารย์ช้าแล้วเร็วเท่าไหร่ก็ว่าไป สมเดือนหเดือนปีหนึ่งสองปีห้า ป, สปีสิบปีก็วางไปที่ไปใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็สินด้วยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าสิลห้ามันไม่พอคราวนี้สินเรื่องที่ว่าโยมยังติดเรื่องอย่างเรื่องการรับประทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะโยมก็พยายามทานให้น้อยลงน้อยลงแล้วมันก็จะกลายเป็นความเคยชินค่อยๆค่อรักษาไปทีละทีละอาทิตย์ละวันกันก็ได้มันรักษาสิบแปดอาทิตย์ละครั้ วันหยุดวันวันที่เราไม่ต้องทํางานอ่ะมันจะสะดวกที่สุดแต่ของแบบนี้เนี่ยพอวันหนึ่งวันหนึ่งที่ใจเรารู้สึกว่าเราใจเรากล้าพอเข้มแข็งพอเนี่ยมันจะหยุดเองได้ของมันเองใช่ไหมคะอาจารย์มันก็ต้องทําอ่ะมันมันต้องทําอย่ารู้ได้กนไม่ได้เราทำดูเลยทำอยู่เขาคะอาจารย์ก็ค่อยๆทําอยู่ก็เหมือนวันไหนไม่กินก็ไม่กินนะคะแต่ว่าถ้าวันยังคงหิวอยู่ก็ยัง ยังกินอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ตั้งใจสมัคการ ส, สินแปดเต็มที่แต่ว่าพื่อต้องการทดสอบตัวเองก็เราเต็มที่สักวันหนึ่งวันนี้จะเราสินแปดเต็มเต็มที่กัดไปเต็มรูปแบบไปก็มไม่ตายอหอกวันไหนเขาอดข้าวมันมากันเยอะๆเขากินมือเดียวมัยังไม่ตายเราถือสินแปดเรายังกินสองมือได้สามมือก็ได้เพียงแต่ยังไม่ให้กินหลังเที่ยงนะ ค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวจะลองดูคะ่ะไม่น่าไม่น่าจะยากโยมคิดว่าโยมทําได้อะคะอ่ะเพราะว่าเรื่องอย่างเรื่องอย่างเรื่องนอนที่นอนสูงอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีปัญหาที่ออไอ้ที่โยมห่วงเนี้ยก็คือดูหนังดูละครฟังเพลงเนี่แหละคะ่ะแต่เมื่อกี้เสียงเยอะเสียงดังงจริอยู่อะพระอาจารย์คะคือเหมือนกับว่าพอใจเราใจเราอ่ะต้องการที่จะปฏิบัติธรรมแต่เหมือนกับกิเลสมันพาไปว่าเออดูอีกสักนิดนึงดูอีกสักนิดนึงแล้วเวลาเรา นั่งสมาธิมันแล้วต้องตัดใจเหมือนเวลาน้่งเปิดเขรื่องเลพอเหมือเวลาต้อตัดใจเลยค่ะพอพอนั่งสมาธิแล้วมันมีอาการแบบร้อนอะไรอย่างนี้ยค่ะปวดหัวอันนี้มันเป็นเพราะว่าจิตเโยมกับกับความต้องการของโยมมันสู้กันบ้างค่าพระอาจาย์ใช่กิเลสกรรมธรรมมันสู้กันเนี่ยมันเลยทำให้เป็นเครียดขึ้นมาในใจแล้วมันก็ไปแผ่ไปที่ร่างกายทําให้ร่างกายเหงื่อแตกขึ้นมาใช่ค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยรู้สึกว่าอู๋ก่อนหน้านี้นั่งสมาธิเฉย สบายสบายไม่มีปัญหาไม่ฝันอะไรม่ฟุงงซ่านแต่พอแต่พอมีไปแอบไปฟังเพลงอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรานั่งสมาธิแทนที่จะพุโทโธพุโทโธมันก็ขึ้นมาเป็นเพลประกอบมากอ่อนแทนใช่แลก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องมันต้องหยุดละถ้าไม่หยุดแล้วนี่มันฟุ้งแล้วมันมีผลต่อการปฏิบัติแล้วมันทําให้เราหงุดหงิดข้างในลึกๆมันหงุดห<ร>งิดค่ะกําลังมันใหงก็พยายามใช้พุโทโธพุโทโธ น, น, น่าหนักไป พระอาจารย์ค่ะค่ะวันน okay. ี้ยงก็ไม่มีอะไรค่ะก็มากับนมัสการพระอาจารย์แล้วก็มาฟังธรรมนะคะขอเจริญพรหมทูนาโอเคคุณทวิษาสวิตเซอร์แลนด์ค่ะกับนมัสการและร่วมอ่าแสดงอุฒิการจิตพระอาจารย์ในวันนี้ด้วยค่ะสาธค่ะ ขอท้าทายแข็งแรงครับอาจารย์ยมก็ขอร่วมรับฟังทำข่าววันนี้ไม่มีคําถามค่ะอาจารย์มันไม่มีอะไรนะโอเคค่ะไม่มีค่ะอาจารย์ก็พยายามตอบต่อไปทุกวันพิยีวันหยุดวันพักของเรานะค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ตั้งใจว่าจะให้เข้มข้นเพื่อถวายเป็นปฏิบัติบูชาให้ท่านอาจารย์ด้วยค่ะโอเค การบูชา hmm. ที่ดีที่สุดค hmm. okay. so e> ือการปฏิบัติบูชาแล้วนะค่ะอาจารย์ไปากึ้นาษาเถื่อภาษาเถื่อแต่ทุกค่ะคุณปนามเช่คุณปนามอยู่เซเลมอเมริกันในวันที่มาจากอเมริกาหลายคนคุณอาจารย์เจ้าค่ะลูกเข้ามาร่วมแสดงมุทิตาจิตแล้วก็วันนี้ก okay. ็เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกด้วยเจ้าค่ะโอเควันเดียวกันเลยนะ อ่าอายุสี่สิบแปดเจ้ากับพั น, น, นต า, ตาของพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะส่สิบแปดจ้าอันนี้ลูกมีความตัง<อ>้งใจมากตั้งนาฬิกาปูกเอาไว้ก็จะตื่นมาฟังธรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่อาใช่เพตอนนี้ดึกทุ่มแล้วตอนนี้ตอนนี้นนเดี๋ยวหนู ด, ดูเวลาก่อนพระอาจารย์ออตอนนี้อ่าสองสองมงเช้าค่ะพระอาจารย์ค่ะห่างกัน อ่าสิบสี่สิบห้าชั่วโมงค่ะอาทิตย์หน้าก็เปลี่ยนเวลาเปลี่ยจนจากไปการดักธรรมค่ะตอนนี้หนูก็ลดตารางทำงานลงสองวันก็เพื่อที่จะเอาเวลามาปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะว่าเวลาหนูทำงานอ่ คืองานหนูมันเป็นงานที่เกี่ยวกับเซอร์วิสอะคะ่ะทำร้านอาหารก็จะกระทบกับผู้คนเยอะแต่ก็ดูจิตตัวเองจะมีบางวันที่แบบว่ า, าเราเป็นคนใช้เขาล้วเราจะได้สบายใช่ไหนเนี้ยใช่ค่ะราเป็นคนร <laughs> ับใช้เรา customer <laughs> is always right เ yeah. นี่ยเมื่อก่อนก็เป็นงานหนูค่ะหนูจะชอบเลือกงานที่ที่คนเขาไม่ค่อยทำกันนั่นคืองานหนูที่เคยทา ตั้งแต่สมัยเริ่มงานอายุสิบสี่ก็ทำมาเรื่อยๆค่ะทำงานที่เกี่ยวกับการงานบ้านทำความสะอาดอะไรพวกเนี้ชอบอยู่กับตัวเองแบบแบบนี้ตอนนี้ก็ต้องต้องขอบคุณโควิดด้วยค่ะที่ทำให้หนูได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมมากขึ้นดูตัวเองมากขึ้นแล้วก็ลดละความ โลกความโกรธความหลงได้มากขึ้นกลับมาเข้าหาทางธรรมมากขึ้นเจ้าค่ะพอาจารย์ก็หลังจากโควิดงานก็เริ่มเยอะขึ้นก็พยายามปฏิเสธเข้าไปแต่ว่าก็พี่เพื่อนๆเขาก็จะต้องการความช่วยเหลือ ก, ก็ช่วยเขาไปพักหนึ่งจนตัวเองรู้สึกสุขภาพแย่ค่ะ ก็เลยต้องบอกความตรงๆแล้วอีกอย่างหนต้องมีพวกซี์นในร่างกายด้วยสุขภาพคือมันไม่ปกติเลยก็บอกเขาตรงๆว่าเออหาคนอื่นได้แล้วเพราะว่าเออเราต้องการลดเพื่อจะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นแต่ก็ไม่ทิ้งนะคะก็ยังก็ยังทำทั้งสองอย่างแล้วก็ปฏิบัติธรรมควบคู่ไป ยังไปดูแลทำความสะอาดวัดอย่างที่เคยทำทุกอาทิตย์อยู่ะค่ะพระอาจารย์โอ <Okay. S 1> เคมีอะไรครับ ม, มีอะรจะถามไหมมีค่ะพระอาจารย์คือบางทีเรียกอะไรคะเวลาที่มีคำพูดของคนมากระทบหนูจะจะจะแบบ จะแบบไม่ค่อยทันนะคะจะสวนกับอย่างไวภายในแบบแต่ไม่นานนะคะแป๊บหนึ่งคือจิตมันจะคิดแป๊บหนึ่งสักประมาณถ้าจับได้ประมาณยี่สิบี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะคะพอหนูกำหนดก็จะจะจะจ ะ, จะไม่ค่อยกลับเข้ามาใน ใ, ใ, ในในในตอนที่กำหนดนะคะ ก็พยายามฝึกสติให้มากมากขึ้นจะทันกับความคิดของเราเจ้าค่ะแล้วก็หลังจากที่สองอาทิตย์ที่แล้วที่เข้าสู่กับพระอาจารย์เป็นครั้งแรกพระอาจารย์บอกว่าให้ใช้ปัญญาก็ช่วยได้เยอะเลยครับพระอาจารย์คือกำหนดตลอดเวลา ไม่ว่าจะตื่นหรือหลับจนฝันนะคะพร อ, อาจารย์ฝันว่าได้ไปกราบพระ อ, อาจารย์กับหลวงตา ม, มหาบัวนั่นนะคะพร อ, อาจารย์มีคำถามท่านนี้นะคะ่ะโอเคฝึกสติไปให้มากๆนะแั้นตอนไหนมันจะทจาเจ้าค่ะ อ, อาจารย์โอเคค่ะพอาย์เคะุคุณไห้ฟนของ ASUS TUF Gaming ได้ยินไหมไอโฟ น, นของ AS US. AS US. แอสเซสแอเเรียกแบบแบบนี้แบบนั่งสมาธิอยู่นะเห็นข้ามไปก่อนนะคุณอาโคนไปที่คุณชนะ ด, ดาัแบบชนะ ด, ดารรมสานเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าวามาเลยได้ยิน วันนี้วันนี้ปฏิบัติบูชาเช่นกันค่ะพระอาจารย์วันนี้สี่แปดค่ะ <Okay. S 2> ค่ะพรุ่งนี้ถวายเป็นผลไม้ค่ะพระอาจารย์ได้นะค่ะค่ะมีคนรอคิวเยอะไหมคะพระอาจารย์แค่ <c ười> อยากคุยนิดหน่อยเหมไม่เป็นไรเราคุยได้มีอะไรก็พูดได้ก็เออเออพูดพูดถึงพอดีว่า เวลาคุยกับพระอาจารย์ลูกก็ตื่นเต้นตลอดเลยค่ะก็เลยแบบลืมจะพูดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ในเวลาที่มันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะม mm hmm. ีอมีครั้งหนึ่งที่ที่ลูกไปวัดวัดหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยไปร่วมงานร่วมร่วมเขาทำบุญแล้วก็สร้างสาราปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นลูกก็ไปอาศัยนั่งสมาธิ ดูเดียวๆประจําอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ไปนั่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกคือ ด, ดีอะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีมากๆกับที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีความเข้าใจว่าเวลาที่เราทําบุญเนี่ยเราเราทําบุญกับสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ยิ่งแบบคนใช้คนได้ใช้มากแล้วก็ใช้ทําในสิ่งที่เป็นกุศลอะไรยิ่งบน มันยิ่งยิ่งดีอะไรเงี้ยนะคะในความเข้าใจที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ทีนี้พอล่าสุดขึ้นไปที่วัดนั้นนะคะอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้ไปหลายปีแล้วอะค่ะ mm hmm. ก็ไปเห็นความโทรมของสาราค่ะพระอาจารย์เป็นความเอ่อเหมือนเขาไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะ่ะแล้วแล้วก็เป็นความที่แบบเป็นความโทรมเป็นความเสื่อมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนวัดนั้นก็กลายเป็น กลายเป็นจุดเช็คอินอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์จํากมื่อก่อนที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมเน้นๆนะคะ เ, เราลูกก็คิดขึ้นมาทันทีว่าแบบเออแล้บุญอยู่ที่ไหนคือสาราไม่ได้ใช้จากที่สมมติว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติธรรมหรืออะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะบุญอยู่ตรงไหนแสดงเ อ, อลูกก็คิดต่อนะคะเ อ, อถ้าถ้าสิ่งของไม่ได้ใช้ทําประโยชน์แล้วบุญ บุญอยู่ตรงไหนหรือว่าบุญอยู่ที่ตอนที่เราเราเราเราตัดสินใจทำแล้วเรามีความสุขในตอนนั้นบุญเกิดในในเวลาแบบนั้นใช่ไหมใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เป็นเชือ่อที่ใ น, นใจเราค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งสมมติการสร้างศาลาการทาบุญการทำอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งสมมติหมดเลย ถ้าสมมติเราข้ามขั้นตอนไปเลยอ่ะไม่ได้ไปเสียเวลาในการที่จะไปทำนู่น s, <S ทำนี่ทำนั intest, ix, well ่นคือตัดตอนเลยทำให้ใจมันเป็นสุขตั้งแต่ไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็เกิดมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งซึ the ่งมันเป็นบุญที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนนะคะพระอาจารย์ถ้าว่าไม่ทำอะไรเลยหมายถึงยังไงถ้าสมมุติว่าไม่ทำเลยแต่แต่ว่าทำให้ใจมันเป็นสุขแล้วก็มันจะมันจะทำให้มันเป็นสุขอะถ้าไม่ทำอะไรเลย นย่าการทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะาจารย์ไดไปข้ามข้ามไปเลยไม่ต้องทําทายก็ได้ไปทําสมาธิอะไรก็ได้ใ<ช>ไปไ<ม>บวชเลยก็แบบไปบวชอ่ยไงไปบวชเขาก็ไม่ทําทายกันแล้วค่ะอนอกจากว่าถ้าถ้าเรายังเออาจจะกลัวว่าเราอาจจะไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วเราก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ การทำทานนัน้นจำเป็นใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ <c oughs> ไม่ได้ทำให้พบหน้าชาหน้ามันไม่ไม่อัตคัดขัดสนไงเพราะมัะนนั่นเป็นเหมือนกับเป็นทําึงนไปฝากไว้ในธนาคารค่ะค่ะแล้วถ้าจะถึงทั้งที่ผ่านมาลูกก็เลยทดลองนะคะทดลองแบบคื อ, อลูกก็ เออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ถวายปัจจัยอะไรมากค่ะ mm hmm. เออ่พระอาจารย์ลูกอะไรตัดสินใจแบบเอาสร้อยข้อมือที่เราเพิ่งซื้อไม่นานแล้วเรารู้สึกชอบอยู่ยังชอบอยู่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถวายถวายไปเลยก็วินทอลรู้สึกว่า ก, ก็ก็รู้สึกดีอ่ะค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าถ้าเราได้ได้ทําอะไรแบบเนี้ยลองทําแบบนี้บ่อยๆก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่ดีอ่ะค่ะดีกว่าการทําเออดีกว่าการถวายโทษ คือการทําบุญที่น่าจริงเพื่อชนะความตันนิความโหยของเรานั้นเองค่ะค่ะค่ะตอนนี้นก็ส่วนประโยชน์ที่คนได้รับเนี่ก็เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนย่อยที่มันทําให้เราเกิดความรู้สึกเบิกบานเวลาเห็นว่างเงินที่เราเสียสละไปได้ทําให้เกิดประโยชน์แต่ตัวประโยชน์แท้จริงก็คือตัวที่ได้เส้อได้สละไอ้สิ่งที่เราลักเราโวงไปเนี่ย คยิ่งของที่เรารักมากเท่าไหร่ผมเท่าไหร่สละไปได้ยิ่งมีความสุขมากขึ้นค่ะมันมันมันเป็นความสนุกไปด้วยเลยค่ะพระอาจารย์มันจะได้เห็นว่าเราชนะกิเลสเราชนะความตเนี่ยชนะความใจแคบของเราคป็ตัวนี้แต่ละคือเป็นคนที่เราต้องการในการทําบุญทําทานค่ะส่วนผู้รับก็จะได้รับประโยชน์มากน้อยก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งก็ดีถ้าทําแล้วมันมีประโยชน์มากมันก็ดีค่ะ เ้าถึงมุ่งไปที่าศาสนาก่อนไงเวลาเราจะทําบุญทําเลยเราต้องคิดถึงาศาสนาก่อนเพราะศาสนานี้จะเป็นผู้ที่สามารถทําประโยชน์ได้มากที่สุดใช่ไหมค่ะดังนั้นเราถึงไปทําบุญที่วัดกันแต่ถ้าวัดพอเพียงแนละ้วเราก็ไปทําประโยชน์ที่ที่จนทําประโยชน์ให้กับคนได้มากเรานลำดับมากืไปโรงพยาบาลกันเนียฮพราะทุกคนต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะ โรงเรียนโรงพยาบาลในเของส่วนรวมไปก่อนอันนี้เป็นเป็นผลรองแต่ผลหลักที่เราต้องการก็คือการชนะความตันหนีความผมในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและล่ความโลภอยากได้เงินทองไปด้วยในเมื่อเราให้อยู่เรื่อล้วจะไปโลภจะเอามาทําไมค่ ะ, คะอือรู้เข้าใจค่ะอาจารย์ค่ะ เออแต่ถ้าเรามีภารกิจที่จะต้องทําก็เป็นเรื่องของภารกิจใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็อยู่ที่ว่ามันจําเป็นต้องทำหรือเปล่าถ้าไม่นั้นไม่จําเป็นก็ตัดมันไปภารกิจที่สําคัญก็คือเนี่ยคันตัธุระวิปัสนาธุระท่านนะที่สําคัญศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่เป็นภารกิจที่จะสำคัญที่สุดภารกิจอย่างอื่นถ้าไม่จําเป็นก็ตัดไปค่ะ อาจารย์คะถ้าเห็นตอนนี้ถ้าลูกมีเวลาเนี่ยหรืออาจจะเป็นช่วงก่อนนอนลูกก็จะแบบใช้ดูเอ่อดูแบบดูจิตคล้ายๆลค้ายคกับว่าอาจจะเป็นเขาเรียกกาหนดให้รู้นะจุดใดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อให้ดูสติตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเวลาที่มันหลุดมันหลุดเราก็เห็นว่าหลุดอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็กลับมาดูสติใหม่อะไรเงี้ยคะ่ะก็รู้สึก รู้สึกสนุกอะค่ะพรอาจารย์แต่ว่าเหมือนก็มันจะเห็นความเคลื่อนไหวอยู่ว่าแบบตอนนี้อยู่แต่ขนาดตั้งใจนะแต่พอถึงเวลาเขาจะไปเขาก็หลุดไปเลยเขาก็ไปเลยอะไรเนี้ยมันก็เก่งอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะค่ะแล้ ว, วสติเรายังไม่ต่อเนื่อง ค, ค่ะค่ะสติยังไม่ต่อเนื่อง<ห>ใช่ค่ะพรอาจารย์<ห>แล้วก็เวลาที่เรารู้สึกไม่สบายในกายอะค่ะตอนนี้ก็เลยเท่าที่ฟังพระอาจารย์สั่งสอนมานะคะ เ mm hmm. ออ่ให้ให้ให้ให้ดูให้ใช้ธรรมะธรรมะโอสถลูกเข้าใจว่าอืมให้ดูเฉยเฉยหรือเปล่านั่นนะคะดูอาการที่เป็นแบบโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยารักษาหรืออะไรแต่ว่าดูอาการที่มันเจ็บมันปวดในร่างกายดูเฉยเฉยหรือเปล่านะคะแต่แต่ว่าเมื่อก่อนนี้เอลูกเคยเคยทําสมาธิเออไม่แน่ใจว่าอยู่ในระดับไหนแต่ว่าสมาธินั้นนะ่ะมันเคยรักษา อาการป่วยของลูกได้พออักออกจากออกจากาไม่แน่ใจว่าสมาบัติหรือเปล่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยคือร่างกายมันหายป่วในในที่มันเคยเป็นแต่พอวันนั้นฟังพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้ดูเฉยๆลูกก็เลยคิดว่ามันก็ดูเฉยๆดูเพื่อให้แบบว่าดูให้มันเป็นยังไงแล้วเราคิดยังไงอะไรอย่างนี้แค่นี้หรือเปล่าใช่ไหมคะพระอาจารย์คืออย่าไปทุกกับมันว่าให้ดูเฉยๆก็คือ เช่นร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปิดตรงนี้ก็ถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็อยู่กับมันไปค่ะแต่ถ้าเรารักษาได้ในวิธีใช้สมาธิของเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอาจารย์ได้ถ้ารักษาได้ก็รักษาไ ป, <อ>ปรักษาไม่ได้ก็ต้องทําใจเฉยๆอยู่กับมันไปอย่าไปทุกร้อนกับมันค่ะอาจารย์ค่ะท้าน้อมกลับพระอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากมค่ะพอาจารย์อสาธุด้ว ถับมาที่คุณไอโฟนเมื่อกี้ไม่ได้ตอบนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ซูรินเจ้าค่ะพอะาจารย์ขอโอกาสร่วมมูทิตาจิตกับพระอาจารย์ด้วยนะคะจ้าสาธุมีอะไรไหมมีอยู่ค่ะพอดีว่ามี ม, มีมีครั้งครั้งหนึ่งมีครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะพอดีว่าหนูหนูมีความทุกข์ในใจมากๆเลยค่ะ แต่ว่าแต่ว่าก่อนก่อนที่จะมีความทุกข์นี้เนี่ยหนูพยายามไปนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็รู้สึกว่าสงบมากแล้วก็รู้สึกดีมากเวลาเราทำนูน่นทำนี่มันก็รู้สึกว่าตัวเองสํารวมขึ้นนะคะมันสํารวมโดยอัตโนมัติเลยทีนี้พอมาเจอเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจไม่สบายใจอะคะ่ะแล้วก็จะพยายามเหมือนกับ อยากจะกลับมาทำให้สงบแล้วก็สามารถที่จะนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมได้มันก็ทำไม่ได้เลยเจ้าค่ะทีนี้ก็ก็รู้สึกแย่มากๆจนฟังธรรมก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกหนูหนูจะทำยังไงดีเจ้าค่ะเราต้อ ง, ต, องต้งสติตอนนี้เราขาดสตินะ อย่าไปตั้งอยู่ที่ความอยากอยากไปอยากให้มันสงบอยากไปอยากให้มันเย็นเหมือนที่เคยเป็นให้กลับมาเริ่มต้นตั้งสติใหม่พุทโธพุทโธไปนุสวดิติปิโสอะไรไปก่อนค่ะทีนี้พอพอเป็นอย่างนั้นนะคะหนูก็เลยคิดว่าแล้วถ้าสมมติว่าหนูไม่สามารถที่จะ พ, พุทธโธพุทโธได้เนี่ยการฟังทำพระอาจารย์แล้วหนูก็นั่งสมาธิหลับตานี่ถือเป็นการเจริญสติไหมคะ จเรจเริญเจริญทั้งสติจเจริญทั้งสมาธิและเจริญทั้งปัญญาด้วยอ๋อค่ะเพราะว่าบางครั้งเหมือนเวลาฟังพุทโธแล้วหนูไม่ตั้งใจเท่าตอนที่หนูฟังทำพระอาจารย์เนี้ยค่ะเวลาหนูเปิดฟังทำพระอาจารย์หนูก็จะนั่งสมาธิแล้วหนูก็จะฟังแล้วหนูก็จะพยายามแบบคิดตามอะไรเงี้ยค่ะเืลยๆอันนี้จะจะทําได้ดีกว่านั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจนะคะได้ทำอย่างนี้ไปก่อนไม่ได้ค่ะแล้ว แล้วหลังจากนั้นนะคะหนูก็พอผ่านผ่านเอพอพอเหมือนกับว่าได้คิดเรื่องของความทุกข์นะคะแล้วก็เอาศินเข้ามาอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยนะเจ้าค่ะความท<อ>ุกข์ตรงนั้นแล้วแล้วแล้วความสุขมันก็มาใช่แล้วได้แล้วได้คําตอบนอะที่เราทุกข์เพราะเราผิดสินแล้วโอกับมันรักษาสินได้มันก็หายทุกข์ทีเนี้ยพอมันสุขมันสุขมากจน จนทํำไมสุขจังในความความรู้สึกว่าไม่เคยสุขเท่านี้เลยอะไรเงี้ยน่ะเจ้าค่ะแล้วหนูหนูกลว่าหนูจะติดความสุขไหมอะไรเงี้ยค่ะอ๋อติดแบบนี้ไม่เป็นไรก็ปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขเนี่ยความสุขทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ได้ิด่ดีไม่เสียหายตรงไหน ม, มีความสุขตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยค่ะเบิกบานมากค่ะเดก็แบบเจ้าสุขไปตลอดเลยค่ะแล้วก็ แล้วหนูมีคำถามเนื่องจากว่าเปิดเทอมแล้วพอดีว่าด้วยความที่เราเปฏิบัติหน้าที่ธรรมาชีเป็นข้าราชการครูใช่ไหมคะเวลาเวลาสอนเวลาในเวลาราชการเนี่ยบุคลิกเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคือจะต้องดุแล้วก็เข้มงวดนะคะหนูอยากรู้ว่าบางครั้งเวลาหนู ใช้ใช้ใช้คำพูดที่ดูเข้มข้นดูดุดันเนีย่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้คำหยาบหรืออะไรนะคะมันมันจะไม่ดีไหมคะหรือว่ายังไงคือถ้ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเข้มงวดกดขันและเราพูดด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้เกิดจากอารมณ์ว่าไม่ไม่เสียหายใช้ไนหะ้คะค่ะใช้ใช้เหตุผลค่ะแ ต, แต่บางครั้ง เ, เหตุผนนลเราไม่มีอารมณ์กับการการพูดของเรา เป็นแต่ว่าเราต้องวางท่าต้องแสดงท่าทีให้คนฟังจะได้มีความยำเกรง อ, อ, อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าทําให้เด็กๆกลัวมากอะไรเงนี้ค่ะหนูจะก็ต้องมีต้องมีต้องมีเหตุมีผลบางช่วก็น้องใช้ไม้อ่อนบ้างเกี่ยวกเล่น<ะ>ีย่ยเขาบ้างคุยเล่นกับเขาบ้าไม่ใช่เตือนไปตลอด24ชั่วโมงมั้ยยังนคะ่ะใช่ค่ะแต่พอน้องต้องมจักผ่อนคลายบ้างเป็นเป็นมุกบ้างให้เด็กเขาไม<ะ>่ได้ไม่เครียดกับเรามากเกินไป ค่ะไม่ไม่ได้ดุตลอดเจ้าคะ่ะพระอาจารย์แต่เพียงคยแค่ว่าพาดตลกกับเขาบ้างพูตลกคุยอะไรก็บเขาบ้างอะไรประมาณให้เขรู้ว่า เ, เราก็เป็นมนุษย์เหมือนเขานะเราก็ค่ะแล้วทีนี้ก็จะมีในเรื่องของเออพอดีว่าหนูหนูที่ก่อนหน้าที่จะมีความทุกข์แล้วหนูมีความสุขมากในการปฏิบัตินะนะคะแล้วหนูกลับมาปฏิบัติอีกเนี่ยมันก็จะมีน่าจะเป็น อยากอยากรู้ว่าเข้าใจถูกไหมเพราะว่าเวลานั่งปฏิบัติไปก็รู้ตัวค่ะรู้ตัวไปเรื่อยๆสักพักเหมือนคนหลับไปเลยอะค่ะแต่ว่าไม่ได้หลับมาค่ะพระอาจารย์แล้วเราไม่ได้แบบถ้าไม่หลับมันก็นิ่งก็เรียกว่าสมาธิไงถ้ารู้สึกตัวตลอดเวลามันก็เรียกว่าจิตสงบแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะเหมือนมันหายไปเลยอ่ะค่ะ ก็คงจะหลับทำเป็นลุ่มเลื่อนอะไรๆแต่นะแต่มันไม่ได้สับพองหงดแสดงว่าหนูก็หลับใช่ไหมคะหลับได้หลับได้เราไม่ต้องสับพองหงดอ๋อค่ะแสดงว่าหนูน่าจะหลั บ, ลบอันนี้คือไม่มีสติใช่ไหมค ะ, ะไม่มีสติปปค่ะอีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะพระอาจารย์พอดีว่าด้วยความที่เ อ, อเรารู้ว่าตรงเนี้มันทําให้เราเป็นทุกข์นะคะแล้วการที่เราไม่ไปเอาเข้ามาแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะทุกจากการพัดภาคอะไรอย่างนี้ยค่ะ แล้วหนูรู้ว่าถ้าสมมุติว่าการพัดภาคจะทําให้หนูเป็นทุกข์เนี่ยหนูไม่ไม่เข้าไปยุ่งนี้ถือเป็นเป็นการละเป็นเป็นสิ่งที่ดีไหมคะก็ดีเพราถ้าเราไปยุ่งใครมีอะไรเดี๋ยวก็ต้อพัดภาคจากกันถ้าไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปยุ่งก็ไม่ต้องเข้าไปแต่ถ้ายังจําเป็นก็เข้าไปได้เข้าไปแบบระมั่นระวังค่ะมีมีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์แล้วขอขออวยพรให้พระอาจารย์ ธาตุขังแข่งธาตุข่งแข็งแรงแล้วก็มีความสงบเรื่อยไปนะคะอ่าสาธุขอขอปฏิบัติไปเรื่อยๆนะค่ะจะพยายามมากๆแล้วก็จะพยายามเข้ามาศึกษาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเวลาได้ได้พูดคุยได้สนทนาจะเหมือนเหมือนมีกําลังใจที่จะปฏิบัตินะเจ้าค่ะอ่าดีอยู่ที่ไหนนั่งี่ไม่ลืมล้วอยู่ที่สุรินเจ้าค่ะเข้ามาครั้งที่สองค่ะค่ะ ข<พ>อบพระคุณเจ้าคะ่ะคุณชนิะเชิญชนะเอ็นเคหญิงอานชนะ่ะพิมพมาสักการ์พระอาจารย์แล้วก็แสดงรูปที่ตาจิตค่ะญี่ปุ่นค่ะพระอาจารย์ี่ปุ ค, ค่ะไม่ได้เข้ามาสองอาทิตย์ค่ะปฏิทิภารกิจมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะเข้ามากาบพระอาจารย์เฉ็ๆค่ะอโอเคอไปที่คนมาลีบาลี เรื่งงานทำไมวันนี้ไม่ได้ไปค่ะพอดีลูกชายไม่สบายค่ะกราบหลวงพ่อนะคะวันนี้หนูก็ขอร่วมถวายมุขทีตาจิตแด่หลวงพ่อด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็<า>แผ<ข>่เมตตาแก่ผู้ที่สนใจในทมขอบคุณหลวงพ่อในความเมตตาของหลวงพ่อด้วยค่ะ หลวงพ่อนําหน้านวันนี้ก็ไม่มีค่ะหลวงพ่อนําหน้าหนูมา25ปีหนูตามหลังหลวงพ่อมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงถ้ารีบเดี๋ยวถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทันเดีกยเดี๋ยวก็ทันค่ะหลวงพ่อข้าขอขอนิดยนึงที่ที่เราฝึกสมาธิแล้วแล้วเรา พยายามที่มันจะให้มันจิตรวมหรือว่าจิตสงบทุกครั้งเนี่ยเพื่อที่เราฝึกแบบเนี้ยเพื่อให้สติเรามันมันเขาเรียก อ, อะไรวันมีกําลังมากๆขึ้นใช่ไหมคะส่วนหนึ่งแต่ส่วนนึ่งก็เพื่อให้ความนิ่งของเรามีกําลังมากขึ้นมีเบียมากขึ้นเพื่อที่จะมาใช้ทางด้านปัญญาใช่ไหมคะหลวงพ่อใช้เวลาต่อสู้กับกิเลสไงถ้ามีความนิ่งมากมัน ที่เรนมันจะไม่มีกาลังที่จะทำให้เราโลภเราโกรธเราหลงได้ง่ายคแล้วถ้าเราใช้ปัญญาว่าโลภไม่ดีก่อนไม่ดีเราก็จะหยุดมันได้เลยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามันกําลังมันยังไม่ได้เยอะพอค่ะแล้วก็ต้องนั่ ง, งบ่อยๆนั่งบ่อยๆทําบ่อยๆฝึกสติฝึกสมาธิาบ่อยๆไปก่อนค่ะแล้วถ้าพอสมมติคือ ความทุกข์มันมาซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเราเราจะเหมือนกับว่าเราจะรับรับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามาปฏิบัติกันเงี้ยความทุกข์มันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเพราะว่าเรามีามีสมาธิลดกํำลังของกิเลสเนี่ยกิเลสเป็นตัวสร้างความทุกข์ค่ะพอเรามีสมาธิมีมอุเบกขากิเลสมันก็จะอ่อนกําลังลง มันก็จะสร้างคับมทุกให้ได้ได้น้อยกว่าเมากกื่อก่อนค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเราไม่รู้สึกกับความทุกข์เนี่ยแสดงว่าเราเราสติเราต้องความนิ่งความสงบเราต้องต้องเยอะมากมากเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ทั้งทั้งสติด้วยทั้งปัญญาด้วยเนาะบางทีถึงแม้จะมี ส, มสติมีความนิ่งอยู่แต่ถ้าบางทีเจอเหตุการณ์อะไบางอย่างนี้มันก็ยังทําให้ ส, สตัตว์สะเทือนได้ ถ้านย่าแม่มันสัส่นสะเทือนนี่ต้องมีปัญญามาช่วยอีกมือหนึ่งอีกแรงหนึ่งมันจะต้อ ง, งต้องมาพร้อมกันใช่ไหมคะทั้งสติสมาธิทั้งปัญญามาทัสติทั้งปัญญามาพร้อมกันตอนต้นเราฝึกสติก่อนเพื่อได้สมาธิแล้วพอได้สมาธิแล้วทีนี้เราก็มาฝึกปัญญาสนใจให้ปล่อยวางแล้วต่อไปมันก็จะ สามารถอยู่เฉยได้เห็นอะไรเจออะไรก็เฉยๆได้ก็คือแค่รับรู้เฉยๆใช่ไหมคะหลวง่ะงไม่ว่าเราทําอะไรไม่ได้เช่นร่างกายมันจะเจ็บแล้วก็ทําอะไรไม่ได้มันจะตายแล้วก็ห้ามมันไม่ได้เราก็ต้องเฉยๆไปค่ะแล้ ว, วนอกนอกเหนือจากกายเราแต่ว่าเรื่องเ อ, อคนแวดล้อมเราคนรอบตัวคนแวดล้อมก็เหมือนกันแล้วก็ไปมาขับเขาไม่ได้ เขาจะพูดอะไรก็จะทําอะไรก็ไปห้ามเขาไม่ได้นนีแ ล, นแล้วก็ปล่อยเขพูดไปทําไปแล้วก็ฟังไปรับรู้ไปเฉย ๆ, ๆก็ยักหน้าไปโอเคโอเคคมีความรู้สึกว่ามันคือเหมือนเหมือนเราแปลกเราเราเราจะเข้าออกับเขาไม่ได้ะ ค, ะค่ะใช่เลยนักปฏิบัติถึงต้องไปอยู่คนเดียวไงอยู่กับสองคนก็มนไม่ได้เลย อันนี้มันต้องเป็นพระนี่ส่วนใหญ่เขาพอพระพระเจ้าบวชทั้งนั้นเพไม่อยู่กับลูกกับเมย์อเู่กับสามีไม่ได้้ะมันคนละคนคิดคนละแนวทางนะคือพูดพูดก็จะเหมือนคนละภาษาอย่างงี้ค่ะหวพ่อใช่เหมือนเขาเขาชอบแบบนี้แต่พอพอเราเราก็ไม่ได้มี ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องไปชอบแบบเขาเพราะว่าเราเราก็จะเน้นมาทางทาง<ร>าทางชอบแบบเราแบบแเราชอบแบบเราเราชอบชแบบเขาทัก็ทางไปทางมันเนี่คือรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเขาเปิดทีวีหรืออะไรเราก็มันมันก็ขัดแย้งกันไปหมดเลยอะ่ะค่ะเพราะมันมันเราไม่ได้สนุกเราไม่ได้เราไม่ได้จอยไปกับเขาอะไรเงี้ยมัน พอเรามันเรามาเน้นฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันเหมือนมันขัดแย้งมันสวนทางกันไปหมดเลยอค่ะใช่ดูบําบัดเจ้าดูเจ้าชายเศรษฐาท่านอยู่ในว่งแสนจะสบายกันเลยไม่อยู่กลับไปยอมไปอยู่เป็นแบบขอทานเพราะมันสบายใจกว่ามันคือเราไม่ได้สนุกไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันเจือชื่นเลยหมดแล้วมันเจือชื่นเลยหมดแล้วทางเอกแล้วถ้าเพื่อมีช่วงเวลาอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะนับรวมกันเรามีความูสึว่าหนูก็ขอจองที่พักไปปฏิบัติธรรมที่อื่นที่ที่ที่ว่างสำหรับเราอะไรเงี้ยเขาก็คือเขาก็จะผิดหวังกันว่าเราเราไม่ได้อยู่ร่วมเราแตกแยกซะละเราแตแยกใช่ใช่เ<ก>ขาหลวงพ่ อ, อยางอย่างตอนสิ้นปีจะมีวันหยุดอย่างเงี้ยหนูก็จองจองไปที่วัดป่าที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยากรวมตัวญะติพี่น้องอะไรเงี้ยแต่แต่หนูเมื่อก่อนนะอาจจะรวมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เลยค่ะหนูพ่อมันมันมีเวลาหนูก็อยากจะไปแบบนี้แบบนี้มันคือมันกลายเป็นความขัดเียงไปอะค่ะหลวงพ่อใช่แล้วต้องเลือกทางจะไปทางไหนดีหนูก็หนูก็ไปทางของหลวงพ่อไปทางหลว่าไม่ต้องไปเคร่งเจรงใจ หลวงตามหาบัวบอกวันอย่าไปเกณฑใจคนให้เกณฑใจทำถ้าทำบอกต้องไปทางนี้เราไปทางนี้คนคนหนึ่งก็ยังไม่พอใจกับเรื่องของเขาเลยถ้าเราเกณฑใจนคนทำก็แล้วท่านบอกถ้าเราไปเกณฑใจคนทำก็แล้วแล้อเขาบอกว่าเราไปสังสารกันดีกว่าอย่าไปปฏิบัติธรรมเลยทำก็แล้มันเราเกณฑใจเขาค่ะหลวงพ่อ S <s <ans> <S ก็คือตอนนี้มันมันเหมือนมันแตกแล้วอะค่ะหลวงพอ่อคือหนูต้องไปทางที่หนูเลือกอย่างนี้นค่ะขเขาไปเขาต้งไปต้องไปสนใจเขาจะไม่พอใจว่าแฮปปี้กันเลองเขาไปค่ะคือพอพอหนูไม่ไปไม่มา <S <s <ans> <S ไม่กลับไม่ไปบ้านคือน้องหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่อยากมาอะไรอย่า<ล>งเงี้ยไม่ไม่มาบ้านไม่มารวมหนูหนูหนบอกขอขอเหอะเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วอะไรเงี้ยคหลวงพ่อเพราะมัน มันเห็นคนใกล้ตัวเราอ่ะเขาไปแล้เขาไม่ได้แล้ตัวลอยไม่ทําเป็นตัวอย่างเราไปขอก็ไม่ได้แล้วหนูหนูหมายถึงว่าขอไปขอไม่ยุ่งด้วยอค่ะขอไปค่ะวันนี้ก็ก็ไปอย่างที่บอกอย่าเกงใจคนให้เกงใจทำค่ะหลวงพ่อถ้าทำทำธรรมชวนมันอย่าไปขัดใจธรรมะธรรมชวนให้ไปหาความสงบอกไปเลย แต่ถ้าคมนมาชวนให้ไปสั่งซั น, น, นอไออก็ไม่ต้องไปไม่ได้บ้างไม่ต้องเกงใจหนูไม่สนุกเลยค่ะหลวงพ่อที่เข้าไปกินเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนู <ynen. S 2> หนูฝืนไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อมันมันไม่ได้อะค่ะหลวงพ่อ <ynen. S 2> ขัดแย้งหมดเลยแล้ ว, แ ล, วแล้วเขาก็มาสํารวจรายชื่อว่าสิ้นปีใครจะไปเที่ยวอีกหนูก็ลงชื่อเลยว่าไม่ไม่ไปแล้วหนูก็บอกว่าไปวัดไปปฏิบัติธรรมกลายเป็แบบก็เหมือนคนสมัยเนี้ยที่ ร่างกายเป็นผู้ชายแต่ใจก็เป็นผู้หญิงเนี้ยอยากให้เขาไปทําแบบผู้ชายก็ก็ทําไม่ได้ใช่ไหมแล้วแล้วถ้าร่างกายก็เป็นผู้หญิงแต่ใจก็เป็นผู้ชายเนี่ยยาย ก, ก็ทำตัวเป็นผู้หญิงก็ทําไม่ได้มันทําหมือนกันใช่ใจเรามันไปทางธรรมะแล้วจะให้เราไปทางโลกก็ไปไม่ได้มันมันฝืนค่ะหลวงพ่อมันมันไม่ไหวค่ะหลวงพ่อคือรู้สึกว่าถ้าเราฝืนไปทางเขาเรามันไม่ใช่อ่ะค่ะหลวงพ่อนี่รู้สึก รู้สึกเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ได้แต่คํามเบื่อหน่าจําเจซ้ำากมันไม่สุขใจอ่ะค่ะหลวงพ่อบอกบอกไม่ถูกค่ะมันรู้สึกเสียเวลาค่ะค่ะหลวงพ่อนีไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อทุปฏิบัติบูชานะคะหลวงพ่อได้เอาอะไรให้เต็มที่เลยนะสาโทค่ะคุณแอฟต่อเลยแอ่า การรัศกรหลวบ่อครับผมการวัศกรครับอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่โอเคแอปปี้โนว์เบิร์ดครับอาจารย์โอเคมีอะไรไหมครับก็วันนี้เข้ามารับฟังแล้วก็เข้ามากับมรัรการอาจารย์ครับแล้วก็มีมีคือการที่ปฏิบัติอยู่ก็ถอยหลังลงนิดหน่อยครับอาจารย์ครั บ, รรรบแต่ก็ได้เจริญสติ บอดมากขึ้นแต่เข้าไปนั่งน้อยลงครับ <c oughs> แต่ได้จะตบสติปุ๊บเราก็พอพอพอพอพอบางทีเราหลอกตัวเองครับหลอกตัวเองใช้ใช้แม่บ้านเนี่ยใช้ใช้ใช้แม่บ้านให้มาทำนู่นนี่นั่นแล้วเขาไม่ทำ <c oughs> ปกติเราจะเราจะโกรธครับอาจารย์แล้วมันก็คือไม่โกรธครับ ไปหลักอ่าตอนหลังเราลมงฝึดูลองกับการเจริญสติอยู่บ่อยมากครับตื่นมาก็ก็ก็พอพูดโทพูดโทถ้าเราระลึกได้เราก็พูดโธรอยู่ตลอดครับเอแต่ก่จะเฉยวางเฉยได้ก็จะทำอะไรไม่ทําก็เล่หงายเข่าไปใช่ใช่ครับบางทีอ่าอย่างสภาพว่าวันไออย่างเจอวันนี้ครับอย่างเช่นปกติถ้าเป็นช่วงเมื่อก่อนที่ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ซะหลักๆ ก, ก็ปีกว่าครับโอ้โห คงจะไม่ได้ครับไม่ด้ครับผมก็คงจะบุนแรงมากครับอาจารย์แต่ตอนนั้นก็คือก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านและแป๊บเดียวก็ผ่านไปอืมันอยู่ที่กันครับที่อาจารย์ครับโอเคค่ะยัไปที่คุณหมอวีรพันธ์ต่อคอาจารย์ครับงานราชการครับเดี๋ยวเข้ามาไม่วันนี้มีภารกิจยาวเลยครับฟืนเลยครับ ครับก็ไม่ได้มีคำถามครับตั้งใจจะมากาบอาจารย์และแสดงมุทิตาจิตกรพระอาจารย์อ่าอดี่นครับอ่าด็คุณเซริเนเชอยู่ที่ไหนคุณเซินได้อ่ยังไม่ได้เปิดอหไม่อโอเคค่ะพูดได้แล้วรานมสการพระอาจารย์ค่ะเข้ามาถวายมุทิตาจิตพระอาจารย์ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะามคำแหงค่ะอ่า มีอะไรไหมไม่มีคําถามค่ะโอเคงั้นก็ไปที่ท่านต่อไปเลยนะใกล้จละหนะมดเวลาแล้วคนวันเนะคนวรมารมณ์ใช่ไหมมารมณ์นาโมนนาาากับนักสกสารพระอาจารย์ครับและกับมุทิตาอายุเน้ำมูลพระอาจารย์ครับอืมุครับวันนี้ตอนกลางวันก็ได้นั่งสมาธิเป็นปฏิบัติบูชาครับ แล้วก็ตอนเย็นมีพระอาจารย์ที่วัดเจดีหลวงท่านถ่ายชีวิตแม่โคท้องรอรอเชื่อครับก็ได้ไปร่วมกับเขาถาวายเป็นกุศลกับพระอาจารย์ด้วยครับสาธุมรณาครับแล้วก็เอมารายงานผลการปฏิบัติครับพระอาจารย์ครับเมื่อเมื่อครั้งที่เราพระอาจารย์บอกว่าถ้า ท่านนั่งไปแล้วถึงเวทนาครับให้ให้พุดโธจับแต่พูดโทรครับก็ครั้งที่ผ่านมาเอาไ ด, ได้ได้ลองดูแล้วมันอา่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นการผ่านไปได้หรือเปล่าครับแต่ว่าพยายามที่จะพูดโทแล้วก็ไปจับอยู่ที่ความรู้สึกของท้องครับความเวทนาที่ขามันก็ก็ผ่านไปก็เลยได้เอามากลับมาคิดว่า เออเนาะถ้าถ้าเราไม่สนใจเขาไงครับเราไปสนใจกับตัวอื่นเราไปสนใจกับพุโทโธไปสนใจกับส่วนอื่นของร่างกายก็เขาก็จะน้อยลงแล้วก็ผ่านเข้าไปได้นะครับใช่ถูกต้องเป้าหมายก็โดนอยากไปยุ่งเข า, าเพราระเวลาไปยุ่งเขาเราจะไปอยากให้เขาหายเพอะอยากแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์ครับแล้วก็เ อ, อวันนี้จะคนญาติสอบถามพระอาจารย์ครับ คือว่าอย่างในสีลห้าครับก็คือข้อข้อมุสาครับในเรื่องที่ที่ไม่ค่อยจะเข้าใจมากนักว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาจะถูกหรือเปล่าเนื่องจากเป็นอาจารย์ครับเวลาที่อย่างต้นเทอมอย่างไรเนี่ยครับเป็นเป็นช่วงช่วงเธอใหม่ครับก็จะบอกกับนักศึกษาไว้ว่าในบางเรื่องที่อาจารย์จะสอนไปอย่างเงี้ยครับบางทีมันเป็นเรื่องที่สมมุติมันไม่ใช่เรื่องเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับ กับตัวตัวความจริงที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยครับเป็นการสมมุติเป็นการที่ใช้ยกตัวอย่างเนี่ยครับก็บอกกับเขาไปก่อนว่าอันเนี้ยมันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังเป็นมุษาอยู่หรือเปล่าเนี้ยครับพอาจารย์ครับก็ไม่เป็นนะแล้วก็บอกเขาลงหน้ากันนะว่านี้ไม่ใช่เป็นความจริงนะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงครับกเ็เป็นเรื่องที่ที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้มันประกอบให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลัก หลักความจริงว่าเป็นยังไงครับก็คือทําทําแบบนี้ไว้ตั้งแต่ต้นเทอมก็มก็น่าจะเป็นการทําที่ถูกต้องแล้วถูกไหมครับอาจารย์ก็ต้อ ง, งบอ ก, บอกว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงทุกครั้งที่พูดก่อนที่จะพูดก่อนที่จะเล่าว่าอนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องสมมติอ๋อครับควรจะทําทําทุกทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เราจะพูดเผื่อว่ามันถ้าพูดครั้งเดียวเนียวเขาอาจจะลืมไปแล้วอาจจะไม่รู้ว่าจะพูดจริงหรือพูดเล่นกันน่ อภัยอาจารย์ครับมันหมดข้อคําถามแล้วครบคับมัสการครับออันนี้คนสุดท้ายคือคุณสุภัสตาโดยวันนี้คิ ว, วยา ว, วเราถึงเกือบจะปิดฉากแล้วกล่าวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะและขอร่วมมูทิตาจิตเจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะจะอยู่ฟังคถมอจารย์ครัเรียนไปที่เฟซบุ๊กแลกัน<ด>เล ย, ยประมาณ13นาทีเชิญคุณจุ๊บแพ ตอนนี้มีเข้ามาทั้งหมดเก้าคำถามนะคะคาาค่ะคำถามได้จากคุณมนเดโม่ ค, ค่ะกรับนามัสการครับกระผมสวดมนและมักจะหาวจะแก้ไขอย่างไรครับก็ปล่อยมันหาอยู่จะทําไงล่ะปัญหามันก็เป็นอันาตาแล้วก็สวยของเราไปครับก็แสดงว่ามันจะง่วง ม, มันถึงหาวถ้าไม่อยากจะให้ปัญหาว่าลองกินข้าวมันน้อยลงไปหน่อย อย่าอย่ากินข้าวเย็ยนอะไรอย่างนี้กินแค่ข้าวข้ากลาวันก็พ อ, อนี่มันความท้อ ม, มันว่างมันก็จะไม่หา่าวํำถามต่อไปจากคุณจินตาภาค่ะพระอาจารย์กราบสวัสดีค่ะเวลาที่เหม่อยลอยก็รู้สึกตัวว่าเหมื่อยลอยค่ะแต่หยุดไม่ได้บางทีทํางานนานๆสายตาก็ล่องลอยสมองเบลอใจลอยค่ะแต่รู้สึกตัวไม่ทราบอย่างนี้ต้องทําอย่างไรคะ ก็ใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธดึงสติกลับมาคําถามต่อไปจะคุณสมจิตค่ะสิทธิ์ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณสองปีเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจและบริกรรมพุโทโธช่วงปฏิบัติสิทธิ์รู้สึกตึงที่หน้าและศีรษะตลอดพอหยุดปฏิบัติความตึงก็หายไปสิทธิปฏิบัติปิดหรือเปล่าเจ้าคะและควรจะแก้ไขยอย่างไรคะกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ เดี๋ยวเขาอ่านอีกครั้งเรื่งนันก็ดีคะเวลาสิทธิปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณสองปีค่ะเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจและบริกรรมพุทโธช่วงปฏิบัติสิทธิรู้สึกตึงที่หน้าและศีรษะตลอดพอหยุดปฏิบัติความตึงก็หายไปสิทธิปฏิบัติผิดหรือเปล่าเจ้าคาและควรจะต้องแก้ไขยอย่างไรค่ะไม่ผิดลมันเป็นเรื่องของ การต่อสู้ระหว่างกิเลส ก, กับสติมันจะตึงเครียดเป็นธรรมดางั้นก็ต้องอย่าไปสนใจมันะก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วก็ไม่ต้องดูลมก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีกว่าเวลาเดินให้พุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวมันอาจจะทําลดความตึงเครียดได้เราทั้งลมมองทําพุทโธได้มันอาจจะทําให้ยุ่งยากขึ้นมาคำถามต่อไปจากน้องลินลินค่ะ อาจารย์คะอยู่คิดถูกไหมเจ้าคะ่ะจริงๆเหมือนเป็นการสร้างตัวละครขึ้นมาและกําหนดตัวตนคิดว่าเป็นตัวเราเองทงั้งๆที่ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเจ้าคะ่ะเหมือนแต่ละวันคิดจะแสดงละครในแต่ละวันความรู้ลึกๆในแต่ละวันก็เฉยๆเจ้าคะ่ะเพียงแต่รบกับกิเลสทุกวันทุกวันคิดอยู่คิดทุกอย่างเหมือนบททดสอบรอบตัวเจ้าคะ่ะ เมือเพราะเมื่อยังทำงานรูปอยู่ในสังคมไม่ทราบว่าคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะคนยังอยู่คิดติดอ่ะเพราะยังคิดมันก็ยังเหมือนวนอยู่ในอาา่างมันหาข้อสรุปไม่ได้นะจะหาข้อสรุปได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดคิดเมื่อหยุดคิดเราจะรู้ว่าอ๋อปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวความคิดเองพอเราหยุดคิดก ป, ปัญหาต่างๆมันก็หายไปหมดคํำถามต่อไปจากคุณเต๋าค่ะขออนุ ญ, ญาตครับพระอาจารย์ ภาวนาแล้วเห็นเด็ดทุกเวทนามาร่มเราต้องทําอย่างไรครับภาวนาแล้วมีเด็ดทุกเขาก็เราไม่มีสติไงถ้าเรามายาสวดมนต์ไปแล้วพุโทโธพุโทโธไปยาอย่านั่งเฉยๆคำถามต่อไปจากคุณชินุพงศ์มีสองคำถามนะคะคําถามแรกทําอย่างไรจรึงจะเกิดอุเบกขาครับก็เนี่ยต้องเจริญสติแล้วก็นั่ง นังให้จิตนิ่งสงบไม่คิดปุงแต่งมันก็จะได้ b e h a v i าขึ้นมาคำถามที่สองค่ะตอนขับรถนี้ฝึกสติอย่างไรหรือครับถึงจะเหมาะสมครับก็้อยู่กับการขับรถเราดูถนนอ่านดูรถที่เราขับอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับการขับรถคำถามต่อไปจะคุณมาไทเวอร์ซอลยูนิตี้ค่ะขอฝากคำถามครับพระอาจารย์บอกว่า ไม่คิดไม่นึกเลยสุขที่สุดจะเป็นได้หรือครับเมื่อมีคิดนึกอยู่คิดนึกย่อมทางานได้ขอบคุณครับก็เราใช้สติใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันได้แต่มันไม่ได้หยุดแบบถ้าววอนนั่นเองหยุดได้เป็นครั้งเป็นคราวค่ะคำถามสุดท้ายจะคุณพีรพรค่ะกราบขออนุญาตเรียนถามค่ะคารวะที่คิดว่าตนบรรลุธรรม ควรจะไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านชี้แนะและรับรองใช่ไหมคะก็ไม่แน่หรอกถ้าเรามาั่นใจว่าเราเราเราบรรลุก็ไปถามท่านท่านกีก็ถ้าท่านไม่รู้เดี๋ยวจะมาหาอาจารย์เหมือนก็ไม่รู้นะอันนี้อยากจะไปถามก็ได้แต่ตามหลักธรรมพระอาจาก็ไม่ได้ไปถามใครว่าเราตัดทะลุหรืออย่างใช่ไหม ขอให้รู้ว่าเราไม่มีความทุกอยู่ในใจไม่มีความผิดไม่มีโรโกรดหนงก็แค่นั้นก็พอถ้ายังไม่มั่นใจก็ไปพิสูจน์ดูไปหาสิ่งที่มาลอกกิเลสดูว่ามันจะออกมาหรือไม่คำถามหมดแล้วค่ะโอเคเหลืออีกสามท่านเดี๋ยวต้องไปเร็วๆหน่อยพือ่อนสองนาทีเอาคุณแนนก่อนขอบคุณดอน ค่ะกลาวนามสการห์ระ อ, อ, อาจารย์ไม่มีคาถามค่ะโ <Okay. S 2> uh. อเคค่ะยื่นไปที่คุณพรมคุณพมมีอะไรไหมสั้นๆขณะสักการณรั อ, อ, อาจารย์ครับวันนี้ข้ามากราบ อ, อาจารย์ร่วมฟังธรรมแล้วก็มาแสดงความพู้ทธตาจิตคระ อ, อาจารย์ครับโอเคสาธุอ้าวคุณพัตราพรบุขกาลียว อ่าได้รับได้รับวันนั้นที่โอนมาเรียบร้อยนะค่ะครับกมุิตตาลับมุอทิตาจิตหลวงพ่อเจ้าค่ะคอยหลวงพ่อมีธาตุขันแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานเกินร้อยี่สิบปีนะเจ้าค่ะมีอะไรไหมท่านนี้กลับมาเยี่ยมบ้านเดียวหรือแม่ไปเยี่ยมครับครับกลับมาเยี่ยมบ้านครับตันเดียไม่ใช่ว่าเสาร์อาทิตย์แล้วหรือไม่หรืว่าปิดเทอมาห้าวันมาห้าวัน เป็นอะไรสปรินเบกรืเป็นะเป็นช็อตช็อตรีดินง่ยครับเิดีใจไม่ได้กลับบ้านก็ดีใจอันหไม่ต้องทำอาหารเองต้องทำก๋วขเตวเองต้องทำอะไรเองหมดเลยีด้ได้ฝึกกอัตราหิอัตโนนาทูเนี่ยตอนเป็นพี่ของตนครับก็ดี ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างครับไปอยู่มาหอมหาอะไรก็ต้องเร mm ีย hmm. นเรียนรู้ที่จะแชร์พื้นที่ก็ต้องแชร์ห้องครัวกับคนอื่นอย่างนี้ได้ในก็เรียนรู้เดีวยวกันอยู่กับคนอื่นในตอนนี้นะครับโอเค <Okay. S 2> มีอะไรไหมไม่มีครับหลวงพ่อเจ้าขาลูกไม่ได้เข้าแต่ว่าฟังด้านนอกเพราะว่าเพราะว่าเ facebook เข้าไม่ได้เจ้าค่ะ แต่ว่าไม่ได้ถึงก็คะก็ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่มีอะไรก็อยู่ข้างนอกก็ได้ฟังอยู่ด้านนอกเขาเข้ต้องรอให้เรีวเข้ามาถึงจะเข้ามาได้นะไม่ไม่ใช่จ้าค่ะโทรศัพท์มันมันมันจริงจังแลดวเพิ่งสั่งไอโฟนสิบสี่ใช่เพราะสิบ่ไม่ด้เพิ่งจึ่งจะได้ต้องค่ะก็เลยไม่แต่ว่าก็ก็ถึงคือธรรมะหลวงพ่ออยู่ที่จ่ายหมดแล้วนะคะก็ ก็ <Okay. S 2> ฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้เจ้าคเะไม่ถูกไม่ถูกเจ้าค่ะครับสาธุคับอะไรคิดว่าพอสมควรแก่เวลานสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตริจารดาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในายิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ